สวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะมีใช้คาว่าเพื่อนนักภาวนาทุกท่านนะคะวันนี้มีน้องๆมาด้วยนะคะมีอยากถามนิดนึงนะคะวันนี้วัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะจริงๆธรรมะเนี่ยต้องบอกว่าเราฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยเยอะเยอะอยู่แล้วนะคะฟังได้ทุกวันยิ่งตอนนี้ทางประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อโปรโมตปรโมโชว์นะคะ ได้ทำ MP3 ขึ้นมาไม่ทราบในนี้มีใครได้รับไปแล้วมั่งไหมคะค่ะถ้าใครสนใจติดต่อไปที่มูนิธิได้เขาส่งฟรีนะคะรู้สึกเอ่อถ้าเครื่องไม่แน่ใจนะคะประมาณ430บาทหรือ450บาทเนี่ยคะ่ะนะคะวัตถุประสงค์วันนี้นะคะมีอยากทราบว่าท่านอยากจะมาสนทนากับมีโดยตรงเลยไหมถ้าอยากมามีก็จะไม่ไม่บรรยายเยอะ ะะเพราะจะใช้เวลาในส่วนนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะเพราะแต่ละท่านบางท่านใช้ครึ่งชั่วโมงเรามีเวลาแค่11บเอ็ดมงครึ่งนะคะปริมาณท่านที่อยากจะคุยกับด้วยมีกี่ท่านคะยกมือเลยค่ะนี่ขอมาด้านหน้าเลยได้ไหมคะเรียงตามสองแถวนี้เลยค่ะนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราพบว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ไม่มีคาถามนะคะแล้วหลังจากนั้น ท่านผู้จะไม่มีคำถามก็เตรียมจะต้องถามนะคะเพราะว่ารู้สึกเอออันนี้มันตรงกับเราไหมนะคะหรืออันนี้ของพี่เขาเป็นอย่างนั้นของคนนั้นก็เป็นนี้เราเป็นอย่างนี้ไหมนะคะต้องบอกว่าจริงๆถ้าเราเราศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะศาสนาพุทธนะคะเราจะเรียกว่าเป็นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งก็ได้นะคะศาสนาพุทธพูดเรื่องอะไรถ้าเราเป็นชาวพุทธ นะคะเรารู้เลยว่าเป้าหมายที่สุดนะคะวัตถุประสงค์ของชาวพุทธต้องพ้นทุกได้นะคะแต่วันหนึ่งเราไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาเราพ้นทุกไม่ได้หรอกคะ่ะเราคงต้องเรียนต้องศึกษาแต่พอเราเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในแวดวงของการปฏิบัติธรรมเราก็จะพบว่ามันมีหลากหลายมากเลยอันนี้ก็ใช่สำนักนี้ก็บอกแบบนี้นะคะสาคัญชาวพุทธสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราต้องมี โยนิสงมนาสิการนะคะการใคร้ควรพิจารณาตัวเราเองนะคะเพราะการที่เราศึกษาธรรมะสิ่งที่พระเจ้าสอนเราไม่ได้สอนอะไรที่ไกลตัวเลยนะคะไม่ได้ใกล้ตัวด้วยแต่สอนเรื่องตัว ต, วตนของเรานะคะตัวตนของเราประกอบด้วยเดี๋ยวเร า, เาพักพวกกันแป๊บหนึ่งนะคะในขณะที่เรารอเราไม่ได้ทิ้งไปเลยนะคะ เราไม่ทิ้งกายเราไม่ทิ้งใจนะคะในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะคะเราจะนั่งรออะไรก็ตามในแต่ละวันแต่ละเวลาถ้าเราเข้าใจชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจว่าวันหนึ่งการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิกับเดินจงกรมนั่นคือกลับบ้านเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระแล้วนี่คือการปฏิบัติวันหนึ่ง8ดชั่วโมงที่เราอยู่ในโลกหายไปเลยอันนี้ขั้นต่ํานะขั้นต่ําคือ8ดชั่วโมงหายไปเลยเมื่อไหร่ถ้าเราลืมกายเมื่อไหร่ที่เราลืมใจอันนี้คือขาดสติเรียบร้อยแนละ้ว นะคะคราวนี้สติเป็นธรรมะที่มีคุณุปการใหญ่หลวงถ้าใครที่ฝึกสายหลวงพ่อเทียนใช่ไหมคะไปอ่านสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเลยการปฏิบัติคือการรู้สึกตัวไม่ใช่การยกมือสิบสจังหวะแต่นั้นเป็นกูศลบายเป็นสิ่งที่ถูกจริตไหมที่เมื่อกี้มริเกินนํามาว่าชาวพูดสิ่งที่ต้องมีแป๊บหนึ่งนะคะลองสำรวจของตัวเองอีกทีหนึ่งดีไหมคะเวลาเรามีน้อยนะคะ เพราะนั้นถ้าเรามันแกว่งไปเดีวมันเริ่มกันใหม่นะคะลืมกายลืมใจกันไปหมดไหมไปสนใจที่เสียงไปสนใจที่มือถือเราหรือเปล่าการที่เราเห็นว่าใจเราไหลไปนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วค่ะไม่ใช่หมายความว่าเอา้าวงั้นไหลไปฉันต้องอยู่กับตัวเ๋ยรอแป๊บหนึ่งนะคะรู้กายรู้ใจไปเลยเห็นจิตที่ไหลไปฟังนะคะถ้าเราฝึกได้อย่างนี้เนี่ยนะคะการปฏิบัติล้อมอยู่ในชีวิตประจําวันเราทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะเดินจงกลมหรือนั่งสมาธินะคะ อันนั้นคือเหตุที่เมื่อกี้บอกว่าถ้ามีเด็กนะคะเราก็ต้องดูว่าคุณภาพของเด็กพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมอย่าฝืนนะคะท่านผู้กครองทั้งหลายเพราะเวลาถ้าเด็กไม่พร้อมเด็กเข้ามาเด็กไม่รู้เรื่องนะคะเด็กบริสุทธิ์เนาะเด็กไร้เทียงสาแต่โดยธรรมชาติแม้กระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยเราจะมีเวลาจริงๆจิตเนี่ยที่จะเฝ้ามองหรือฟังอะไรสักอย่างไม่เกิน45นาทีนะคะแต่อันนี้เราจะอยู่กันตัง11บเองครึง่งเด็กจะไหวไหม ใช่ไหมคะอันนี้เด็กไม่ไหวเดวเดินออกไปได้นะคะแต่ทุกครั้งที่คุดเดินเนี่ยหรือเดินคนเดินเข้าเดินออกเนี่ยจิตเราแข่งไหมจิตเราแข่งอืมเอาเรานั่งทําสมาธิกันไปก่อน ด, ดีกว่าเพราะจะม า, ากันเรื่อยๆนะคะเอาอย่างที่ทุกท่านชอบเพราะว่าเวลามาแต่ละที่แต่ละต่างเวลาต่างเวลาเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีแต่ส่งกันบ้านอย่างเดียวมีไม่รู้หรอกว่ามันจะเจออะไรนะคะเพราะนั้นธรรมะมันจะเป็นไปตามในขณะที่เราเราเจอกันนะคะ ใครทำอนาปนาสติทําไปเลยค่ะพี่ผู้หญิงอันนี้เคลิมนะถ้าเจิตแบบนี้ที่ทําเห็นไหมคะโทษนะคะพี่ที่มีกับกับบอกน้ําสีเขียวอ่าเมื่อกี้ที่ทําเนี่ยเคลิมนะให้รู้ว่าเคลิมนะคะเวลาที่เราทําสมาธิไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานเราเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเลยนะคะไม่ลืมคือเมื่อกี้เคลิมเรารู้ว่าเคลิมนะคะ เวลาที่เราทําสมาธินะค ะ, ะพร้อมเนาะเราเริ่มกันใหม่เนา ะ, ะวันนั้นใครที่เคยฟังของหลวงพ่อประโมทฟังธรรมะของหลวงพ่อประโมทนะคะจริงๆสิ่งที่หลวงพ่อสอนท่านไม่ได้สอนว่าต้องเดินจุกรมท่าไหนนั่งสมาธิแบบไหนนะคะท่านไม่ได้สอนรูปแบบของการภาวนาแต่ท่านสอนหลักของการภาวนานะคะ หลักของการภาวนาเนี่ยท่านเมตตา ม, มากเลยนะคะเพราะว่าท่านภาวนามาท่านใช้ทั้งหมดของประสบการณ์ธรรมะที่ท่านได้ได้มาทั้งหมดเนี่ยสรุปออกมานะคะเป็นหลักให้เราได้เลยนะคะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีถามนิดนึงค่ะประโยคนี้ใครไม่เคยได้ยินบั้งคะยกเลยนะคะมีจะได้รู้ว่ามีต้องถ่ายทอดขนาดไหนยังไงใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อประโมทไหมคะในห้องนี้ มี1นึงท่านสามท่านมีใครมั้ยหมคะสี่ไม่เคยฟังทีดีหลวงพ่อใช่ไหมคะโอเคมีถือว่าส่วนใหญ่เนา ะ, ะเราขอใช้ส่วนใหญ่นะคะท่านท่านที่ไม่เคยนะคะเดี๋ยวก็ลองฟังดูแล้วกันนะคะว่าอันนี้ถูกจริตกับเราไหมนะคะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคะสตินี่สำคัญนะคะเพราะสติอยู่ในองค์ธรรมสติจะอยู่คู่กับจิตที่เป็นกุศลทุกดวง นะคะจิตดวงใดที่ไม่มีสติอันนั้นเป็นอกุศลทันทีละนะคะเช่นเมื่อกี้เราเห็นใจเราไหลไปฟังอันนี้ทันทีจิตที่มันไหลไปจิตขณะนั้นขาดสติละแต่ทันทีที่เรารู้ว่าจิตมันไหลไปวิธีที่เราดูจิตเนี่ยคือจิตเกิดแล้วนะคะอารมณ์เกิดแล้วความรู้สึกเกิดไปแล้วเรารู้ตามหลังนะคะแต่ถ้ารู้กายรู้ลงปัจจุบันเช่นขณะ น, นี้ทุกท่านนั่งอยู่ขณะ น, นี้ร่างกายหายใจอ่ะเราลองดูสิคะร่างกายมันหายใจอยู่ไหม เมื่อกี้สักครู่นี้พวกเราทําสมาธิกันใช่ไหมคะอไหนทุกท่านลองทำสมาธิที่พวกเราทําอยู่สิคะอ่างั้นจิตขณะนี้ลองสังเกตนะคะเมื่อสักครู่เมื่อกี้มันทีบอกว่าถ้าเรารู้ร่างกายเรารู้ลงปัจจุบันในขณะนี้ร่างกายหายใจอยู่ตอนนี้ทุกท่านที่นั่งทําสมาธิสังเกตไหมคะว่าลมหายใจการหายใจของเราไม่เหมือนเมื่อสักครู่ละอ้าวเลิกเลยคะ่ะวิธีเลิกยิ้มหวานสักทีหนึ่งก่อนนะคะ รู้สึกไหมจิตที่เมื่อกี้หนักๆท่านที่ทําสมาธิลองสังเกตนะคะแต่ตอนนี้บอกยิ้มหวานจิตไม่เหมือนกันพี่รู้สึกไหมผ้พาพันคอสีแดงรู้สึกไหมคะเนี่ยเราสังเกตแบบนี้ค่ะนะคะว่าทุกครั้งชาวพุทธเราเวลาที่เราคิดว่าจะต้องทํารูปแบบนะคะนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีจิตไม่ปกตินะคะร่างกายก็จะไม่ปกติแล้วเคยเดินข้ามถนนยังไงเดินไม่ได้แล้วเราต้องเดินเป็นยา่นยยางเนาะยกย่างเหยียบ ะะอันนี้ไม่ผิดนะคะทุกสำนักมีดีของแต่ละสำนักนะคะแต่วันนี้เราถือว่าภาพรวมตรงนี้ทุกท่านฟังหลวงพ่อประมุขมาแล้วนะคะในการที่ฟังหลวงพ่อประมุขหลวงพ่อจะสอนหลักเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ระบุเลยว่าต้องยกมือหลวงพ่อเทียนเท่านั้นต้องทำอนาปนาสติต้องเดินจงกรมยังมริมรีถนัดเดินจงกรมนะคะไม่ใช่แต่เราหาตัวเราให้เจอนะคะวิธีที่หาตัวเราให้เจอเราดูว่า มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยนะคะแค่หลักอันนี้เนี่ยถ้าเรานะคะเข้าใจหลักเบื้องต้นอาจจะไม่เข้าใจจําไว้ก่อนได้นะคะแต่เมื่อเราจําได้แล้วเราลงมือปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราเอาหลักอันนี้ทาไปเลยนะคะเช่นในขณะที่ท่านนั่งสมาธิซ ส, ส่วนใหญ่ยรือล้มือลงพ่ะเทียนนะคะจิตมันเคลิ้มไหมจิตมันรู้กายรู้ใจไหมนะคะหรือไปอยู่ที่นิ่ง หรือไปอยู่ที่ความสว่างนะคะลึกจิตขณะนั้นฟุ้งซ่านเราบังคับให้มันไม่ฟุ้งอ่ะอันนี้เรารู้ทันไหมนะคะอันนี้ลองไปสังเกตของแต่ละท่านก่อนนะคะถ้าเราไม่รู้สภาวะที่เรานั่งคือเราขาดสติไปเรียบร้อยแล้วละ่ะถูกไหมคะอยู่กับลมก็ไม่รู้ว่าอยู่กับลมนะคะสติเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในหลายๆครั้งหลายๆที่ทุกที่จะสอนเราว่าให้มีสตินะคะแต่หลวงพ่อประมุ นะคะท่านเมตตาอธิบายเลยสติเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่แค่ว่ามัต้องมีสติก็มีสติอะ่ะก็อยู่ในโลกทําไมอะ่ะก็ทํามาหา ก, กินได้เนาะคุยกับคนได้ขับรถได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะอันนี้คือสติที่เราใช้อยู่กับโลกใบนี้แต่วันหนึ่งถ้าเราปรารถนาซึ่งความพ้นทุกข์จริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่สติปกติแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสติปัญสีสติปัญสีพวกเราฟังมาเยอะแล้วแหละนะคะใครไม่เคยได้ยินคํานี้เลยคะ มีไหมคะ อ, อนุโลมนะคะไม่มีใครยกมือนะคะมันจะประกอบด้วยกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมคะอันนี้พวกเรารู้สึกว่าสติปัฏฐานสิวงมันยากเนาะที่จะต้องกำมะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมในที่นี้มีใครไม่สวดมนต์บ้างไหมคะไม่ต้องสวดทุกวันก็ได้นะคะแต่สวดแต่มีการสวดมนต์ได้นะคะมีการสวดมนต์เนาะรู้จักการสวดมนต์เอาแค่นนโมสามจบง่ายๆนะคะในขณะที่ท่านนั่งสวดมนต์ ใ, ในขณะนั้นถ้าท่านรู้ว่าร่างกายนี้มันนั่งอยู่มันทุกท been, ่า no. นที่รู้ขนาดนี่ยว่าร่างกายนี้นั่งอยู่อันนี้เราดูอะไรคะเราดูกายานุสติประธานแลืมจากนั้นนั่งไปสักพักขยับไหมคะนั่งกายขยับทําไมถึงขยับมันไม่สบายมันเมื่อยแล้ขอขยับสักนิดนึงอันนี้เราเห็นเวทนาทน flexible. ุสติประธานของกายตัวนี้ละนะคะจากนั้นเราสวดไปสักพักนโมตัสสาพระคาวาโตก็สวดไปเรื่อยเลย ะะทำวัดเช้าทํา ว, วัดเย็นก็สวดไปปรากฏในขณะนั้นมันไม่ได้อยู่กับการสวดจิตไหลไปคิดละจิตไหลไปฟังนู่นละจิตหลงไปอยู่กับบทสวดอันนี้เราเห็นอะไรคะเราเห็นจิตที่มันไหลไปได้สักพักสวดไปสักพักจิตมันสงบเราเห็นความสงบของจิตใจอันนี้คือจิตตาโนสติประธานละนะคะคราวนี้ถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเรามีสติทั่วพร้อมด้วยนะคะไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อจิตที่ไหลไหลได้เองไหมคะอันนี้ปัญญาเบื้องต้นก่อนเนาะเราจะเห็นเลยจิตมันไหลไปได้เอง จิตไปสักพักมันก็สงบสงบเสร็จพักพักมันก็ไม่เห็นปากที่มันขยับได้สักพักเราจะเห็นว่าจิต ม, มันหลงมันไหลลงไปในบทสวดเราเห็นเลยว่ากระบวนการทั้งหมดตรงเนี้ยจิตทํางานเองนะคะไปชักพักนั่งมันเมื่อยเราเห็นใจไม่ชอบความเมื่อยนี้เลย อ, ะอ่ะเห็นไหมอยู่ดีจิตเมื่อกี้สงบตอนนี้มาเปไหนมีโทสะละเพราะไม่ชอบความเมื่อยนี้เราเห็นเลยจิตที่โมโหโมโหเองนะคะจิตที่มันไหลมันไหลเองไปได้จิตที่มันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านไปเองได้อันนี้เราเห็น ทันมานุสติประทานนี่แค่เราสวดมนต์แค่เนี้นะคะเราสามารถทําสติประธานสี่ถ้าท่านเข้าใจขณะ น, นี้เราจะเห็นเลยว่าการภาวนาทั้งหมดนะคะ mm hmm. การปฏิบัติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมันอยู่ในกายในใจเรานะคะมันอยู่ในกายในใจเราที่ไหนมีกายที่ไหนมีใจเราภาวนาได้หมดเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปขึ้นเครื่องบินนั่งรออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดินทางนั่งรถโดยไม่ใช่คนขับนะคะไม่ใช่คนขับเนาะเราสามารถภาวนาไปได้ทุกที่ ะะแม้กระทั่งเราฟังวิทยุในรถเนี่ยนะคะเราก็เห็นจิตเพลื่อนไหลไปได้นะคะทุกท่านฟัง c ีดีหลวงพ่อประโมททุกวันไหมคะในห้องนี้มีใครที่ฟังทุกวันบ้างไหมคะนายกมือโอเคนะคะมีสักประมาณ 15% หน์นะคะหลักของการภาวนานกับหลวงพ่อถ้าถ้าหลังจากนี้ฟังอันนี้ไปแล้วนะคะแล้วลองกลับไปฟังแล้วท่านสนใจนะคะสิ่งที่มาีแนะนานะคะฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันนะคะ ไม่ว่าจะเวลาไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะคะเพราะวันหนึ่งเรายุ่งกับโลก8ดชั่วโมง1ิบชั่วโมงเนี่ยและวันหนึ่งบอกว่ากลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิและเอาจิตนี้น้อมกับมหาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยากเหมือนกันเนาะเพราะอะไรคะที่พักของจิตคนในโลกใบนี้ส่วนใหญ่อยู่ไหนคะย o u t u b ล l i n อ i ี YouTube, Line, IG, ใช่ไห ม, มทีวีต่างๆวิทยุสิ่งอะไรก็ตามที่ทาให้จิตเนี่ยไม่มีความสุข ะะเราจะวิ่งไปหาสิ่งนั้นนะคะราะนั้นถ้าเรามีทพักจิตแบบนั้นนะคะแล้วเราบอกว่าเราปรารถนาความบรรทุกหรือบอกมันยากเหมือนกันนะมันยากเหมือนกันเพราะสภาวะที่เราหลงไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะจิตมันลืมกายลืมใจไปแล้วขาดสติไปเรียบร้อยแล้วผิดองค์ธรรมอันแรกแล้วนะคะตั้งแต่ขาดสติเบื้องต้นล้วนะคะคราวนี้พอเรามีรู้ว่าสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่น นะคะสภาวะคืออะไรเช่นขณนะนี้ตัวนี้นั่งอยู่เราเห็นตัวนี้นั่งอยู่เราเห็นร่างกายในหายใจเข้าดูร่างกายนะคะไม่ใช่ดูลมนะคะเห็นร่างกายในหายใจเข้าร่างกายในหายใจออก ไม่ว่าท่านจะทําอานาปนสติด้วยการดูตรงนี้หรือการที่ดูพองหนอยุบหนออันนี้ต่างดูร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกทั้งสิ้นนะคะยกมืออย่างของหลวงพ่อเทียนอันนี้ก็ดูร่างกายเคลื่อนเดินจงกรมเราก็จะเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูเพราะฉะนั้นเราจะเห็นดูเลยว่าการปฏิบัติมันอยู่ในกายอยู่ในใจเรานะคะอันนี้พอเรามีสติทิติอยู่ขึ้นมาเพื่ออะไรมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอไอ้ตรงนี้นี่แหละคะ่ะ มาถึงอะไรคะมาถึงตัวสมาธิแล้วสิ่งที่หลวงพ่อสรุปหลักมาอยู่ในแค่ศีลสมาธิและปัญญาศีลถ้าเราเป็นชาวพุทธอันนี้ทุกท่านต้องตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะไม่ผิดศีลมิใช่ว่าห้ามผิดศีนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะรักษาศีลกันแบบเครียดเมื่อไหร่เครียดจิตตรงนั้นเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วเอามาภาวนาไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะเนาะเพราะนั้นเจตนาคือมดเว้นนะคะ พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะถามหลวงปู่เทศนะคะว่าที่สุดของศีลคืออะไรนะคะเจตนางดเว้นนะคะอย่างที่พระเจ้าสอนเรานะคะคารวาสจะรักษาศีลให้สวยสดงดงามเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วอะยากท่านเข้าใจคารวาสนะคะเพราะฉนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทําคืออะไรคะตั้งใจศีลบริสุทธิ์ได้ไหมอันนี้มลิก็อ่านจาก พ่อแม่ครัวจารย์เรานะคะหลวงพ่อฤาษีท่านบอกเลยนะคะคือหนึ่งก่อนที่เรานอนเนี่ยมีเชื่อนะส่วนใหญ่เช้าพุธก่อนเราจะก้มลงจนกระทั่งนอนเราคงต้องกราบพระก่อนสามครั้งนะคะแล้วบอกเลยเราชื่อ น, นี้แหละขณะนี้จนถึงเวลาเราตื่นจะไม่ขอผิดได้สี่ห้านะคะข้อแรกถ้าเรานอนเราคงไม่ได้ลุกขึ้นมาตบยุมกลางกลางดึกหรอกเนาะนะคะสองไม่ได้ขโมยของใครเนาะสามถ้าเรานอนคู่เราไม่ผิด สี่ถ้าเราไม่ได้ละ เ, เมอเพอรเจอร์ขึ้นมาก็คงไม่ได้ผิดนะคะถ้าผิดในขณะนั้นองค์ธทรรมของการผิดศีลไม่ครบเพราะเจตนานไม่มีนะคะข้อห้าเราไม่ได้ตื่นแก้วเหล้าเนาะในขณะที่ที่เรานอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้แหละเรารักษาได้นะคะเราตั้งใจอย่างเงี้ยทุกวันจิตที่มันสะสมวันละเล็กวันละน้อยนะคะมันจะรวมเป็นกําลังให้เราได้จนกระทั่งอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราลืมตาเ น, นี่แหละ นะคะจะพูดอะไรนึกได้นะคะนะคะเพ็นสาวสวยแค่สวยจบตรงนั้นเห็นของอยากได้นะคะเรารู้ทันนะคะเราไม่ได้ขโมยอะไรของใครนะคะอันนั้นจะเป็นกำลังของเราไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะศีลนี้สําคัญเราเจอหลายๆท่านเนี่ยภาวนาดีนะคะตั้งใจมุ่งมั่นแต่ศีลเธอไม่รักษาเลยนะคะอันนี้ยากเพราะเราคิดว่านิดๆหน่อยๆ นะคะอย่างเราแชร์เราไลน์โดยที่เราไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรอกว่าข้อมูลนั้นจริงๆเป็นอย่างไรส่งมาให้เราอ่านเราอ่านแล้วเรารับรู้แค่ตรงนั้นจบแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าถึงการเราแชร์ออกไปหรือเคลียร์ออกไปหรือคอมเมนต์ออกไปอันนี้ผิดศีลข้อ4ี่นะคะตอนนี้คนไม่พูดแล้วคนพูดกันด้วยด้วยไลน์กับแชทแล้วเรานึกว่าอันนี้ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีกรรมข้อแะจริงเนี่ย เราปลูกมะม่วงได้มะม่วงนะคะถ้าเราเป็นชาวพุทธเศษกรรมต่างๆเนี่ยมีนะคะแต่ถ้าเราพยายามที่จะตั้งใจรักษานะคะเมื่อไหร่ที่เราผิดตรงนั้นเนี่ยองค์ธรรมไม่ครบนะคะแต่เมื่อไหรคุณลายคุณมาปุ๊บฉันตั้งใจส่งเลยเพราะฉันมั่นใจว่าข้อมูลเนี่ยจริงอ่าแต่ข้อเที่จริงไม่จริงแล้วจริงๆเนี่ยถามว่ากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยการอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะคะแต่บ้านเราเรายังไม่ได้กฎหมายมันบังคับใช้ไม่ได้เราใช้อย่างนี้ลนนะะแล้วกันนะคะเราเห็นแล้วนะคะ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตรงรู้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยเราต้องใช้สมาธิแล้วค่ะเนาะอยู่ดีวันหนึง่งเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ไหมนะคะจิตใจวันหนึ่งเราเปลี่ยนแปลง ย, ย, ย, ยังไงนะคะถ้าเราทุกคนรู้ได้เราก็คงไม่ต้องมีกฎหมายในแต่ละประเทศ ล, ละละนะคะแต่ความที่เราไม่สามารถรู้ได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเราเป็นชาวพุทธวันหนึ่งเราสนใจแล้วเข้ามาศึกษานะคะเราก็ลงมือสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหมดเลยนะคะวันหนึ่งเข้ามานะคะทำอะไรก่อนค่ะ ทำสมาธิก่อนแล้วละ่นะเนาะสมาธิเป็นยังไงไม่รู้ด้วยมีกี่แบบก็ไม่ทราบที่นี้ก็ให้เราทําอะไรเราทําเลยเหมาะกับเราเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้สิ่งนี้แหละที่เราจะต้องศึกษาจริงๆสิ่งที่ชาวพุทธขานเนี่ยมากๆเลยนะคะคือเราไม่ศึกษาก่อนเพราะไม่มีที่ไหนให้เราศึกษาด้วยอันนี้จริงจริงนะคะอ่านไปแล้วยังไม่เข้าใจอะ่ะนึกออกไหมคะาศาสนาพุทธถึงเป็นาศาสนาที่คุณไม่สามารถเข้าใจด้วยการอ่านหรือฟังถ้าตรัใดคุณไม่สามารถลงมือปฏิบัติ แล้วบอกฉันอ่านทุกวันเลยฉันฟังทุกวันเลยนะคะแล้วเข้าใจอันนั้นเข้าสมองไปเรียบร้อยได้เลยคะได้ความจําเป็นช่วงๆบางช่วงก็ลืมเพราะคุณจําแล้วคุณก็ลืมแต่วันหนึ่งคุณลงมือด้วยการปฏิบัติเนี่ยคุณเห็นสภาวะนั้นเนี่ยด้วยตัวเองเห็นโมโหรู้รู้ทันโมโหนเนี่ยดับในสภาวะนี้ในห้องนี้ใครเห็นบ้างไหมคะยกมือได้เลยคะ่ะใครเคยเห็นสภาวะแล้วเกิดระดับอันนั้นอนะ่ะคือสิ่งที่คุณแจ้งด้วยตัวเองวันหนึ่งที่คุณแจ้งคุณจําเลย คุณไม่ต้องมานั่งด้วยสมองหละวันนี้พูดถึงคุณก็ยังนึกได้ใช่ไหมคะอ๋อมันดับจริงๆนะเราเห็นตรงนี้แหละแล้วเราถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคําสอนของพระพุทธองค์พิสูจน์ด้วยตนเองในเวลาที่ไม่เนิ่นช้าถ้าเราไม่เข้าใจหลักสิ่งที่มาีวันนี้นะคะตั้งใจจะบอกกับทุกท่านเนี่ยก็คือเข้าใจหลักให้ได้ก่อนนะคะถ้าคุณเข้าใจหลักสิ่งที่คุณจะได้มาคือไม่เนิ่นช้าไม่ใช่หปีผ่านไปสาปีผ่านไปเหมือนเดิมเลยตัว น, นิ่งสงบ เฉยเหมือนเดิมนะคะท่านทั้งหลายนะคะนักภาวนามีฝากนิดนึงนะคะเมื่อไหรที่เราภาวนาแล้วเรารู้สึกมันยากนะรู้สึกมันยากรู้สึกมันอึดอัดรู้สึกว่าไม่สบายให้เรามีข้อสังเกตสักนิดหนึง่งเราต้องทําอะไรผิดแล้วละ่ะพระเจ้าจะไม่สอนอะไรที่ยากจะไม่สอนอะไรที่มันอึดอัดจะไม่สอนอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะท่านไหนที่รู้สึกเริ่มเคลิมนะคะหายใจแรงขึ้นมานีนิดหนึ่งยาคาสติค่ะ ถ้าเราฝึกให้มันมีโมหะครอบอยู่เรื่อยๆนะคะโมหะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วทั้งปีทั้งชาติเมื่อไหร่เราฟังธรรมล้วนั่งสมาธิปุ๊บก็เราก็ได้ป๊อกแล้วได้สงบแป๊บแล้วก็สลบละนะคะอันนี้เราคือเราซ้อมให้เกิดการขาดสตินะคะซ้อมให้โมหะมันเกิดอันนี้เรามาศึกษาค่ะนะคะในซีดีหลวงพ่อจะมีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะสมาธินะคะมีอะไรบ้างนะคะสมาธิตัวไหนทําแล้วเกิดอะไร สมาธิที่เราจะทำเนี่ยเราทําไว้วัตถุประสงค์สองประการอันดับแรกเพื่ออะไรคะให้จิตมีกําลังจิตจะมีกําลังได้จิตต้องพักใช่ไหมคะไม่ใช่ตะบี้ตะบันทําโดยที่เราไม่เข้าใจเลยอ่านะคะอันที่สองเพื่อเตรียมความพร้อมของจิตให้เดินปัญญาได้เพื่อเดินปัญญาเพื่อเพื่อมาเห็นตามความเป็นจริงของกายกับใจแล้วทําไมล่ะเราจะมาเห็นความจริงของกายกับใจเพื่ออะไร เมื่อเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของกายกับใจจะจิตจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันจึงวางนะคะเมื่อมันวางแล้วมันถึงจะพ้นทุกข์ได้นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่ได้เตรียมจิตให้เราพร้อมเพื่อเดินปัญญาเพื่อไปเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของกายกับใจเมื่อรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงคลายกําหนัดเมื่อคลายกําหนัดแล้วจึงพ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์แล้วเราถึงจะรู้ว่านัคือพ้นทุกข์แล้วนะคะ เพราะนั้นสมาธิสองตัวนี้นะคะจําเป็นสมาธิตัวแรกเรามีวิธีนะคะว่าทํำยังไงให้จิตมันมีกําลังโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยจิตจะมีกําลังจิตต้องพักคราวนี้พักกับอะไรล่ะพักกับสิ่งที่จิตมีความสุขนะคะเช่นท่านที่ชอบพุโทโธชอบพุโทโธแล้วรู้ลมอ่ะเราก็อยู่กับพุทโธแล้วรู้ลมนะคะแล้วก็ล้อมใช้คําว่าน้อมนะคะน้อมหมายความว่าไม่ใช่ต้องไปบังคับให้มันอยู่กับมันเช่น พูดข้าโทรออกทํายังไงมันก็ไม่สงบสักทีพูดโทพูดโธเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบคุณบังคับจิตเรียบร้อยแล้วจิตไม่สงบหรอกโดยธรรมชาติเพราะจิตไม่มีความสุขแล้วธรรมชาตินักภาวนาส่วนใหญ่เราจะมุ่งสู่ความสงบเดี๋ยวเราจะดูนะคะตั้งแต่คําถามคนแรกนะคะไปถึงคนสุดท้ายต้องการจิตสงบต้องการจิตไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ไม่ไดพูดดักไว้ก่อนนะคะต้องทํายังไงให้มีสติทํายังไงให้รู้สึกตัวทั้งหมดสี่อันเนี้นะคะ ที่นักภาวนาทั้งหลายมุ่งไปสู่อันนี้สี่อย่างเนี่ยนั่นคือความเข้าใจของเราว่าทำยังไงให้ไฟเนี่ยไม่ร้อนทำได้ไหมคะไม่ได้แต่นักภาวนาจะทำนะคะมือชั้นไหนก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่เมื่อเรารู้ทันเนี่ยอันนั้นดับเมื่อทันทีที่จิตที่เราต้องการที่จะอสู่ความสงบเนี่ยเรารู้ทันปุ๊บมันดับนะคะพอดับเสร็จสิ่งที่เราได้คืออะไรคะจิตตั้งมั่นขึ้นมา สติเกิดเรียบร้อยแล้วเพราะเรารู้ว่ารู้ทันความอยากเรานะคะเพราะนั้นจะเห็นแล้วนะคะสมาธิที่เราทำยังไงให้มันเกิดกำลังนะคะนั่นหมายความว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอันนี้ในพระไตรปิฎกบอกชัดเจนนะคะเพราะนั้นเราหาว่าตัวเราชอบอะไร จิตมันชอบอะไรนะคะบางคนชอบมือหลวงพ่อเทียนแต่ส่วนใหญ่ที่มารีเห็นคนยกหรือมือหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันมันไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกมันไปเพ่งที่มือมันไหลไปที่มือเรียบร้อยเพราะมันกังวลว่าจากท่านนี้จะไปท่านนี้แล้วมันจะไม่ถูกหนังสือเอาไหมคะแต่ถ้าเราแค่ยกอย่างเงี้ยเดีอยวยงอย่างที่ใครเคยฟังหลวงพ่อเนี่ยแค่พัดอย่างเงี้ยเรารู้สึกตัวแล้วะทุกคนลองยกมือดูสิคะแกง่วงหน่อยแกง่วงหน่อยนะคะอ่าอ่าลองหลับตาค่ะตอนนี้ยังโบกมืออยู่หลับตา เรารู้สึกไหมมันมีบางอย่างเคลื่อนไหวความรู้สึกที่เราไปรู้ทันความเคลื่อนไหวอันนี้นะคะอันนี้คือนามคือจิตอันนี้ถ้าเราหลับตาเราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้รู้ด้วยวตาเราแต่เรารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันเคลื่อนไหวไอ้ตรงบางสิ่งบางอย่างนี่คืออะไรคะได้ค่ะเอามือลงได้ค่ะบางสิ่งบางอย่างนี่คืออะไรรูปคือกายที่เราเห็นเราเห็นเรียบร้อยแล้วจิตที่ไปรู้ว่าอันนี้มันเคลื่อนไหวอันนี้คือจิตคือนามนะคะอันนี้เราเห็นเลยว่ากายอันนึงจิตอันหนึ่ง นะคะถ้าวันนึงเราลงมือภาวนาเราก็จะเห็นแล้วว่าจิตต้องมีความสุขนะคะสมาธิถึงเกิดได้นะคะถ้าเรานั่งปุ๊บนะคะนั่งปุ๊บอัดลมเลยในขณะที่อัดอัดยังไงไม่พอต้องสงบด้วยจิตขณะนั้นเป็นไงคะเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วแล้วทุกวันเนี่ยเราเอาจิตที่เป็นอกุศลมานั่งทําสมาธิเกิดไหมคะเกิดเกิดแบบมึดฉาสมาธิเพราะเราต้องบังคับมัน เพราะใจที่ระวังนะคะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานธรรมะทั้งปวงสําเร็จลงด้วยใจนะคะเพราะนั้นระวังใจให้ถูกก่อนนะคะถ้าเราบอกว่านั่งสมาธิปุ๊บเอาสงบสิ่งที่คุณได้คุณก็ต้องบังคับมันแต่ถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าเรานั่งสมาธิเพื่ออะไรหรือเดินจงกรมเพื่ออะไร15นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงทุกวันเพื่อมาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายและใจะมาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายและใจนะคะแต่ก่อนที่มันจะไปเรียนรู้ความเป็นจริงของกายครับใจละะ เรารู้ที่พักของจิตก่อนนะคะว่าทํำยังไงสมาที่ตัวไหนทําแล้วจิตมีกําลังนะคะเช่นท่านดูพุโทโธพุทธข้าว่ธออกถ้าจิตมันชอบมันจะอยู่ตรงนี้นะคะคราวนี้บางท่านนะคะถ้าชอบอนาปนาสติอย่างที่หลวงพ่อสอนเราจะเห็นเลยนะคะร่างกายเนี้ยเราหายใจอยู่แล้วนะคะเราแค่กลับมาสังเกตมันกลับมาดูเขาเท่านั้นแหละทุกคนมีใครไหมคะไม่หายใจไม่แต่วันนึงเรารู้ไหมเราลมหายใจเข้าออกยาวยังไง สั้นยาวยังไงไม่รู้เรารู้ทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้สิงคโปร์เขาประชุมอะไรกันเนาะอ่าใครไม่รู้มังไงไม้งมีไหยคะอืมคุณไประธานบีทรัมม์นะคะกับดิฉัเกาหลีเหนือเขาไปทำอะไรเรารู้หมดเลยนั่นอยู่ถึงสิงคโปร์แต่กายใจเราขนาดเนี้ยนะที่เราหายใจเข้าหายใจออกทั้งวันเนี่ยเราลืมมันนะคะแล้วก็แค่พาจิตมันมาดูเล่นๆ น, นะคะอ้าวนั้นเธอมาดูสิร่างกายมันหายใจยังไงนะคะ ถ้าเราเห็นสังเกตเนี่ยถ้าเราเห็นได้ตรงนี้เราจะเห็นเลยน้องใส่แว่นอันนี้บังครับรู้สึกไหมเราตั้งใจอ่านะคะหายใจธรรมดาทั้งวันไหมเราหายใจเราหายใจแท่นั้นเรากลับมาดูตรงนั้นนะคะกลับมาเห็นร่างกายเนี่ยหายใจตามที่มันทั้งวันนี่แหละแต่แค่พามันมาดูอ่าพอมันพามันดูถ้าคนที่ชอบอันนี้ก็สามารถทาได้นะคะท่านที่ชอบเดินจงกรมนะคะ เห็นกุ้งเล่อนไหวใจเป็นคนดูมีเองถูกจริตกับการเดินเพราะเราเริ่มภาวนาเนี่ยดึกละนะคะห้าทุ่มไปแล้วอย่างเงี้ยมานั่งสิ่งที่เราเจอคืออะไรคะสงบแ ป, ป๊บแล้วก็สลบละแล้วถ้าเราซ้อมอย่างนี้ทุกวันมันก็คงไม่รู้จะพบไหนเนาะที่มันจะพ้นทุกได้เราก็เลยต้องหานะคะสิ่งหนึ่งสมาธิเรารู้แล้วนะคะว่าหาที่จิตมันชอบจิตมีความสุขแต่ความสุขอันนั้นต้องประกอบด้วยกุศลด้วยนะคะ นักตกปลาเนี่ยมีสมาธิไหมโหมีแต่เป็นกุศลไหมไม่เป็นเนาะ ม, มือปืนเนี่ยจะไปยิงใครสักคนนี้ต้องมีสมาธิเนาะแต่ไม่ประกอบด้วยกุศลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาเครื่องอยู่ของเรานะคะจิตต้องมีความสุขสมาธิถึงเกิดเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะคะอันนั้นแหละคือสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนแต่ละท่านต้องหาด้วยตัวเองนะคะแต่ทั้งหมดทั้งนั้นในสมาธินั้นต้องเนื่องด้วยกายกับใจเนาะ ไม่ใช่อยู่ข้างนอกเช่นการทํากระสินอันนี้มันยากนะคะถ้าวันหนึ่งมันจะกลับเข้ามาหากายหาใจได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกายในใจมันง่ายนิดนึงนะคะจากนั้นเราทํำยังไงะจิตหนึ่งอารมณ์หนึ่งละนะคะถ้าเราทําให้จิตมีกําลังเนาะจิตหนึ่งอารมณ์หนึ่งพูดเข้าโทออกหรือถ้าไม่มีก็เห็นร่างกายในหายใจเข้าร่างกายในหายใจออกเราเป็นคนดูอะอันเนี้ยถ้าจิตมันมีความสุขมันก็จะอยู่ตรงนี้เป็นพักๆได้นะคะ จากนั้นเมื่อมีกําลังพอแล้วเราไม่เอาจิตนั้นนิ่งเฉยเฉยนักภาวนาส่วนใหญ่จะมาติดอยู่ทุ่ตรงนี้แล้วค่ะพอมันมีความสุขเสร็จแล้วมันจะนิ่งเฉยเฉยแล้วโล่งๆว่างๆสบายมีคำ ว, ว่าสบายแต่สบายแบบนี้ไม่ใช่สบายไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบานนะคะแต่สบายไม่ไปไหนแล้วนะคะอันนี้ติดอยู่ละนะคะครันนี้ถ้าถามว่าจะไม่ติดได้ยังไงนะคะตรงที่เวลาจิตเราพักพอแล้วมันเริ่มนิ่ง เราเริ่มทำยังไงคะเราไม่อยู่นิ่งๆละนะคะอย่างเช่นเรานั่งอยู่เราเห็นร่างกายนิหายใจเข้าร่างกายนิหายใจออกทันทีมีเสียงดังตุ๊บขึ้นมาเราเห็นเลยจิตเคลื่อนจิตไหลนะคะเรานั่งอยู่ไปสักพักหนึ่งเราเห็นอะไรคะเราไม่ได้เห็นแค่ร่างกายนิหายใจเข้าร่างกายนิหายใจออกแล้วเราเห็นจิตมันฟุ้งซา่านเห็นจิตไหลไปนี่แหละคือจิตที่มันเคลื่อนไปนะคะสักพักมันเป็นยังไงกลับมาเห็นร่างกายใหม่กลับมาดูร่างกายใหม่สักพักเป็นยังไงมันมาเห็นเลยว่าอ๋อไอ้จิตที่มันเคลื่อนเนี่ยมันเคลื่อนเอง สักพักเห็นจิตที่สงบจิตที่สงบสงบเองสักพักเกิดอะไรขึ้นนะจิตปิติเราเ็เห็นเลยจิตก็ปิติเองแล้วเราจะเห็นเลยว่าทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ยปิติเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ได้ต่างกับความสงบความสงบนั้นก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความฟุ้งซ่านก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าทั้งความฟุ้งซ่านทั้งปิติทั้งจิตที่สงบต่างเกิดขึ้นเองอันนี้ถ้าท่านที่ภาวนา พิสูจน์ด้วยตัวเองได้ถูกไหมคะนั่งแทบตายจะเอาสงบมันไม่สงบสัทีมันฟุง้งบังคับฟุ้งได้ไหมคะไม่ได้แต่นักภาวนาจะ บ, าบังคับอืมก็เลยเกิดนักเพ่งขึ้นมานะคะมีตั้งแตง่นั่นักเพ่ ง, เ ล, งเล่นเพ่งเพ่งพอเป็นมืออาชีพนะคะแต่ต่อไปไม่เป็นมืออาชีพเลยเป็นโปรตรงนี้ก็ต้องมานั่งแกะนั่งแคะกัน นะคะส่วนใหญ่เราก็จะติดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะเตรียมความพร้อมของจิตให้ขึ้นมาเดินปัญญาอย่างไรนะคะซึ่งเราเรียกของตัวนี้ว่าจิตที่ทําแล้วมีกําลังนะคะจิตหนึ่งอารมณ์หนึ่งเราเรียกว่าอารามณูปนิชานนะคะจิตที่เราเห็นละร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกสักพักมันไม่อยู่กับความสงบที่เราเห็นสักพักมันไม่อยู่กับลมหายใจมันไหลไปคิดอ่ะมันไหลไปฟังอ่ะมันไหลกลับมาดูร่างกายใหม่ เราเห็นความเมื่อยเราเห็นแล้วความเมื่อยก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ได้ต่างกับปิติไม่ได้ต่างกับความสงบไม่ได้ต่างกับความฟุ้งซ่านนะคะแต่เราเห็นจิตมันไหลจิตมันเคลื่อนจนกระทั่งจิตเนี่ยมันเข้าใจโอมันไหลมันไหลได้เองอ่ะฉันไม่ให้มันสงบเหรอฉันอยากสงบแต่มันไม่ยอมสงบอ่ะมันไหลไปคิดอ้าสักพักยังไงพอสงบแล้วยังไงมันทํำงบแป๊บเดียวอ่ะมันไหลไปคิดอีกแล้วเราก็เห็นสงบก็บังคับไม่ได้เออฟุ้งซ่านนี่ก็บังคับไม่ได้อันนี้จิตทําเองทั้งหมด อันนี้เราเห็นซ้อมแบบนี้ทุกวันเลยนะคะอันนี้คือหมายความว่าในสมาในสภาวะของสมาธิที่เราฝึกไปเรื่อยๆสิ่งที่เราจะได้เราจะได้ตัวนี้นะคะแล้วทําไมตัวนี้จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมตัวนี้คือตัวสุดยอดของการที่จะใช้เจริญสติในชีวิตประจํำวันเพราะในขณะที่เราทําสมาธินะคะเพื่อให้เดินปัญญาได้มีสภาวะความตั้งมั่นของจิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจิตมันไหลจิตมันเคลื่อน ในชีวิตประจําวันที่เราอยู่กับโลกจิตก็ไหลยอย่างนี้จิตก็เคลื่อนแบบนี้รู้สึกไหมค ะ, ะเดี๋ยววันนี้ลูกคุยรู้เรื่องมีความสุขเราเห็นใจที่มีความสุขไหลไปดูลูกด้วยความในตาที่มีความสุขคุยไม่รู้เรื่องเป็นยังไงคะอะจิตทุกและหรือผลสอบออกมาไม่ดีเห็นได้ใช่ไหมค ะ, ะเราเห็นอย่างเงี้ยจิตมันไหลจิตไปเคลื่อนทุกครั้งที่จิตไปทํางานนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงจิตทุกดวงคือมีความสุขชอบไม่ชอบ ดูเฉยๆนะคะอันนี้ถ้าเรารู้ทันได้เรารู้ทันนะคะเบื้องปลายจะไปถึงตรงนั้นนะค ะ, ะแต่เบื้องต้นเราจะเห็นแค่จิตมันไหลจิตมันเคลื่อนจิตมันไหลจิตมันเคลื่อนจากการที่เราซ้อมสภาวะที่มีจิตตั้งมัน่นไม่ใช่สมาธิที่สงบเฉยๆนะคะมาถึงตรงนี้ใครมีคําถามไหมคะถามก่อนเพราะว่าขึ้นงงเยอะเริ่มงงงงรู้ตรงๆเลยคะ่ะว่างงเพราะตอนนั้นคือความจริงของเราที่มันงงย้อนเข้ามาเลยสงสัย งงพี่มารีพูดอะไรนะคะคือท่านที่ไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อต้องบอกว่ายากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เคยแต่ถ้าเราเราซ้อมไปเรื่อยนะคะเราฟังไปเรื่อยๆจิตเนี่ยมันอัศจรรย์ทําไมมารีถึงแนะนําให้ฟังซีดีหลวงพ่อนะคะอย่างเราเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะคะเราไม่เคยรู้หรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราพูดภาษาคนได้เมื่อไหร่นะคะแต่คนข้างตัวเรานะคะพี่ป้าหน้าเอาเอาตั้งแต่พ่อแม่ก่อนก็เฝ้าคุยกับเราไปเรื่อยๆ เรียกพ่อเรียกแม่นะจนวันหนึ่งมันพูดออกมาได้นะคะจิตเหมือนกันค่ะเราฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่จิตมันฟังนะคะมันสะสมไปเรื่อยๆเวลาที่เราลงมือปฏิบัติทำกันเรามาเรียนรู้ธรรมากันเราไม่ได้กางหนังสือมาอ่านเนาะนะคะเราเอาจิตนี้มาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเวลาภาวนาไปจะเห็นชัดสมองมันก็รู้ของมันเนาะเฮ้ยจิตมันบังคับไม่ได้แต่วันหนึ่งลงมือภาวนายังไงต้องสงบสิวะ ทำไมมันไม่สงบไม่ใช่สงบจะ ต, ต้องสีวาด้วยนะทําไมมันไม่สงบมันฟุ้งทั้งวันเลยอันนี้ด้วยความไม่เข้าใจของเรานะคะเหมือนที่มาริบอกแนหะถ้าเราเอาสงบจิตต้องสงบจิตต้องรู้ตัวจิตต้องมีสติจิตต้องตั้งมัน่นแม้กระทั่งจิตตั้งมั่นเราก็ไม่เอาเนาะค่ะนั่นหมายความว่าเราทํายังไงไฟต้องไม่ร้อนสินะคะให้คิดถึงตรงนี้เลยแล้วเราจะรู้ว่ามันทําไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของจิตหลวงปู่ดูลบอกธรรมชาติของจิตมีหน้าที่ส่งออก ธรรมชาติของจิตมีหน้าที่ฟุ้งนะคะตอนนี้เรารู้แล้วนะคะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันจะรู้ได้อยู่ดีไม่ได้นะคะต้องซ้อมนะคะต้องฝึกนะคะชาวพุทธเราต้องฝึกนะคะเราถึงจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมันได้เห็นเพื่ออะไรอ่ะเรามารู้เลยเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นเลยจิตที่สงบสงบเองจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเองร่างกายที่เมื่อกี้มันนั่งมันไม่ปวดมันปวดขึ้นมาเองปวดไปสักพักเราเห็นไหม เราขยับพอขยับแล้วเรามีความสุขแป๊บหนึ่งจากนั้นเป็นยังไงเมื่อยต่อนะคะเราสังเกตเลยนะคะในสองชั่วโมงที่เราอยู่กันในห้องเนี้ยขยับกันไปกี่ครั้งนี่ตัวเราเองเนาะเราคอยสังเกตตัวนี้เรื่อยๆแล้วเราจะพบว่ากายเนี้ยไม่ใช่เราบังคับได้ไหมไม่ได้ถูกไหมบังคับให้มันไม่เมื่อยได้ไหมไม่ได้มันเมื่อยบังคับไม่ให้มันปวดท้องได้ไหมถ้ามันปวดไม่ได้บังคับถ้ามันอยากเข้าห้องน้ําบังคับได้ไหมไม่ได้ ะะเห็นจิตใจเลยปวดท้องตังบลห้ามความหงุดหงิดได้ไห ม, มไปรักเขาเขาไม่รักด้วยเป็นไงแซดอกหักเนาะไม่มีความสุขบังคับได้ไหมที่จะใจจะไม่รักเขาแป๊บหนึ่งก็คิดถึงแล้วอะ่ะนะคะเดี๋ยวดูนะคะถ้าตอนใกล้ๆเที่ยงอะ่ะสิ่งที่เราจะเห็นอะไรคะจะกินอะไรดีอ่าเราจะเห็นจิตเนี้ยมันไหลอ ย, อย่างเงี้ยทั้งวันเลยแล้วเป็นภาระไหม ถ้าดูไปเรื่อยๆเราจะพบภาระมากเลยจะกินอะไรดีในแต่ละมื้อเราจะเห็นเลยจิตนี้บังคับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรากายนี้ก็บังคับไม่ได้เพราะไม่ใช่เราเพราะนั้นวันหนึ่งเราอยู่ในโลกใบนี้วันหนึงความทุกข์นิฐาโถมมาทําไงจิตมันทุกข์อะบังคับได้ไหมไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งนั้นเราจะเห็นเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไงคะเกิดแล้วมันดับในสมาธิที่เรานั่งจิตได้ไหลไปฟุ้งเป็นไงคะมันเกิดไปแล้วมันก็ดับมันกลับมาสงบใหม่มันสงบอยู่แป๊บเดียว มันทำไงต่อคะอะ๋มันไหลไปดูร่างกายแทนมันไม่อยู่ที่ความสงบแล้วความสงบนั้นดับมาเห็นร่างกายแทนห้อยนั่งกายปุ๊บไหลไปคิดอีกอ่ะเห็นร่างกายปุ๊บไหลไปกงังวลอ่าเราจะเห็นเลยบางทีคิดเฉยๆบางทีกงังวลมีความกังวลพ่วงเข้ามาด้วยบางทีมีสงสัยนะคะเราเห็นสภาวะอย่างเงี้ยแต่เราจะเห็นเลยทุกสภาวะแม้กระทั่งปิติที่เราเกิดในสมาธิที่พวกเราชอบทั้งหลายเลยเนี่ยนะคะุดท้ายมันก็ดับถ้าเราดูเป็นนะคะ แต่นักภาวนาถ้าเพ่งอยู่นะคะพอปิติมาเป็นยังไงอยู่กับปิติเลยรักษาปิติตัวนี้แล้วอยากให้ปิติเกิดอยากให้แต่ความสงบเกิดอยากให้แต่ความโล่งๆเกิดนะคะอันนี้เรารักษามันทั้งหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่นักภาวนาแบบเพ่งมาเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายและใจนะคะแต่ถ้าเราภาวนาอย่างที่รู้ตามความเป็นจริงของมันได้เราจะเห็นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับบังคับไม่ได้ เพราะอะไรกายไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เรามันเปลี่ยนแปลงของมันเองไปทั้งวันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคอยสังเกตอยู่เนืองๆไม่ใช่ต้องรู้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยเมื่อไหร่ที่เราเห็นตามความเป็นจริงได้จุดนี้ตรงนี้เราถึงจะขึ้นวิปัสสนากรรมฐานได้จริงแต่ส่วนใหญ่นักภาวนาพอไปเดินจงกรมนั่งสมาธิได้สักสองชั่วโมง3ชั่วโมงฉันขึ้นมีปัสสนาแล้วโดยที่เราไม่เข้าใจว่าวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นยังไง ท่านเหล่านี้ท่านเพ่งนะคะนักเพ่งทั้งหลายแหล่ไม่ใช่ท่านที่รู้กายรู้ใจไม่ได้นะท่านเหล่านี้รู้กายรู้ใจได้มากกว่าคนปกตินะคะแต่ท่านไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายและใจการถ้าเราไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายและใจนั่นหมายความว่าเราไม่ไม่เห็น HH, ความเป็นจริงของกายและใจนะคะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียบร้อยละด้วยจิตที่ตั้งมัน่นอันนี้มิก็บอกไปแล้วทำยังไง สมาที่ที่จะทําให้เกิดความตั้งมั่นได้จิตเคลื่อนไปรู้หาสมาธิขึ้นมากองหนึ่งนะคะหากรรมฐานขึ้นมาสักตัวหนึ่งแต่แทนที่จะอยู่กับกรรมฐานนั้นด้วยความสุขพอมันอยู่ความสุขความสงบพอแล้วเราจะสังเกตเห็นจิตที่มันไหลไปทํางานต่างๆนะคะแต่เรามีที่อยู่ของมันไหลไปแล้วรู้เราก็กลับมาเริ่มร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกใหม่เราเดินจงกรมเดินไปสักพักมันไม่เห็นแต่ร่างกายมันไหลไปคิดไหลไปคิดแป๊บหนึ่งมาลงมาที่เท้า ลงที่เท้าเป็นยังไงสักพักมันเห็นร่างกายทั้งร่างกายพอไปถ้าละเอียดไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นร่างกายนี้มันเคลื่อนมันหายใจด้วยในระหว่างที่เราเดินได้นะคะไอ้ตรงนี้ทั้งหมดแหละเราจะเห็นสิ่งที่มันเคลื่อนสิ่งที่มันไหลตามความเป็นจริงของมันนะคะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเรียบร้อยละความเป็นกลางจะเกิดเป็นกลางตรงนี้แหละที่เราจะเห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้นะคะจิตมันจะไหลมันไหลเองจิตนี้จะสงบมันสงบเองในชีวิตประจำวันจิตมันกังวลมันกังวลเอง จิตมันเครียดมันเครียดเองจิตมันไม่มีความสุขเราเห็นไม่มีความสุขจิตที่มันอยากได้อ่ะเราก็เห็นว่าใจมันอยากได้วันหนึ่งความทุกข์ข้อนี้ถาโถมเข้ามาเราไม่รู้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่สิ่งที่เราซ้อมอย่างนี้ทุกวันเราจะมีวัคซีนอยู่ในตัวเองนะคะพอความทุกข์มาเรารู้อ๋อมันเกิดแล้วมันก็ดับความกังวลมามันเกิดแล้วมันก็ดับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเรารู้ลงปัจจุบันขณะนะคะเรารู้ลงปัจจุบันขณะนะคะ จากนั้นความสุขบางวันยังไงคะไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งมีความสุขดูออเจ้าอย่างเงี้ยเนาะเอามีความสุขความสุขดับไหมออเจ้าหายไปยังคะตอนนี้เราก็จะเห็นเลยอันนี้มันก็ดับเพราะฉนั้นความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดแล้วก็ดับวันหนึ่งความทุกข์มาเราไม่ทุรนทุรายแล้วอาจจะข้าควรบ้างนะคะถ้าเหตุ น, นั้นมันรุนแรงเช่นแม่ตายอะ่ะนึกออกไหมอะ่ะแม่เราตายอย่างเงี้ยทุกไหมทุกแต่เราจะสั้นลง จากคนที่ทุกข์มากมายไก่กองสิ่งที่เรายังทุกข์ไหมทุกข์นะคะเราอยู่กับความทุกข์นั้นแต่ความทุกข์นั้นจะค่อยๆสั้นลงนะคะวันหนึ่งความสุขมาเราอินน้อยลงเราก็รู้ ม, ม, มันมาแล้ว ก, ก็ดับไปอะ่ะแกเป่าเค้กวันนี้วันเกิดใช่ไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรแล้ะเราจะรู้เลยความสุขก็ไม่ได้ถาวรเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ยึดในคํำว่าความสุขไม่ได้ขวนขวายไม่ได้ไขว่คว้าหาความสุข ในขณะที่เราเจอความทุกข์เราก็ไม่ได้ผลักมันออกไปนะคะเราจะอยู่เหมือนอะไรคะดอกบัวดอกบัวเกิดในตมไหมมันเปื้อนน้ํำไหมน้ําสักหยดก็หยดไม่ได้มันก็ไหลลงนะคะเราอยู่อย่างนั้นเลยค่ะเราภาวนาทั้งหมดเราไม่ได้หนีทุกข์เราไม่ได้หนีทุกข์ น, กนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณหนีทุกข์คุณหนีโลกเราปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรทุกข์อยู่ที่ไหนที่อห่างยิงมีกายที่ไหนจ ม, มีใจก็เป็นทุกข์เพราะอะไรคะว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันหานั้นเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้านะท่านพระองค์เนี้ยท่านเมตตาท่านสอนเราซื่อๆนะแต่พวกเราไม่ค่อยซื่อกับตัวเองเพราะอะไรอันไหนเราชอบเราก็เอาอันนั้นอันไหนเราไม่ชอบเราก็ผลักมันออกไปนะคะเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเมา่อไวันนี้มีความสุขโอโลกนี้สีชมพูเนาะสีเบาๆ บ, บางๆนะคะเป็นพาสเทลวันไหนเป็นไงเครียดโอ้โหสีแดงยังไม่พอเลยนึกออกไหมมันจะต้องไปปะฉาดากระชาวบ้านเขาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเนาะแต่ถ้าวันนึงเราเข้าใจตรงนี้ เราอยู่กับทุกข์ค่ะภาวนาแล้วน่ะเรายังอยู่กับทุกข์แต่เราอยู่กับทุกข์โดยที่เราไม่ทุกข์เพราะทุกข์นั้นมันไม่เข้ามาถึงใจเราอะ่ะมันรู้ว่ามาแล้วมันก็ไปสิ่งใดมามันก็ไปอืแต่ไม่ใช่หมายความว่าอ๋อลูกติดยาอ๋อมันก็ไปไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ในความหมายนี้นะคะต้องแก้ ส, ει, เเนนกสิเราเป็นนี่อ๋อเดี๋ยวนี่มาแล้วก็ไปมันไม่มาค่ะมันไม่ไปนะมันมาพร้อมดอกเบี้ยอันนี้ต้องแก้ค่ะแต่เราจะแก้ด้วยสติและปัญญาและเรามองมันอย่าง เป็นกลางมันจะไม่ได้บายแอดละ่ะเพราะเรารู้อ่ะปัญหามันก็คือปัญหาไม่ใช่ความทุกข์นะคะแต่เวลาถ้าเราอยู่ในโลกแล้วเราไม่มีสติวันไหนนะคะทุกข์กับปัญหารวมกันเลยเป็นก้อนเราคือกูตอนนี้กูเครียดแล้วทําไงนะคะแต่วันหนึ่งสติเราดีสมาธิเราดีเราฝึกไปเรื่อยๆ เ, เราจะพบว่าอ๋อนี่คือปัญหาปัญหานี้ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้หรอกได้แค่นี้แหละอะปัญหานี้อ๋ อ, อมันหนึ่งถึงห้ามันต้องทําทีละขณะอ่าปัญหานี้หรอ ทิ้งมันไว้เงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้ในแต่ละอันนะคะแต่เราจะไม่ได้ไปแอดนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอันนี้คือองค์ธรรมของพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราภาวนากันแทบเป็นแทบตายเรามาดูองค์ธรรมพระโสดาบันมีแบบนี้เราเดินแบบนี้ไหมคะ แต่ถ้าวันหนึ่งนั่งสมาธินี้เอาสงบอย่างเดียวเลยไม่ไปไหนต้องนิ่งต้องรู้สึกตัวต้องมีสติจิตต้องตั้งมั่นเราเป็นอย่างนั้นไหมเราถามตัวเรานะคะวิธีที่ถามตัวเราให้หลวงพ่อสอนอย่างเงี้ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรามีสติไหมก่อนอันดับแรกก่อนอ่ก็โมโหอยู่รู้ว่าโมโหอ่ะอ่ <c oughs> อันนี้มีสติเรียบร้อยทาไมมันไม่หายอ่าเรารู้ตามความเป็นจริงไหม ถ้าเราบอกว่าอทำไมมันไม่หายเพราะอะไรถ้าเรายังดูสิ่งที่โกรธอยู่ดูคนที่ทําให้เราโกรธอยู่หายไหมคะไม่หายอะ่ะเพราะอะไรจิตดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วฉันอยากฉันอยากหายจิตดวงใหม่คือโลภะแต่เรารู้ไหมเรารู้เรารู้ผิดตัวเรายังไปดูตัว โ, โกรธยังไปดูตัวสิ่งที่ทําให้เรากโกรธในขณะนั้นเราลืมสติตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเพราะความอยากเกิดแหละถ้าเรารู้ทันความอยากเราอยากหายมันดับเลยคะ่ะดับมันทุ ก, ท ก, ทกๆตัวที่เราเคยเห็นถ้าเราดูถูกนะคะ การที่เราดูถูกหมายความว่าไงหมายความว่าเรารู้ลงปัจจุบันขณะถ้าเรารู้ลงปัจจุบันขณะจะไม่พลาดนะคะอันนี้คือตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่เราเข้าใจธรรมะเบื้องต้นได้จะพบว่ามันไม่ยากนะคะแล้ววันหนึ่งถ้าเราภาวนาเรามีหลักนะคะมียกตัวอย่างง่ายๆนะหลักตรงเนี้ยหมายความว่าเอ้ยต้องตรงเป๊ะเลยเหรอคะต้องไม่พลาดจากตรงนี้เลยคะ่ะไม่ใช่แต่เมื่ อ, อไรเราพลาดออกไปเรามีหลักเรากลับมาที่หลักได้ นะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างลรงจอดรถเนี่ยเนี่ยตั้งแต่โรงเรียนรุ่นรุนปากทางเข้ามามันจะมีทั้งแบบมีมีขีดไว้มีตีช่องกับแบบจอดได้ตามสบายนึกออกไหมค ะ, ะแบบจอดตามสบายก็จอดกันไปบางที่จอดเสร็จจะเข้าอีกสักคันหนึ่งก็ไม่ได้แต่ถ้ามันจอดมีระเบียบเนี่ยนะมันจอดได้อีกสามคันนะอันนี้เราจะเห็นได้ง่ายแต่ถ้ามีช่องเราช่องจอดตรงกลางช่องเป๊ะเลยไหมคะไม่ต้องแต่เรารู้ว่าพอถอยเข้าไปอ๋อ เออมันกินซ้ายไปมันกินขวาไปแต่เรารู้ว่ามันยังอยู่ในช่องหลักนี้เหมือนกันค่ะเราไม่ได้ภาวนาว่าเฮ้ยต้องถูกเป๊ะเพราะว่าถ้ามีหลักแล้วต้องอยู่ในหลักเลยไม่ใช่แต่เมื่อไหรเราพลาดไปนะคะเรากลับมาที่หลักได้สิ่งที่เราได้เราจะไม่เนื่นช้าถ้าเรามีหลักของการภาวนานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่ท่านสงสัยนะคะนักภาวนาเนี่ยถ้าฟังซีดีหลวงพ่อโประโมทอยู่แล้วนะคะเมื่อไหรที่ติดขัดข้อธรรมะใดๆสิ่งที่มูลีแนะนํานะคะ คนส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่าทุกท่านเนะะี่ยค่ะติดปุ๊บเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะคะนึกถึงหลวงพ่อตามมาหยิบซีดีใส่เข้าไปเลยค่ะมีคําตอบทุกคําตอบมีคําตอบคําตอบเมื่อวานเนี่ยทําทําครัวอยู่แม่บ้านท้องเราก็บอกเธอฟังเทศไปนะเออเธอสวดมนต์ไปนะหลวงพ่อเทศแท็กคนท้องอยู่อ่ะคุณเชื่อไหม <laughs> อันนี้นะอึง้งตัวเองอึง้งไปเหมือนกันบอกนี่ไงหลวงพ่อเทศเรื่องท้องเนี่ยเธอฟังไปด้วยเลยอืม มันไม่มีควาว่าบังเอิญ น, นะคะถ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะรู้เลยว่ามันมีเหตุทุกเรื่องนะคะถึงตรงนี้ก่อนจะขึ้นคำถามมีใครอยากถามก่อนไหมคะถ้าไม่มีเราจะเริ่มจากคาถามของแต่ละท่านนะคะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าบังเอิญเอ้ยตรงนี้เราอาจจะค้างอยู่นะคะอ้าวว่าไงเชิญเลยคะ่ะขอบคุณมาลีคะ่ะวันนี้จะมาขอโอกาสให้ลูกอะคะ่ะ พอดีก็ฟังซีดีกับลูกมาสักสามสี่ปีแล้วทุกเช้านะคะมีลูกคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนไปเลยในทางลูกก็คือเขาเรียงง่ายไปเลยแต่ว่าในทางทมที่คนเป็นแม่มองแลวใกล้คิดคิดว่าเขาติดอะไรสักอย่างนึงใช่ค่ะคือยิ้มหวานก่อนลูกอ่ะออยยหไหนมองหน้าคุณป้า ก, ก่อนเด็กๆนะคะมลรีไม่แนะนำ ให้บังคับนะคะอันนี้ใครมีลูกหลานที่บ้านอย่าคิดว่าเอ๊ะลูกๆมาฟังหลานมาฟังนะคะ<ม>อยู่ในรถเราฟังเขาก็ฟังไปเขาไม่ฟังเรื่องของเขาแต่ถ้าเราบังคับเด็กเนี่ยจะต่อต้านครันนี้เด็กเนี่ยความที่เขาเป็นเด็กเนาะเขาจะเก็บไป <c oughs> คือเก็บไว้ในที่นี้ยเดี๋ยวต้องดูเป็นแบบๆแบบกันนะคะ <c oughs> เพราะมันจะไม่มีแพทเทิร์นสำเร็จรูป <c oughs> แต่อันดับแรกนะคะถ้าเราสังเกตลูกเรา ภาวนาแล้วมีความสุขไหมพวกเราเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเราภาวนาแล้วเรโมโหร้ายนี่เราต้องคิดแ่ะเกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> ไม่ภาวนาแล้วโมโหร้ายเออทําไมมัน <c oughs> มีคําว่าร้ายกว่าเดิมด้วยนะบางคนงท่านบวกๆไปอีกนะคะ <c oughs> ภาวนาแล้วมีความสุขไหมถามตัวเองก่อนหรือมันเครียดหรือมันนิ่งๆ <c oughs> หรือมันเฉยๆหรือมันซึมๆน้องเนี่ยเข้าข่ายซึมอืทื่อ อย่างเนี้ยให้เรารู้เลยว่าทําอะไรผิดสักอย่างแล้วละ่ะอืมอนนเหมือนกับเขาไปติดกับความกลัวกลัวเหมือนกับช่วงหลังเขาจะมาถามเรื่องศีลบ่อยมากค่ะถามเรื่องศีลค่ ะ, ะแล้วปกติเขาฟังซีดีหลวงพ่อไหมฟังค่ะฟังมาตั้งนานแล้วค่ะฟังก็ฟังเหมือนกับว่าฟังเรื่อยๆแต่เหมือนกัว่าพอเขาเริ่มโตมากเงี่ยอันนี้คือจิตที่เขามีความฉุกเห็นไหมเพราะเขาเคลื่อนไหวแต่ถ้ามา่อไหร่เนี่ยเห็นไหมพอเขาคิดว่าภาวนาปุ๊บเขารวบจิตเลยอืมอืม พอเขานึกอึงการปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะจิตเขาก็จะไปนิ่งๆแบบเนี้ยอืมอันนี้เดี๋ยวคุยนอกรอบได้ไหมได้ค่ะเขาเด็กนี่คงต้องเนี้ยเนี่ยดูดูแพทเทิร์นสามคนของคุณเนี่ยเนี้ยน้องนี่น้องนี่ก็าภาวนาเหรอครับใช่ไหมอ่ะคือคำว่าภาวนาของคุณในเด็กสามคนเนี่ยทำอะไรคะเ อ, อ่อฟังซีดีหลวงพ่อประโม่นะคะแลวรูปแบบอะคะเ อ, อ่อไม่ได้มีรูปแบบ ที่แบบเปร ป, ปแต่ว่าก่อนนอนจะให้สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอะคะอ่ะตรงนั่งสมาธิแหละนั่งแบบไหนคะก็คุณพ่อเขาจะคุณ พ, พ่อพาทำใช่ไหมอะงั้นเดี๋ยวเราต้องคุยกันทั้งครอบครัวเนาะค่ ะ, ะพราะคือจากประสบการณ์ตัวเองนะคะถ้าเราภาวนาผิดเนี่ยมันบ้าได้นะปล่อยเด็กเป็นธรรมชาตินะคะคนทุกอย่างในโลกใบ น, นี้มันมีเส้นทางเดินของแต่ละคนนะคะแต่วันหนึ่งเราไปเร่งเนี่ย มันเหมือนต้นไม้นะ่ะเราอยากให้มันโตเราอยากให้มันออกดอกเราใส่ปุ๋ยสุดท้ายต้นไม้ตายนะคะเด็กต้องเป็นธรรมชาตินะคะแล้วพอเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเนี่ยเพราะตัวเองมีลูกนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเด็กผู้ชายเนี่ยตอนท่วงเจ็ดขวบเนี่ยมันคือสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดเป็นยังไงเราบอกซ้ายมันจะเอาขวาเราบอกขวามันจะเอาซ้ายอันนี้ธรรมาชาติของเด็ก เราก็ต้องอ่านจิตวิทยาของเด็กอ๋อเด็กตอนนี้มันเป็นแบบเราอยากได้ขวาเราก็บอกมันใช้มันเอาขวาจริงๆจบจบเลยอ่าจะเป็นจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เราคุยออกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะด้วยฮอร์โมนนะคะพราะเด็กผู้หญิงสิบเอ็ดจะเป็นสาวแลว้เราก็ต้องศึกษา ว, ว่าเด็กเป็นสาวต้องทํำยังไงมื่อวนเองก็ผ่านเป็นมือคุณแม่มาแบบนี้ค่ะต้องเปิดใจลูกต้อเปิดใจยังไงอ่าเราต้องหาว่าเขาชอบอะไรเขาชอบอะไรอ่านะคะชอบแล้วปุ๊บอ่า เราสนใจลราคุยกับเขาเขารู้สึกแล้วแม่พวกเดียวกับเรามีคําว่าพวกเดียวกับเราต่อไปเขาจะไม่มีอะไรปิดเรานะคะแต่เรารู้สึกว่าอันนี้ดีเราต้องให้เขาทําให้ดีย้อนถามตัวเราตอนลราอายุเท่านี้เราเป็นแบบนี้ไหมเรายังไม่รู้เรื่องอเลยเรามารู้ธรรมะ ต, ตอนไหนมีามารู้ตอนสามสิบกว่าแล้วค่ะอืมแล้วยังไงล่ะถูกไหมแต่ถ้าเราบังคับตรงนี้มันเหมือนเราเราทําให้ผลไม้มันสุกก่อนเวลาเนี่ยนะคะ บ่อยเด็กยังธรรมชาติแต่เขาคุ้นเคยกับคุณพ่อคุณแม่การสวดมนต์ไหว้พระในบ้านเป็นสมาธิฏฐินะคะสบายๆก็โอเคเนาะแต่ถ้าเราพาเขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างที่บอกอะคะ่ะกรรมาฐานทุกคนต้องหาด้วยตัวเองนะคะแต่และคนชอบไม่เหมือนกันถามว่าลูกคนสาคนเนี่ยทานข้าวเนี่ยรสชาติอาหารชอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนธรรมะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วธรรมะยิ่งอันตรายเพราะมันเป็นเฉพาะตัว ธรรมะนี้เป็นเฉพาะตัวเลยนะคะอืมส่วนใหญ่แต่ละสำนักเนี่ยสอนแม้หมดทุกคนต้องทําเหมือนกันแต่ของหลวงพ่อเ น, นี่ยธรรมะเฉพาะคนเลยอืมนะคะเ น, นคุนมาลีค่ะคือตอนเนี้ยจิตอ่อนแอมากคือรู้สึกตัวคะ่ะหายใจนั่งให้สบายก่อนอย่าลืมความสุขเนาะถ้าเรามีความสุขปุ๊บสมาธิมันเกิดเลยเราดูร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกหายใจเข้ามาที่ตัวเลยค่ะ เวลานักภาวนานะคะเราดูจิตไม่รู้เรื่องเช่นอย่างเงี้ยมองมองมองัวมัวเศ้าเ้าเห็นร่างกายก่อนมิจิเห็นร่างกายไม่ต้องทำอะไรขยับมือนีย้ละคะ่ะเห็นร่างกายเรียบร้อยละเวลาในที่ประชุมแค่นี้ก็ได้คะ่ะท่นี้ต้องนั่งประชุมเนาะแค่นี้เรารู้สึกตัวเรียบร้อยละขยับเลยคะ่ะกำมือแน่นแน่นละคะ่ะแบร์สบายๆทาสบายๆค้อเขาก็ได้คะ่ะอย่าให้อารมณ์มันครอบจิตเรานะคะ ยิ้หวานก่อนตัวอะไระไรออ้องไห้อยู่ตัวอะไรร้องไห้อืกายร้องไห้ค่ะอ่าเราดูซิตัวอะไรร้องไห้หยิบได้เลยค่ะเราดูสี่ตัวอะไรนั่งอยู่นี่กลับมารู้ไก่ละนะคะเราดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วเครียดไปหมดทุกไปหมดแล้วห้องประชุมก็ไม่รู้เรื่องแล้วหยิบแก้วกาแฟเลยค่ะหยิบแก้วน้ําอันนี้คือเทคนิคนะคะที่เอาเอาตัวรอดก่อนตั้งสติในห้องประชุมก่อน หยิบแก้วน้ํามั่งขยับตัวมั่งมีปากกาขยับได้หมดเลยค่ะอืนี่เองเนี่ยมาอย่างเงี้ยนี่ก็จะมีของตัวเองเพราะอะไรมันมันแหลมแหลมทำให้เรารู้สึกตัวง่ายนิดนึงนะคะจับอย่างนี้เรียบเรียบมันมันเรียบไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราก็มีวิธีนะคะที่จะเอาตัวรอดในแต่ละวันที่เราต้องเจอวุ่นวายมากมายไก่กองนะคะอืม อา้สึกตัวแล้วเห็นอะไรตัวไหนเศร้าจิตมันเศร้าใช่ไหมไม่ใช่เราเศร้าเรารู้ตรงๆเลยค่ะอยากถามอะไรหายใจแรงๆแล้วก็พ่นไปเลยค่ะสามครั้งลากลมหายใจเบาๆเวลาเราอยู่กับโลกนะคะหลวงปู่เทศจะมีสอนเทคนิคหลวงพ่อก็เอามาถ่ายทอดให้เราฟังนะคะนั่งให้สบายก่อนอย่าลืมนะคะหายใจมาแล้วกั้นไว้นิดหนึ่งแล้วอยู่ตรงความนิ่งนั่นนะคะรู้สึกถึงความนิ่งตรงนั้นะ แล้วค่อยคลายออกมาอันนี้เป็น power bank ของจิตชาร์จปุ๊บติดเลยค่ะสังเกตนะคะลองทําดูได้จะเห็นเลยจิตมีกําลังขึ้นมาทันทีเห็นได้ไหมคะพี่ผู้ชายลองสังเกตรหรือเปล่าคะลองทําดูหรือเปล่าอยู่ตรงความนิ่งนั้นแล้วก็คลายออกมานะคะเราทําได้แต่อย่าบ่อยนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมันต้องนั่งแล้วมันเหนื่อยแต่เรานั่งแค่ว่าตอนนี้จิตไม่มีแรงและอย่างเมื่อกี้เนี่ยจิตไม่มีแรงอันนี้สอนเทคนิคให้เห็นไหมคะเห็นมีกําลังขึ้นมาไหม โอเคตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอจิตมีกำลังปุ๊บอารมณ์มันจะครอบรังไ่ได้อารมณ์นี้ประกอบด้วยกิเลสต่างๆนะคะเช่นโมโหเสียใจหงุดหงิดอย่างเงี้ยอ่ถ้าเราไม่ไหวละเราใช้ตรงนี้ชาร์จขึ้นมานิดนึงค่ะอ่อยากถามอะไรคะเชิญค่ะก็อยากจะมันมีความอยากอ ะ, ค, ะค่ะค่ะอยากทำให้จิตมีแรงขึ้นอ่าก็เลยตั้งใจจะภาวนาทุกวันค่ะก็คือนั่งสมาธิทุกวันค่ะแต่นั่งแล้วมันก็ ไหลอ่ะ อ, อ๋อไรไม่เป็นไรค่ะเหมือนมันไม่ตั้งมั่นขึ้นมามก็จะอาจจะเพราะว่าคือพอมันตอนกลงคืนแล้วมันก็จะเหนื่อยแล้ว อ, อย่างที่คุณมารีบอกก็เลยเหมือนจิตก็จะแบบคือมันถลาลงไปเหมือนไม่มีไม่มีแรงไม่มีแรงค่ ะ, คะต้องทำยังไงบ้างนักภาวนานะคะภาวนาในสิ่งที่ตัวเรามีทรัพยากรเรามีอะไรเราภาวนาแบบนั้นเช่นเช้าไม่เหมาะกับเรานะคะเราต้องภาวนาตอนไหนเราต้องหาในหนึ่งวันเนี้ยอันไหนเหมาะกับเรา เป็นช่วงๆก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องรวดเดียวไปนะคะอย่างเมีเนี่ยมีปัญหาตัวเองเจอคือถ้าอินนี้เช้ามานะคะมานั่งภาวนาทำไม่ได้เลยเพราะพอลืมตาปุ๊บงานมันเต็มหัวไปหมดแล้วจิตไม่มีทางเลยนะคะแต่พอกลางคืนเนี่ยเราหมดภาระทุกอย่างแล้วครอบครัวการงานทุกอย่างละอาหารการกินจบและ ว, วันนี้ปิดฉากเวลาของเราละตรงนั้นคือเวลาของเราเมื่อไหร่คือจิตมันมีความสุขอ่ะสมาธิเกิดง่ายแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูถ้าเช้าเราทําแล้วเราไม่ไหวนะคะจิตมันจะคอยเคลิ้มง่ายๆบางท่านเนี่ยตื่นแต่เช้ามาทําเลยนะคะยังไม่ตื่นเลยอ่ะคือตื่นตัวตัวน่ยตื่นแต่จิตยังไม่ตื่นเลยค่ะจิตยังอยู่บนเตียงพอมาทําไม่ไหววันก็จะเคลิมแล้วก็ยิ้มลงไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยจิตก็ไม่มีกําลังนะคะอืมอันนี้ปกติใช้อะไรอะคะพุทโธค่ะใช้พุทโธลมอยู่ไหนคะ ลมอยู่ที่จมูกจมูกนะคะสิ่งที่หลวงพ่อแนะนำเรานะคะถ้าเราทําอนาปนาสติแล้วลมอยู่ที่ปลายจมูกส่วนใหญ่จะไม่พ้นการเพ่งนะคะเพราะเราดูลมตรงๆเนี่ยโดยที่เราไม่เข้าใจว่าเวลาที่สมาธิทาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะละเอียดขึ้นพอละเอียดขึ้นปุ๊บเนี่ยลมจะหายแต่ระวังใจว่าต้องรู้สึกตัวพอลมหายทาไงคะอัดลมใหม่ ท้ายมันกลายเป็นเพ่งเพ่งไปเรื่อยๆเพราะจะเอารู้สึกตัวจะไม่ได้เอาความเป็นจริงว่าอ้อจิตมันสงบแป๊บหบนึ่งมันพักเออสักพักมันก็ไม่สงบแล้วมันก็ไหลไปคิดมันก็ฟุ้งต่ออีกละอ่ะสักพักก็กลับมาสงบแต่เราเอาสงบใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องอัดต้องบังคับลมตลอดเพื่อรู้สึกตัวอืมเพื่อไม่ให้เผลออ่ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูลมตรงๆมันจะมันจะอดไม่ได้หรอกค่ะที่ที่มันจะบังคับเห็นไหมคะจมูกครังเนี้ย ลมมันจะเข้าตลอดอย่างนั้นนะคะคราว น, นี้เอาไงดี <c oughs> คําถามนะคะคือเมื่อกี้ที่ถามเนี่ยถ้ามันเคิร์ฟอย่างนี้ต้องดูว่าเวลาเราโอเคไหมสอวิธีการนั้นเนี่ยเรามีความสุขจริงไหมถ้าเราไม่มีความสุขสมาธิเกิดไม่ได้นะคะลําพังนะถ้าสมาธิสองตัวระหว่างจิตมีกําลังกับจิตตั้งมั่นเนี่ยคุณทําตัวแรกไม่เป็นยังดีกว่าอีกนะเพราะอย่างน้อยจิตเคลื่อนจิตไหลจิตเรารู้นะคะแล้วพักแป๊บ แต่ถ้าคุณเอาจิตมีกําลังและจะพยายามให้มันสงบด้วยนะคะมันจะไม่เหมาะกับพวกเราเลยในยุคนี้เพราะว่ามันโอกาสจะทํามันยากเพราะยาก ส, สุดท้ายเราจะต้องเป็นนักเพ่ง<ม>อืมเพราะเราต้องบังคับอัดลมแต่ถ้าเราบอกอาลมเราเห็นร่างกายในหายใจเข้าร่างกายในเฉพาะไหลไปคิดเรารู้<ม>จิตเคลื่อนละจิตไหลแล้วเรารู้นะคะจิตทันทีที่คุณไม่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าคุณรู้ทันสภาวะว่าจิตขณะนี้ไม่ตั้งมั่นทันทีนั้นความไม่ตั้งมั่นจะดับความตั้งมั่นจะเกิดแทน จิตที่ไม่ตั้งมั่นดับแล้วจิตที่ตั้งมั่นรู้เน้อรู้ตัวเกิดขึ้นเรียบร้อยนะคะสภาวะของสมาธิที่มีความตั้งมั่นเนี่ยมันประกอบด้วยความสงบด้วยนะอะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันมีความตั้งมั่นอย่างเดียวมันสงบและตั้งมั่นด้วยแต่ถ้าสมาวะสภาวะของการที่เราเอาจิตมีกำลังเนี่ยจิตมันจะมีแต่ความสงบแต่มีสตินะคะไม่ได้ขาดสติแต่ไม่มีความตั้งมั่นเพราะมันอยู่กับหนึ่งอารมณ์หนึ่งจิตหนึ่งแต่ถ้าเราทํา ตัวสภาวักความตั้งมั่นแล้เห็นพุโทโธพุโทโธสักพักไหลไปคิดรู้พุโทโธพุโทโธสักพักไหลมาดูร่างกายเรารู้อันนี้เป็นต้นคือจิตที่เคลื่อนจิตที่ไหลจิตที่ตั้งมั่นทันทีที่คุณรู้ว่าไหลปุ๊บจิตตั้งมั่น ท, ทันทีเราไม่ต้องไปลบความฟุ้งซ่านออกไม่ได้ลบที่จิตไหลออกนะคะเพราะธรรมชาติเนี่ยจิตมันทําของมันเองอยู่แล้วนะคะมันยังไม่ได้เริ่มที่จะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นหนึ่งเลยอะคะ่ะค่ะมันฟุ้งซ่านไปหมดเลยมันไหลลงไปเลยอะคะ่ะเพราะจิตไม่มีกําลัง ในสภาวะที่นั่งอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเรายังไม่ตื่นเลยอ่ะหรือเปล่าหรือเรา ง, ง่วงอ น, อ น, น, นอนใช่ค่ะมันง่วงค่ะเราจะมีสองอันนี้แหละค่ะวันนั้นเราก็ดูสิคะว่าอันไหนเหมาะกับเราก่อนอืมก็ต้องไปหาลองทํไปหลายหลายอย่างใช่คือวิธีทำนะคะสมมุติคุณทําอันนึงเนี่ยอย่าเปลี่ยนทุกวันก็มาทานแล้วไม่เปลี่ยนรายวั น, นนะคะถ้าคุณเปลี่ยนรายวันนี้ยุ่งเลยนะคะแล้วทำดูชักอันเนี้สองอาทิตย์เป็นยังไงถ้าทำแล้วสติก็ไม่เกิดมีแต่ความง่วงมีแต่เคลิ้มนะคะ อันนี้ต้องเปลี่ยนเลยค่ะวิธีเปลี่ยนก็เลิกไปเลยนะคะเสร็จแล้วคุณจะลองเดินจงกร ม, มไหมลองดูนะคะถ้าเดินจงกรมหลวงพ่อจะสอนรูปนี้เคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดู <S <S เวลาที่เราเดินเนี่ยนะคะเราไม่ได้เดินแต่เทา้ารู้สึกใช่ไหมคะตัวนี้เราเดินไปด้วยกันเวลาที่เราเดินในชีวิตประจำวันนะคะกรรมฐานเนี่ยต้องใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงนะคะถ้ากรรมฐานที่เรายังใช้ในชีวิตประจําวันไม่จริงเนี่ยให้เราไปสังเกตดู เรามีการแทรกแซงจิตใจหรือเปล่ามีการบังคับร่างกายอยู่หรือเปล่ามันถึงใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้นะคะการเดินจงกรมในชีวิตประจําวันถ้าการเดินจงกรมในรูปแบบคุณทําถูกนะคะในชีวิตประจําวันเนี่ยแค่คุณขยับจะลุกเนี่ยรู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่โต๊ะทางานเซนเขยับตัวรู้ทันทีเลยนะคะเพราะเดินจงกรมการเดินจงกรมเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เคลื่อนไหวอ้าวดูโทรศัพท์ก่อนค่ะ มีใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้สำรวจมือถือตัวเองไหมค ะ, ะ, คะถ้ายังไรลองสำรวจดูก่อนนะค ะ, ะคะ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวกลับไปดูเวลามันเหมาะไหมถ้ามันไม่เหมาะลองดูนะคะแล้วกรรมฐานนั้นะเหมาะกับเราในแง่ของการที่จะทำให้เราเกิดภาวะว่จิตตั้งมั่นได้จริงไหมนะคะค่ะจะลองกลับไปเดินจรงกลมค่ะฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ไหมคะฟังบ้างค่ ะ, ะถ้าฟังบ้างจิตจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าฟังทุกวันจิตจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้สแกนนีนก็จะรู้ทันทีว่าอันเนี้ยไม่ได้ฟังแน่นอนคือมลีแนะนํานะใครที่จะถามจากนี้ไปถ้าท่านยังไม่ได้ฟังทีดีหลวงพ่อเป็นประจําแล้วยังไม่ได้คิดว่าแนวเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะเดินจริงๆมลีไม่แนะนําให้ถามเพราะมันเสียหายกับเจ้าตัวมากเลยเพราะคุณจะกลับไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณมีอยู่มันเทียบเคียงตลอดอะพอเทียบเคียงตลอดเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้นะคะ เพราะสุดท้ายคุณผลิตหลักสูตรตัวเองขึ้นมาไม่ใช่หลักสูตรพระพ เ, เจ้าออันนี้ดีอันนี้ใช่อันนี้ถูกอันนี้ก็ชอบนะรวมมาเป็นของเราเออันนี้โดยของเราเองนะด้วยสมองนะคะไม่งั้นหลวงปู่มั่นจะไม่บอกเลยค่ะท่านบอกเลยว่าธรรมะเนี่ยเมื่อสู่จิตบุตุชนเป็นสัตธรรมปฏิรูปหมดเพราะเราคิดแล้วเราก็ลงมือทําแบบเนี้ยเราคิดว่าอันนี้ใช่เออจะเอาสงบเนี่ยใช่จะเอาจิตตั้งมั่นจะเอามีสติต้องไม่ฟุ้งซ่าน แล้วเราลงมือแล้วเราทําแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจหลักจริงๆพระไตรปิฎกเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกอันไหนเลยว่าจะต้องเป็นยังไงจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคานั่งอยู่ให้รู้ชัดยืนอยู่ก็ให้รู้ชัดได้สู้ได้ชื่อว่าปารบความเพียรแล้วแต่พวกเราเข้าใจว่าเราต้องเดินจงกรมวันละสามชั่วโมงอะ่ะนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงทุกวั น, นอย่างเนี้ยถึงจะปารบความเพียรนะคะทุกท่านที่นั่งอยู่ในขณะเนี่ยถ้าเราเห็นร่างกายนี้มันนั่งอืม เห็นร่ากายนในหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสักพักมันไหลไปคิดแล้วเนี่ยตอนนี้วูบออกไปหมดเห็นไหมคะเนี่ยปรบความเพียรแล้วถ้าเราทําอย่างนี้เนืองเดือนบ่อยๆสติจะเกิดจากสติไม่มีนะคะมันเริ่มมีสติเกิดขึ้นจากสติเกิดขึ้นเราท้อมทําสมาธิขึ้นมาจิตไหลจิตเคลื่อนมันจะกลายเป็นสติอัตโนมัติการที่คุณเห็นจิตไหลจิตเคลื่อนไม่ใช่แค่สติอัตโนมั ต, ต, ติเกิดสภาวะของสมาธิที่ประกอบด้วยความตั้งมัน่นตั้งมั่นไม่พอมันกลายเป็นสมาธิตั้งมั่นที่เป็นอัตโนมัติ นะคะสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติแล้วนะคะจากนั้นปัญญามันจะเดินของมันเองเราทำไม่ได้นะคะปัญญาเนี่ยเราทำให้เกิดไม่ได้สติก็ทำให้เกิดไม่ได้นะคะเรามีหน้าที่ทำเหตุเหตุของสติคืออะไร เกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นสภาวะของอะไรของกายในใจเราเคอยสังเกตกายเราอยู่ตัวนี้นั่งตัวนี้อาบน้ำเคยได้ยินไหมคะตัวนี้อาบน้ำตัวนี้แปรงฟันล้างหน้าหวีผมแต่งตัวเราเห็นร่างกายตัวนี้เคลื่อนไปทาปากเราเห็นอ่ะทาแป้งเราเห็นเราเห็นเคลื่อนไปจิตใจเดี๋ยวก็โมโ oh, หเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ลำคาญมีทุกทุกอย่างเลยในแต่ละวันเราสังเกตไปเรื่อยเรื่เรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆตรงนี้แหะคะ่ะพอเกิดอันนี้ปุ๊บดับเกิดอันนี้ปุ๊บดับสิ่งที่เราได้มาอะไรคะ ศีลบริสุทธิ์ทําแท้เกิดคิ่กลางอกบุญกับบาปเกิดที่ตรงนี้เรารู้ทันปุ๊บศีลเราจะบริสุทธิ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติทั้งหมดที่หลวงพ่อสอนสอนเรื่องอัตโนมัติหมดเลยค่ะไม่มีว่าต้องไปทําอย่างนั้นต้องไปทําอย่างนี้นะคะวิปัสสนากรรมฐานอันนึงที่พวกเรานะคะจําไว้เลยนะคะไม่มีคําว่าแก้ไม่มีคําคว่าเปลี่ยนไม่มีคําว่าต้องไม่มีคําว่าห้ามไม่มีคําว่าอย่ารู้กายรู้ใจยอย่างที่เขาเป็น รู้กายรู้ใจยอย่างที่เขาเป็นมันเพ่งเรารู้ว่าเพ่งเราไม่ได้แก้ว่าต้องห้ามเพ่งนะคะเออบางคนมาบอกหลวงพ่อบอกว่าห้ามเพ่งไม่ใช่ท่านบอกว่า <laughs> เพ่งเรารู้ว่าเพ่งความเพ่งนั้นจะดับความรู้สึกตัวจะเกิดนะคะเราดูแบบนี้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นคือสิ่งที่เราจะมุ่งไปสู่ตรงนี้นะคะเช่นนั่งสมาธิเราจะไปรู้ทันว่าจิตขณะนี้ฟุ้งซ่านไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อให้จิตไม่ฟุ้งซ่านอันนี้พวกเรานั่งปุ๊บจิตต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่ หลักของมันคือไปรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านทันทีที่คุณรู้ทันว่าความฟุ้งซ่านเกิดความฟุ้งซ่านดับความสงบเกิดสงบเสร็จยังไงมันก็ฟุ้งต่อจิตมันก็ไหลไปทํางานต่อเราก็มีหน้าที่เอามันไหลไปอีกอ่ะความฟุ้งซ่านที่เมื่อกี้มันเกิดดับความสงบดับวันนึงเราเห็นอย่างเงี้ยเกิดดับอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราจะยึดอะไรเพราะความจริงคือเรายึดอะไรไม่ได้เรารู้ได้แค่ปัจจุบันขณะที่มันเกิดนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ เผอิญว่าจะตรงกันข้ามกับ <c oughs> คุณแม่เมื่อสักครู่ค่ะคือแต่ก่อนคือรู้สึกตัวเพ่งเพ่งเยอะแล้วก็ในรูปแบบมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้ทําห่างห่างรูปแบบไปเลยแล้วก็นานๆทำทีค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าพอทำเนี่ยมันจะมันจะมีความรู้สึกว่าเพ่งแล้วก็อึดอัดแน่นบางทีก็ฟุง้งซ่าน ค, <ะ>คำถามนะคะไม่ต้องบอกสํานักนะคะ<ด>รูปแบบที่ทําใช้อะไรคะแต่ก่อนใช้พองยุบแต่ตอนนี้คือมาใช้พุทโธหนึ่งเดือนที่ผ่านมาใช้อะไรคะพุทโธค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําบ่อย<ค><ะ>ไม่เป็นไรคะ่ะพุทโธ<ค><ะ>ตรงไหน ค, ะค่ะพุทโธนี่คือบริกรรมหรือว่าดูร่างกายหายใจด้วย<ค><ะ>พุทโธแล้วก็ดูดูลมด<ค><ะ>ูลมลมอยู่ตรงไหนค่ะเข้าออกค่ะตรงจมูกเนาะส่วนใหญ่ฐานจะอยู่ที่จมูกค่ะค่ะอันนี้ไม่ได้ทําบ่อยแต่ทำครั้งละกี่นาทีคะโดยประมาณ ประมาณไปสิบห้าสิบสิบห้ายิบนาทีค่ะสิบห้ายี่สิบนาที<ะ>ครนี้คำถามที่อยากจะถามวันนี้คือคือจริงๆต้องในรูปคือควรจะในรูปแบบทุกวัน<ะ>ใช่ไหมคะคือถ้าวันหนึ่งนะคะเราไม่ทำสมาธิเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้มีริเกินไปอ่ะสมาธิเนี่ยเราทำด้วยกันสองแบบคือเอาจิตมาพักเพื่อให้มันมีแรงมีแรงเพื่ออะไรเพื่อที่จะขึ้นมาทำงาน ให้เกิดสภาวะสมาธิอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าจิตตั้งมั่นนะคะอันนี้ถ้าเราไม่ทำสองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนาะคราวนี้รูปแบบเนี่ยหลวงพ่อต้องบอกเลยว่าท่านไม่ได้บอกว่ า, าต้องทำเยอะๆนะคะวันหนึ่งท่านขอ15นาทีนะคะ15นาทีสําคัญคือความต่อเนื่องนะคะความต่อเนื่องที่เราทําทุกวันเราจะเห็นอะไรถ้าเราทําความต่อเนื่องเราจะเห็นเลยบางวันก็สงบ บางวันก็รู้ตัวดีบางวันไม่รู้อะไรเลยวันนี้เดินทั้งทั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อจิตที่ฟุ้งฟุงเองแล้วเราบังคับให้มันสงบไม่ได้ด้วยเราจะเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้แต่ถ้าเรานักภาวนาเนี่ยวันหนึ่งทําสมาธิเดินจงกรมจะเอาบังคับอย่างเดียวแล้วสุดท้ายได้เนี่ยได้กูเก่งอะ่ะกูบังคับได้ทุกวันเลยอะ่ะเออนะอันนี้อันนี้อันนั้ก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งคือมันไม่สามารถพ้นทุกได้เพราะในจิตขนาดที่คุณทํามันทุกอยู่แล้วอ ทุกที่จะต้องไปบังคับมันจิตที่ทํามันเครียดแล้วประกอบด้วยอกัสรอีกแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ถูกต้องใช่แต่เมรีจะบอกว่าสิ่งที่ผิดที่สุดของนักภาวนาเลยนะคะคือไม่ทําท่านทําผิดยังไงทําไปก่อนนะคะทําไปก่อนในที่นี้มันคือหมายความว่าถ้ารู้ว่ามันผิดก็หยุดไปเหนื่อยแล้วเอาว่างใหม่ทำมันก็ยังไม่รู้ทางใช่ไหมก็ก็ทําก่อนนะคะแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่แล้วเลิกไปเลย ต้องเลิกเลยนะคะแล้วสวดมวนต์แทนถ้าเรามั่นใจแล้วไม่มันผิดแน่ๆแล้วนะเลิกเลยค่ะเลิกเลยแต่ถ้าเรามันถูกไม่น่ามันไม่ใช่ไหมน่าทาก่อนทําก่อ น, อ, นอ่ะแต่ถ้าฟันทงแล้วนะด้วยใจเราเนี่ยยังมารีฟันทงตอนไหนรู้ไหมคะกรีดทั้งบ้านค่ะตัวเองนั่งร้องกรีดแล้วเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้านะ่ะอันนี้เรารู้เลยว่าผิดแน่นอนต้องเลิกค่ะมารีเลิกเลยเลิกแล้วเหลืออะไรสวดมนต์ค่อยๆสวดมนต์ เพราะสวนมนต์ยังไงใจมันไหลมันเคลื่อนปากมันขยับนะคะจิตมันสงบเป็นช่วงมันบังคับได้ไม่รุนแรงเท่ากับการที่เราต้องเดินนี่เดินอย่างเงี้ยเดินสามชั่วโมงเสร็จแล้วมานั่งต่ออีกสามชั่วโมงได้กูเก่งอย่างเดียวเลยกูทําได้หมดเลยคนอื่นเลวหมดอันนี้ดีฉันดีที่สุดแล้วค่ะเออเราจะได้ตัวนี้มาเพราะฉะนั <laughs> ้นถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่อะ่ะเลิกไอ้สิ่งที่คุณทํามาถูกแล้วเลิกไปเถอะอืมนะหาตัวเองใหม่ แล้วเวลาเดินนะคะบางทีคือเหมือนกับเดินแล้วเราเหมือนกับว่าเรามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะว่าตอนเนี้ยคือคือรู้รู้กับตัวเองว่ากำลังเดินแต่ว่าบางทีอาจจะแบบไหลไปที่เท้ามันได้ค่ะคือจิตเนี่ยมันพังคับไม่ได้หรอกค่ะว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนนะโดยธรรมชาติของมันนะคะอ่ะวันนี้มีทั้งคนใหม่คนเก่ามีจะเดินจงกรมให้ดูนะคะเพราะว่า จำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่าในห้องนี้ที่ทำอยู่เนี่ยเพ่งทั้งนั้นเลยนะคะมีเพ่งกับดิ้งมีสองอย่างเพราะนั้นเนี่ยถ้ากลับไปนั่งต่อนะคะมีจำว่ามันมันคงจะเคลื่อนยากเลยอะ่ะชื่ออะไรเอ่ยอะไรนะแจ็คแจ็คนิ่งนะรู้สึกไหมหเห็นไหมโทรศัพท์มันอยู่เนงเนืองข้างล่างอืม ถ้าเราภาวนาแล้วเข็นแต่นิ่งกับโทสะเนี่ยมีนจะต้องพูดอย่างนี้เลยมันผ่านมาแล้วนะมันทุกข์นะวันหนึ่งเราอยากค้นทุกข์เนี่ยแล้วเราเป็นชาวพุทธด้วยเจอพระพุทธเจ้านะคะแต่เรายังไม่เจอธรรมะของจริงๆเนี่ยนะคะเราสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราก่อนเบื้องต้นต่อไปเราสร้างความทุกข์ให้กับคนในครอบครัวอืมเพราะมันมันทํำไมเป็นแบบนี้ไปหมด บางบ้านนะคะภาวนาดีดีทั้งบ้านเลยผล่เมียตีกันอนะคุณนึกออกไหมจริงเพื่อนมาลีนี่แหละมีก็ช็อคซินีมาไปละอืมเราก็เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายลูกบางคนขายเหล้ามันเกิดอะไรขึ้นหนักเข้าไปอีกเราก็ยิ่งไม่เข้าใจหนักเข้าไปอีกอืมถ้ามันผิดทางมันผิดเลยนะคะอนะคะธรรมะเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะธรรมะมันเป็นเรื่องที่ ตัวเราแท้ๆเลยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตเนี่ยที่เราเห็นกายเห็นใจได้นะคะแต่คุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองธรรมะพระเจ้าเนี่ยไม่เนิ่นช้าถ้าคุณทำมาสามปีที่ผ่านมาลองทบทวนชีวิตตัวเองนะมีคิดว่านะคนเหมือนกับอะไรคะคนเหมือนบริษัทนะนิติบุคคลกับบุคคลเท่านั้นแหลคะค่ะทุกปีปิดบัญชีไหมคะหเดือนต้องทําไงคะส่งประเมินแล้วคะ่ะประเมินว่าปีนี้ทั้งปีเราจะต้องเท่าไหร่จ่ายภาษีใช่ไหมคะรัฐบาลก็ให้เราจ่ายประเมินไปล่วงหน้าแล้วนะ รับประเมยไหมคะหเดือนผ่านมาเนี่ยปีนี้เดือนนี้เดือนที่6แล้วน ะ, ะการโทวนาเราเป็นยังไงอะแต่ถ้าเราบอกเออแค่นี้ฉันก็พอโอเคนะเราถือว่าเป็นปุถุชนที่ดีในโลกใบ น, นี้ละพอแล้วจบฟอร์เวิร์ดถ้าเราไม่ได้คิดว่าเอ้ยอยากบรทุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีไอคอนสยามอ่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็มีล้งใช่โอ้มีอะไรให้เราดูบ้างมายเดี๋ยวอะไรสัมชุมก้าออกแล้วอ่เราสังเกตไหมอะทั้งหมด สิ่งที่เขาผลิตมาทั้งหมดเนี่ยมันสนองกิเลสมันสนองกิเลสพวกเราทั้งหมดแหละแต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราเอามาใช้แค่อยู่กับโลกยาจริงจังกับโลกตายไหมอะ่ะบางคนที่เขาจริงจังเขาเอายเยอะๆนะมากๆเนี่ยเขาลืมคิดว่าเขาต้องตายนะถูกไหมอ่าจริงๆนะร่างกายนี้ยังไงก็ต้องตายทิ้งในโลกเนี่ยเหลือแต่จิตตรงเดียวนี่แหละทั้งบาปบุญคุณโทษที่เราเอาจะข้ามไปที่เราจะเอาข้ามไป คุณทิ้งไว้ในโลกไม่พออีกสร้างปัญหาให้ลูกหลานขึ้นศาลกันเนาะเออเท่านั้นต้องพอแต่นี่ฉันไม่ได้อันนี้ต้องอันนี้อนโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าจริงจังกันโลกนะเรามาแล้วเราก็ไปละเหลือแต่จิตตัวเนี้ยที่เราจะพัฒนาไปนะคะคุณเห็นไหมวิชาการในโลกใบนี้อ่ะมันเรียนรู้ไม่หมดเรียนรู้ไม่หมดยังไงมันพัฒนาจากกระดานชนวนวันนี้เป็น iPad ถูกปะ่ะอ่ะใครที่เป็นอาจารย์สอนวิชวิาเครื่องกลทั้งหลายแหล่ วันนี้เป็นยังไงมันต้อง AI แล้วอะใช่ไหมอ่ะครูจะมานั่งเรียนประกอบเครื่องยนต์ประกอบไฟฟ้ามันไม่ทันแล้วถูกไหมคะทุกอย่างเทคโนโลยีเลยตอนนี้เหลือชิปชิปนิดเดียวตอนนี้เราไงอะต่อไปไม่มีเคอรี่แล้วนะมันใช้ดโดรนและโดรนส่งของส่งกับข้าวกันโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมคะอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องตามโลกเป็นตลอดแล้วงานในโลกใบนี้ก็เลยไม่สิ้นสุดเพราะมันพัฒนาไปตามกิเลสของมนุษย์แต่ งานในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คุณนับหนึ่งเก้าแรกวันนี้แล้วหาทางที่ถูกต้องของตัวเองนะว่าเราเหมาะกับอะไรสิ่งที่เรากําลังอยู่กับมันในทางกับธรรมะเนี่ยมันมีวันสิ้นสุดและจบแต่คุณอยู่ในโลกใบ น, นี้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะไอโฟนเขาออกให้คุณซื้อทุกปีเลยอะนะแต่ละปีแพงขึ้นและเขาแพงขึ้นคุณไม่ซื้อใช่ไหมยอดเขาตกเขาทําไงเขาปรับ OS มันใช่ของจริงไหมปรับ OS ให้คุณเครื่องคุณใช้ไม่ได้อะ และสุดท้ายคุณต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วอยู่ในโลกแบบนี้นะที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบแต่ก้าวแรกของพระพศาสนาคุณก้าวให้ถูกต้องก่อนก้าวด้วยการเรียนก่อนเรียนให้เข้าใจก่อนว่าพระเจ้าจริงสอนอะไรนะแล้วคุณหนึ่งจะรู้เลยถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรหลักมันคืออะไรเราเรียนตามหลักเนี่ยแล้วคุณท้าบด้วยตัวเองหนึ่งเดือนแล้วคุณวัดด้วยตัวเองเฮ้ยใช่หลวงพ่อสอนแบบนี้แล้วเราเดินตามที่ท่านสอนด้วยนะแต่ถ้าอ้าหลวงพ่อสอนแบบนี้ก็ถูกนะ แต่ผมว่าอันนี้ก็ดีเพื่อนผมมันไปทางนี้กันหมดเนี่ยเออนะแล้วเราก็เกาะกันไปคุณรู้ไหมอะไรที่ทำให้เนิ่นช้าเจ็ดอย่างเคยได้ยินไหมคะน้ำในมหาสมุทรพระพุทธองค์ท่านเปรียบเหมือนสัมมาทิฏฐิมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งลอยอยู่กลางแม่น้ำไม้ท่อนนี้คือจิตของเราถ้ามันไม่ติดอะไรเลยสุดท้ายไม้ท่อนนี้จะออกสู่มหาสมุทรีพูดผิดแม่น้าคงคาไม่ใช่มหาสมุทรแม่น้าคงคา แล้วมีไม้ท่อนหนึ่งนะคะไม้ท่อนนี้ไหลไปสุดท้ายออกที่มาสมุดนั่นคือ น, นิพพานแต่วันหนึ่งถ้าไม้ท่อนนี้มันติดติดฝังท้ายติดฝังขวากามาสุ ข, ขาลิยโยกอัตถกิยามาฐานิโย ก, การบังคับกายบังคับใจซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธเนี่ยเป็นทั้งหมดถามว่านักภาวนานะคะที่ไปถึงไหนแล้วก็ตามวันหนึ่งลงมือจะทําสมาธินั่งปุ๊บยังไงก็บังคับค่ะยังไงก็เพ่ง แต่ท่านรู้ว่าเพ่งเป็นยังไงอย่างเ ง, งี้ยยิงมือีนั่งปุ๊บเนี่ยนะคะนั่งปุ๊บเนี่ยเคยได้ยินคําว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไหมคะอะพวกเราจะไม่ค่อยเข้าใจแปลว่าอะไรมาถึงฉันนั่งสมาธิฉันนั่งเลยหายใจเข้าหายใจออกตัวนี้นั่งอยู่ก็ลืมไปแล้วยังไม่เห็นตัวเลยเหมือนเราเดินจงกรมว่าจงกรมเนี่ยนะคะเรารู้ทันก่อนเราจะเดินจงกรมเนี่ยเรารู้ทันก่อนตัวนี้ยืนอยู่ <logical S 2> รู้ตัวทั่วพร้อมเรียบร้อยละไอ้ตรงความรู้ว่าตัวนี้ยืนอยู่เนี่ยมันแค่ไหนนะคะ หลายๆที่ตึกอันนี้ไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อมเนอะเพราะตัวลืมไปแล้วเห็นแต่ผมเห็นแต่ตรงนี้มาตัวที่ทั้งตัวขาที่ยืนอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วอันนี้เพ่งค่ะมีผ่านมาแล้วค่ะเนาะยกเนี้ยมีเดินนะเดี๋ยวเดินให้ดูก็ได้นะถ้ามีเวลาครึ่งชั่วโมงเนี้ยเจ็ดเก้าเนี่ยเดินมาแล้วก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่หรอกถ้าเดินเจ็ดเก้าครึ่งชั่วโมงเนี้ยข้ามถนนไม่ได้นะ <laughs> ต้องเป็นศพอยู่บนถนนแน่นอน <laughs> ใช่ไหมอะ่ะเออเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมกันนะคะเราอายุมากขึ้นไปแล้วไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธินะคะเรานั่งสมาธิเลยเวลาเรานั่งเนะี่ยไม่เป็นไรนะคะกล้องจะทันไม่ทันไม่เป็นไรอย่างทุกวันนี้มีนั่งเก้าอี้แล้วคะ่ะไม่ไหวแล้วอืมก็จะนั่งก่อนที่เราจะดูร่างกายหายใจเนี่ยหรือจะดูลมเนี่ยเห็นก่อนตัวนี้นั่งอยู่อ่าทุกท่านลองรู้เลยคะ่ะตัวนี้นั่งอยู่อืม เห็นไหมต้องขยับเมื่อกี้นั่งอยู่ไหมเออลืมไปยังคะตัวเมื่อกี้ที่นั่งอยู่อะถ้าเรารู้ว่าเรานั่งอ่ะท่าไหนก็ได้ถูกไหมแต่เห็นไหมทุกคนตอนนี้เริ่มไม่ปกติใช่ไหมเมื่อกี้บอกเอานั่งอยู่ทุกคนเริ่มขยับกลับมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะว่าเออมันจริงแฮะทําไมเมื่อกี้มันนั่งอยู่ไหมอะแล้วนั่งท่านี้ทําสมาธิได้ไหมใช่เรารู้ตัวเรียบร้อยเรานั่งรออะไรสักอย่างนั่งประชุมอย่างเงี้ย อาพูก็พูดไปเราก็นั่งเราก็เห็นร่างกายเราหายใจเข้ายังพูดยังไม่เสร็จไอีนี่อีกนานเราก็ดูของเราไปเราถ้าพ่ออามีเสียงอา่างเราเห็นจิตไหลแล้วเห็นแล้วจิตเคลื่อนละตรงนี้เรารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วนะคะจิตในขณะเนี้ยที่มารีนั่งอยู่ใครดูเป็นนะคะใครดูจิตเป็นดูได้เลยเนี่ยคือความรู้สึกตัวมีแค่นี้อ่ะถ้าท่านไม่แน่ใจแล้วมันรู้สึกตัวมันแค่ไหนพยักหน้าขึ้นลงเลยค่ะอ่าแค่นี้แหละคือความรู้สึกตัวเรียบร้อยละสายหน้า อ, อย่างเมื่อกี้เมื่อกี้ให้ยกมือเห็นไหมคะเอายกมือโบอกมือได้เลยค่ะเนี่ยรู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วจำความรู้สึกอันนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่ามันหนักอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะมันเยอะมารีสแกนดูไม่ได้แต่ส่วนใหญ่จะโล่งๆอ่านะคะเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิหรือการเรารู้สึกตัวเนี่ยท่าไหนคือท่านั้นเ อ, อนั่งอยู่เออพิมารีนั่งเออก็นั่งอยู่ในท่านี้พอบอกเ อ, อาไหนลองนั่งพลบหมดเลย <laughs> เห็นไหมคะเพราะเรารู้สึกว่าการปฏิบัติต้องทําอะไรที่ไม่ธรรมดา ต้องทำอะไรที่ไม่ธรรมดาเพราะสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้คือต้องไม่ธรรมดาด้วยต้องไม่ธรรมดาด้วยเราก็คือบังคับทั้งหมดจิตท่านิ่งสงบคนมาด่าไม่ว่าไม่โกรธเลยเราจะมุ่งไปสู่อย่างนั้นเพราะคนไม่เข้าวัดคาดหวังคนเข้าวัดว่าต้องไม่โกรธต้องไม่โกรธต้องไม่โมโหโอ้เราไม่ใช่พระอรหันเนอะยังด่าได้อยู่นะแต่ด่าในใจ ไม่ล้นออกไปไม่ล้นออกไปนะถ้าเราฝึกให้มันล้นนะคะครั้งหนึ่งครั้งสองมันชินธรรมชาติของจิตคุ้นเคยกับอะไรมันจะไปเลยธรรมชาติของจิตเคยดา่าคาไม่สุภาพมันก็ไปตามนั้นนะคะธรรมชาติจิตเราอ่อนน้อมเราฝึกไปเราก็จะอ่อนน้อมนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนอันดับแรกไม่ว่าคุณจะนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งปุ๊บหลับตาอัดลมอันนี้ลืมไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากการนั่งสมาธิในขณะนั้นไม่รู้กายไม่รู้ใจละ ได้แต่การเพง่งแต่ถ้าเรารู้ให้สบายก่อนนั่งให้สบายขณะนี้สบายไหมเอาลองถามทุกท่านลองถามใจตัวเองดูสบายจริงไหมไม่เริ่มเลยค่ะเริ่มใหม่บกมือใหม่รีเซ็ตใหม่ยิ้มหวานใหม่หลวงพ่อจะใช้คําว่ายิ้มหวานนะคะรีเซตใหม่เลยค่ะจิตจะไม่ป ก, ปกติกันทุกคนละนั่งท่าไหนนั่งท่านั้นเลยค่ะไม่ต้องขยับเลยให้รู้เลยตัวนี้นั่งอยู่ท่านสังเกตไหมว่าท่านสบายกว่าเยอะเลยสังเกตไหมเนี่ยความรู้สึกจะสบาย จำความสบายอันนี้คะ่ะแล้วสังเกตดูว่าตอนนี้ร่างกายมันหายใจยังไงเอาเรามาดูเราเห็นไหมเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าร่างกายนี่หายใจออกเราเป็นคนดูนะค ะ, ะยิ้มหวานกันใหม่เราเริ่มกันใหม่หลวงพ่อมีสอนเทคนิคอีกนะคะเวลานั่งสมาธินะคะหายใจออกไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยเห็นร่างกายนี่หายใจเข้าร่างกายนี่หายใจออกเราเป็นคนดูแน่นคะ่ะเริ่มใหม่เลยคะ่ะ ใครรู้สึกว่าแน่นไม่ต้องทำอะไรรู้ก่อนว่าแน่นนะคะแล้วเริ่มยิ้มหวานใหม่เราเริ่มต้นใหม่คือมันไปไม่ได้แล้วนะคะถ้าแน่นอย่างนั้นเนี่ยเพราะจิตนั้นมันเครียดเรียบร้อยละเราบังคับเรียบร้อยละนะคะจิตที่มีสภาวะของพุโทโธหรือจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยความเป็นละหูตาละหูตาแปลว่าเบานะเบาโปร่งโล่งสะอาดสบายคล่องแคล่วอ่อนน้อมนุ่มนวลเหมาะแก่การงานแต่ถ้า แข็งแข็งแน่นแนนซึมๆึ ม, มทื่อๆอันนี้ให้รู้เลยว่าไม่ใช่แล้วก่อนที่จะไม่ใช่ให้รู้ก่อนนะคะแล้วเริ่มใหม่ด้วยยิ้มหวานอ่นะคะสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายในการที่เราจะเดินเพื่อความพ้นทุกนะคะถ้าเรายังไม่เข้าใจเรายังเอาสงบอยู่อันนี้ยากเลยอะคะ่ะมันเดินไม่ได้จริงเพราะจิตมันติดล็อกจิตมันจะล็อกอยู่นะคะเดี๋ยวมีเดิมให้นะคะเมื่อกี้นั่ง นะคะท่านที่นั่งสมาธิก็นั่งท่านั้นล่ะคะ่ะนั่งท่าที่เรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวยังไงพอจะเห็นได้แล้วน ะ, ะเห็นจิตเป็นคลายไหมแจ็คเออไม่ใช่อย่างนั้นเออจิตอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะรู้ไหมว่าจิตอย่างนั้นตายตอนนี้ไปไหนไม่เอาเลยนะคะเวลายืนหัวจงกลมเรารู้ก่อนร่างกายที่ยือนอยู่นะคะยืนท่าไหนาท่านั้นนะคะพอเรารู้ตัวทั่วพร้อมเสร็จมันเหมือนท่าที่เมื่อกี้เรานั่งะนะคะ อยากสังเกตไหมว่ายืนเป็นยังไงอเดินยืนได้นะคะลองยืนได้นะคะไอ้ยืนแล้วเรารู้สึกตัวจริงไหมอ่ะเป็นยังไงเห็นไหมบางท่านต้องขยับก็ขยับตัวเนี่ยเตรียมพร้อมเห็นไหมเราไม่ได้ทําอะไรเรายืนขึ้นมาเฉยๆครับถ้ากางเกงไม่หลุดไม่อะไรไม่ต้องขยับเรายืนเฉยๆอ้าวสังเกตจิตใจก่อนว่ายืนแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมรวบและลองสังเกตจิตใจดูแล้วพี่ลองคลายดู ใจเหมือนกันไหมจิตเหมือนกันไหมเห็นไหมอันนี้มันโล่งสบายแล้วพี่รวบใหม่อเห็นไหมเรียบร้อยเลยใช่ถูกต้องค่ะมันรวบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะตั้งแต่หัวจงกรมเนี่ยยังไม่รอดแล้วอะคะ่ะเนาะใครที่ยืนเคารพธงชาติอยู่ลองดูนะคะไม่ต้องเคารพธงชาติตมสมมติว่าจะกรกลังเรากำลังจะคิดว่าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ําเนี่ยยืนเนี่ยยืนรอหน้าห้องน้ำํำสมมติรอคิวเข้าห้องน้าเนี่ยถ้าไหนอ่ะเห็นไหมพี่ว่าจิตเปลี่ยนไหมอืมอ่ะแล้วพี่ยืนยืนท่าเดิม เห็นไหมตึงเข้ามาเลยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยถ้าไม่เหมือนกันเลยนะคะเออใจต้องอย่างเนี้อยอันงนี้ก็ยังรวบรวบนิดนิดอ่าลองดูอ่าใช่เข้ามากอดเลยจิตมันจะรวบมันเลยกายกับใจมันเนื่องกันนะคะอืมจิตเรารู้สึกอย่างนั้นเราก็ทำท่ากายนั้นออกมานะคะอะยิ้มหวานทีหนึ่งยืนและยิ้มหวานเราไม่ได้ไปไหนเลยเห็นไหมพี่พี่สีม่วงมีความสุขไมอ่ะเออต้องจิตแบบนี้นะเอาจิต จิตอย่างเนี้มาภาวนาไม่ใช่จิตตั้งแต่เครียดแล้วอะโอ้โหภาวนามันไปไม่รอดเราเห็นแล้วร่างกายมันยืนอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเนา ะ, ะรูปนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแล้วก็เดินถ้าไหนเราเดินท่านั้นนะคะเดินไปเข้าห้องน้ําเดินซื้อของนะคะพอหยุดหัวจงกรมปุ๊บเราคิดว่าเราพอนะคะยังไม่หมุนนะคะรู้สึกตัวเหมือนที่เมื่อกี้เราเดินมารู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วอะตัวนี้ยืนอยู่หมุนหมุนสบายๆไม่มีสเตป็ปไม่มีจังหวะหมุนเหมือนเราจะไปอะ ไปดูอะไรสักอย่างยังไม่เดินนะคะรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนตัวนี้ยืนอยู่ถ้าสมมุติท่านมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะไม่ยืนเลยรู้สึกตัวหมุนปุ๊บจิตกระเด็นเรียบร้อยแล้ะพอจิตกระเด็นเรียบร้อยตอนนี้ไม่รู้กายไม่รู้ใจแล้วค่ะนะคะเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียบร้อยลวตัวนี้ยืนอยู่หมุนรู้สึกตัวก่อนแล้วเดินการรู้สึกตัวไม่ไนานเลยนะคะก็รู้ว่าตัวนี้มันยืนนะคะถ า, ามว่า ในระหว่างที่เราเดินจิตไปอยู่ไหนนั่งได้นะคะนั่งได้ค่ะเดี๋ยวข้างหลังไม่เห็นในระหว่างที่รู้สึกตัวจิตไปอยู่ไหนจิตไปอยู่ไหนเราไม่รู้เดี๋ยวมันก็ไหลไปคิดอ่ะแล้วมันก็หลงไปไหนก็ไม่รู้หลงไปที่เท้ามั่งหลงไปที่ความคิดมั่งถ้าเราดูอนาปนสติไปด้วยเราจะเห็นร่างกายมันหายใจด้วยในขณะที่เดินเราจะเห็นได้เลยนะคะอ่เมื่อกี้ข้างหลังไม่เห็นตอนเดินนะคะอ่ะมาสรุปให้อีกทีนะคะ ยืนรู้สึกตัวก่อนท่านที่นั่งสมาธิตอนนั่งรู้สึกตัวก่อนที่เราเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่เพ่งตัวทั่วพร้อมนะคะรู้สึกตัวรู้ยังไงลองสังเกตดูมันหนักไหมเมื่อไหร่เราทําอะไรกับจิตสักนิดเดียวขึ้นมานะคะจิตจะมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีท่านที่บอกแล้วมันน้ําหนักแล้วมันต้องเอาอะไรมาชั่งไหมเนี่ยนะคะง่ายๆสังเกตนะคะท่านที่เพง่งง่ายๆที่สุดเลยท่านลองหายใจเราจะรู้เลยว่าเราหายใจอยู่ได้แค่กลางหน้าอก มันจะลงมาที่ข้างล่างไม่ได้เลยมันจะอยู่แค่ตรงเนี้ยมันไม่ไหวแล้วอืมแจ็คเป็นเนี่ยเห็นไหมหายใจไม่ออกแล้วแล้วทําไงรู้กันรู้ค่ะรู้อย่างที่มันเป็นอึดอัดอึดอัดแล้วไม่ชอบอึดอัดแล้วอยากหายเรารู้ทันทีลักษณะที่มันเป็นนะคะเราภาวนาแทบเป็นแทบตายนึกออกไหมแล้วเราบังคับมันสุดท้ายบางท่านเป็นไมเกรนอืมสุดท้ายบางท่านเป็นอะไรหลากหลายเลยสบักเสรบบสปาถึงขายดี สำหรับนักภาวนานะคะเพราะมันตึงไปหมดแล้วเส้นนะคะรูปนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะคะเราเดินจงกรมเราเห็นร่างกายนี้ยืนอยู่นะคะถามว่าระยะเท่าไรพอสังเกตตัวเองนะคะยาวไปเนี่ยเราจะฟุ้งซ่านสั้นไปจะปวดหัวนะคะเราสังเกตของตัวเองมันเองเนี่ยถนัดประมาณ1 2 1 5อถึงส้านะคะสายวัดป่าเนี่ยท่านจะบอก2 5่้าเกอันนี้ก็แล้วแต่ เราดูว่าอะไรเหมาะกับเรานะคะนะักภาวนาสำคัญที่สุดเราต้องภาวนาในสิ่งที่เรามีนะคะทรัพยากรที่เรามีคืออะไรบ้างเราดูอย่างนั้นเช่นบางท่านทรัพยากรที่เขามีคือความทุกข์ดูทุกข์ไปเลยค่ะดูทุกข์เท่าที่เราพอดูได้นะคะรู้ทุกข์ไปตรงๆนะคะบางคนมีทุกข์ไม่ยอมทาไงไม่เอาแล้วเลิกภาวนาไปดูหนังก่อนไปทำอะไรก่อนหารู้ไม่ว่า ความทุกเป็นทรัพยากรที่สําคัญของนักภาวนาเพราะผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นถึงเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นถึงเห็นเราตถาคตนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้แนะนําไปแล้วอันนี้ภาพรวมนะคะของการทําสมาธิด้วยการเดินจงกรมนะคะกับการทําอานาปนสตินะคะแล้วคุณลองดูว่าอันไหนเหมาะกับเราอย่างถ้าตอนนี้ตั้งคันอยู่ใช่ไหมคะเดินก็ช่วยนะอ่ามันออกกําลังกายไปด้วยนะคะจริงๆหลวงปู่ดูลบอกเลยนะคะ สมาธิที่ยังลงสู่ความสงบด้วยการเดินจกกรมจะตั้งมั่นและอยู่ได้นานกว่าการนั่งหรือการนอนนะคะแต่นั่นหมายความยังลงสู่ความสงบแล้วนะแต่มันก็ช่วยเรารนะคะอันนี้เราดูว่าเราเหมาะไหมบางบ้านบ า, บางท่านไม่มีที่ให้เดินอันนี้ก็ต้องทำอนาปนานสติก็ใช้พุทโธอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอ บ, บนะคะ ค, ค่ะมุทนาเชิญค่ะครับค่ะเดี๋ยวใส่ไม่ได้ไหมคะ คือช่วงที่เดินรงกรมอะค่ ะ, คะจังหวะการเดินควรจะเป็นจังหวะที่เราเดินปกติใช่ไหมคะเราเดินช้อปปิ้งท่าไหนเดินท่านั้นเลยนึกถึงท่านั้นเลยฉันเดินช้อปปิง้งในคลาสบางคลาสที่ตอนหลังต้องจัดสําหรับนักเพ่งเลยนะเราจะเป็นห้องขนาดเนี้ยประมาณนี้เล็กหน่อยใหญ่แล้วแต่แต่ละที่เราจะมีวางของค่ะแล้วมีถุงให้จริงๆค่ะแล้วเขาเห็นเลยว่าถ้าเดินเขาไม่ปกติเหมือนที่เมื่อกี้พี่ทดลองอะ่ะ เราจะมีถุงมีของเลยค่ะเอาพี่เดินไปซื้อของเนี่ยพี่ชอบอะไรพี่หยิบเลยจะเห็นเลยท่าเดินกับท่าที่มาเดินโัวตรงกลมจริงๆเออมันคนละท่าน่ะมันคนละจิตเออการบังคับไม่เหมือนกันเลยพอเขารู้สึกว่าช็อตแรกช็อตสองโอเคเดินซื้อของช็อตสามเขารู้ละไอเดินซื้อของเนี่ยคือปฏิบัติหยิบยังไม่ปกติเลยค่ะหยิบเนี่ยอืมเดินก็ไม่ปกติเราบังคับหมดเลยอะค่ะ ถ้าเราบังคับกายบังคับใจเราจะเห็นกายกับใจตามความเป็นจริงได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะเชิญค่ะกรับสวัสดีครับมัเข้ามาพี่มารีด้วยนะครับคับไม่เป็นไรค่ะเข้ามาซึ่งกันและกันค่ะไม่มีกรรมก็เดินจงกรมเป็นวิหารธรรมนะครับก็พยายามทําให้ได้วันละสีหนาทีครับก็คราก่อนก็มาเดินให้พี่มารีดูวันนี้ก็เลยถือโอกาสเวิร์กช็อปเลยละกันเดี๋ยวารเดินให้พี่มาดีด้วยกันค่ะ ใจกล้านะใจถึงมากเลยนะคนนี้ยเขาทําธรรมทานให้เราอืมยืนก็ผิดแล้วค่ะถอยไปตั้งหลักใหม่เลยค่ะตั้งแต่ยืนเห็นไหมบังคับตั้งแต่ตรงนี้แหละเห็นไหมจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่เทา้ารู้สึกไหมว่าจิตตอนนี้อยู่ที่เทา้ายิบหวานก่อนอ่าตัวอะไรยิม้มตัวอะไรยืนอยู่นี่แหละความรู้สึกจริงๆอันเนี้ยคือนี้เนี่ยรู้ตัวจริงๆออืมอะได้ค่ะเชิญค่ะต้องหยุดก่อนค่ะ ถ้าคุณหยุดอย่างเนี้ยจิตกระเด็นไปแล้วรู้สึกไหมตอนนี้ยืนรู้สึกเลยตัวนี้เห็นไหมมันจะไหลออกลองดูนะคะเห็นไหมคะจิตขนาดนี้ยคุณยืนอยู่นะแต่จิตมันไหลออกอะลองกลับไปที่ร่างกายดูว่าดูได้ไหมว่าตัวนี้ยืนอยู่อรู้สึกแต่ได้แต่ตรงนี้เห็นไหมลองดูนะคะตอนเนี้ยืนอะเห็นไหมรวบละอืมทําใจสบายก่อนยิ้มหวานก่อนสมมติยืนอยู่เนี่ยเ อ, อ่ยืนเข้าห้องน้ํายืนท่า น, นี้ถูกไหมอลองสังเกตจิตขนาดนี้ของตัวเองดูก่อนว่ามันเป็นยังไง ลองดูนะมันจะรู้ไม่ถึงเท้าอ่ะคุณเห็นได้ไหมมันจะได้รู้แต่ตรงเนี้ย <ST AN CE> คือมันไม่ใช่รู้ทั้งตัวหรอกแต่คุณรู้สึกได้ไหมว่าตอนเนี้ยคุณคุณลองดูสิว่าคุณจะรู้ที่เท้าเนี่ย <ST AN CE> มันจะรู้ไม่ค่อยได้อ่า <ST AN CE> แต่รู้ไหมว่ามันไม่รู้ได้ตอนเนี้มันจะเห็นตรงนี้ยชัดกว่าตรงข้างล่างอันนี้ไหลลงไปแล้ว à. อ่าอ่าตอนนี้แต่เห็นได้ใช่ไหมตอนเนี้ยจิตมันไหลลงมาที่เท้าอ่าโอเคอ่าแล้วลองยิ้มหวานไหมอ่าแล้วเห็นไหมคะตัวนี้ตัวยืงยืนอยู่ อ่ะเห็นแต่ไม่เห็นขาข้างนี้ลองสังเกตดูนะจะเห็นขาข้างเนี้ชัดชอ่าใช่จะเห็นข้างเนี้ยชัดข้างนี้จะไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะคุณมาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณหมุนเลยจิตกระเด็นไปแล้วอ่ะแล้วลองดูลองเดินที่ข้างเนี้คุณต้องอยู่อันนี้ถูกเป๊ะเลยค่ะรู้สึกได้ไหมมันจะเห็นได้ทั้งตัวใช่ค่ะแต่รู้สึกไหมว่ารอบนี้เดินมาไม่กระทั่งตอนนี้ไม่ค่อยธรรมชาติไม่เป็นไรนะคะมันจะต้องค่อยๆปรับล่ะเออ จิตขณะอย่างนี้ถูกต้องนะคะในแต่ในสภาวะที่เดินช่วงที่เดินยังบังคับอยู่มันยังมีการเกรงนิดนิดให้รู้ทันแค่ตรงนั้นนะคะไม่ต้องแก่แต่สังเกตลองดูนะคะโอเคไหมเอ อ, เอโอเคอันนี้บังคับนะก้าวที่เดินอยู่ตอนนี้บังคับรู้สึกได้ไหมอืออ่า ต, ตื่นเต้ น, ต น, แ, ตนแล้วมันกดกดอยู่เห็นได้เนาะโอเคค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับครับ <c oughs> สวัสดีคะ่คะ <c oughs> ดิฉันมีปัญหาเรื่องการ <c oughs> ปฏิบัติแล้วชอบเพ่งนะค ะ, คะจะรบกวนคุณมารีช่วยกรุณาตรวจสอบว่าถ้าดิฉันนั่งสมาธิในรูปแบบที่ดิฉันทำดิฉันเพ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ของพี่ทาแบบไหนของคุณทำแบบไหนมาบัคกตินะค ะ, คะตอนนี้เนี่ยตอนเช้าจะใช้วิธีเดินสาย่านแล้วก็จะฟังซีดีหลวงพ่อขณะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยค่ะจะหลับตา แล้วเอามือจับที่ที่เดินนะคะแล้วก็มีสภาวะมีจิตเอาจิตเนี่ยรู้ตัวร่างที่เดินอยู่อนี่เป็นวิธีที่ทํานะคะค่ะแล้วอีกแบบหนึ่งก็ถ้าว่ายน้ําก็ว่ายนอัี้ออลอินวันเลยเนาะออลอินวันเนาะคือหม่ยควม่าออกกักายด้แล้วก็ได้แล้วเวลาว่ายน้ำอะค่ะดิฉันก็จะว่ายน้ําหลับตาแล้วก็รู้ถึงสภาวะที่่ร่างเนี้ย กำลังอยู่ในท่าไหนแล้วจิตขณะนั้นเราก็รู้ว่าเราไม่ได้มีไม่หลงไม่หลงคือรู้รู้ลงในปัจจุบันแต่แต่ว่าพอเรื่องอจะกาหนดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพ่งแต่ถ้าสภาวะที่พูดนั่นน ะ, ะ่ะที่ว่ายน้ำอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายดีอะค่ะเลยไม่ทราบว่าวิธีนี้พ อ, อใช้ได้ของพี่ของคุณมีสองแบบเนาะใช่ค่ะตอนเดินกับตอนว่ายน้าใช่ค่ะ ว่ายน้ำไม่ใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณสัก1520นาทีของคุณสังเกตเองได้ไหมว่าสองสภาวะนี่เหมือนกันไหมค้ยใกล้เคียงกันสบายดีสบายอันดอันดับแรกคุณรู้สึกสบายนะคะแต่สภาวะของจิตที่มันมีความสุขเนี่ยเท่าเท่ากันไหมว่ายน้ำจะจะสบายเบากว่าเบากว่าเดินจะมีความกังวลว่าเราจะสะดุดไหมอะไรไหมจะต่างกันนิดนึง ที่จะเห็นคุณจะเห็นได้ไหมอะอย่างนี้น ะ, <ค>ะกัรหนึงกลับไปดูเองนะค ะ, คะสภาวะที่คุณว่ายน้าเนี่ย <คะ S 1> มันมีการเกร็งที่ร่างกายเป็นหลักข้างขวาเนี่ยไม่รู้คุณทำอะไรกับแขนเนา ะ, <ค>ะแต่เรารู้สึกเลยว่าท่าของคุณเนี่ยมันจะมันจะอยู่ที่แขนข้างขวาเป็นหลักด้วยนย<ค>ะข้างซ้ายไม่เท่าไหร่ข <คะ S 1> ้างขวาอันนี้เราบังคับตรงเนี้ยมาจนกระทั่งถึงตรงเนี้ยชื่อช่วงเนี่ยมาถึงตรงนี้ลาตัวมาถึงตรงนี้เนา<ค>ะอ่า ช่วงหัวไหลทั้งหมดเลย ข, ขวามาถึงเนี้ยเวลาที่คุณคุณคุณเคลื่อนไหวอ่าคือการเกรงร่างกายอืมอันนั้นส่วนหนึ่งในเฉพาะอย่าง น, นี้มันต้องดูเป็นสองอันว่าคุณเกรงด้วยการตั้งใจตั้งใจให้รู้สึกตัวหรือเกรงด้วยการออกกําลังกายของคุณเองวิธีการข อ, อันก่อนออกกำลังกายนะคะอ อ, ะอันนั้นนึงคือท่าว่ายน้ำนะคะอันนี้กลับมาตรงการเดิน ไม่มีที่จับเลยอะค่ะมีค่ะจับกําลังจะบอกว่ายังกลัวๆกำลังบอกว่าถ้าเดินคุณเน่ยมันไม่ต้องกลัวล้มนี่ทําไมคุณบอกว่ามันกลัวล้มเพราะดูแล้วจิตมันไม่ได้ล้มค่ะอืมสบายกว่าว่ายอีกอเพราะมันเป็นกรรมฐานเคลื่อนไหวค่ะเพราะฉนั้นท่านที่เพ่งอยู่เนี่ยพอมาทํากรรมฐานเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันมันบังคับไม่ไหวอะนึกออกไหมเพราะมันเคลื่อนเร็วอะมันจะบังคับตัวไหนนะคะจิตมันไม่ได้ล็อกมากค่ะ แต่ถ้าว่ายน้ําจริงๆมันควรจะสบายเพรา ะ, ะมันเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่คุณบังคับด้วยกันบังคับที่ร่างกายมันไม่ต่างกันเดินจกกร ม, มหรือการนั่งสมาธิแล้วแล้วอัดลมะนะคะแต่ถ้าถามว่าของคุณเองลองตอบตัวเองนะค ะ, คะของตัวเนี้ยได้สมาถะไหมไม่ได้อ่ไไ า, า, าไม่ได้ถ้าสมถะไม่ได้ได้จิตตั้งมั่นไหม ได้ค่ะได้ตรงไหนเอ่ยไหนลองดูคือสังเกตว่าพอเริ่มเริ่มเจริญสติแบบนี้ออกกาลังกายแบบนี้มันมีสติรู้เร็วขึ้นอมในระหว่างว้นในระหว่างวันอย่างเช่นตอนเข้าห้องน้ําค่ะตอนนี้ดิฉันจะฝึกไว้ว่าเมื่อไร่ที่ดิฉันนั่งห้องน้ําำดิฉันจะต้องมีสตินะตรงนี้นะคะจะทําอะไรอย่างสมมุติจะแปรงฟันแล้วก็อ๋อตอนแปรงฟัน แล้วจิตมันจะคุ้นเคยอืคือสติเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการเหมือนกับไปสร้างมันขึ้นมาถูกต้องถูกต้องคือสติถ้าเราบังคับให้มันเกิดมันจะไม่ใช่สติที่เป็นกุศลจริงๆใช่นะคะถึงบอกว่านักเพ่งเนี่ยเขารู้กายรู้ใจนะและการที่เขารู้กายรู้ใจเขาคิดว่าเขามีสติแล้วนะคะแต่เขาไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายและใจใช่อ่าเพราะฉะนั้นกรรมฐานทั้งสองอันเนี่ยถ้าถ้าสมถะยังไม่ได้นะคะ ตั้งมั่นได้จริงไหมถ้าตั้งมั่นได้ในคำว่าที่คุณคิดว่ารู้ตัวได้เราต้องมาดูว่าเขารู้ตัวด้วยตัวเองไหมคือรู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจหรือบังคับให้รู้ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นการบังคับให้รู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สัมมาสติมันมีนะคะคำว่า<น>สัมมาสติ น, น่าเชียงบังคับนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณเอาเอาอินวันเนี่ยอาจจะยากนิด น, นึงนะาะบางทีเนี่ยมันมันไม่ตรงกันนึกออกไหมค ะ, คะเพราะการที่เราทำธรรมถะหรือทําให้จิตมีกําลังเนี่ยมันหึ่ง หนึ่งต่อหนึ่งอะอารมณ์พุโทโธดูลมเงี้ยนะคะ mm hmm. อารมณ์หนึ่งจิตหนึ่ง mm hmm. อันนี้พักสงบแหละเหมือนคุณบอกว่าให้ถามจริงบางคนเนี่ยเปิดเปิดทีวีเปิดอะไรอยู่ในขณะที่นอนด้วยมันหลับได้จริงไหม mm hmm. มันไม่เชื่อว่าหลับได้จริงนะอืมมันได้ตรงผวังเล็กๆที่คุณลงไป mm hmm. อแต่ที่เหลือยังไงอะจิตมันก็รับรู้นะเพราะฉะนั้นจิตมันไม่ได้พักจริงนะคะ mm hmm. พอจิตไม่ได้พักจริงจิตจะไม่มีกําลังอ่า เพราจะจิตไม่มีกําลังสิ่งที่เราเจอก็คือเราก็จะฟุ้งง่ายในแต่ละวันนะคะพอฟุ้งง่ายสิ่งที่เราทําก็คือเราต้องบังคับ อ, อย่างที่พี่บังคับเนี่ยมันต้องกลับมารู้ตัวกลับมาอะไรข้อแท้จริงสมาธิมันทําง่ายกว่านั้นแค่เรามีความสุขอะ<笑><笑>เห็นไหมยิ้มอยู่ตัวอะไรยิ้มเห็นความสุขไหมความสุขจริงๆริงไหมพี่ดูตรงตรงเลยว่าที่ยิ้มอยู่ข้างหน้ากับจิตที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ข้างในมันไม่ได้มีความสดชื่นอีงทีเรายิ้ม แต่ความสดชื่นไม่มีนะคะ ง, งั้นลองทุกท่านนะคะลองนึกถึงพุทธคยาอันนี้คือความสดชื่นคุณเห็นไหมมันไม่ได้มีความสุขเบิ่บิก บ, บานนะแต่มันมันนุ่มนวลมันเหมือนมีอะไรชุ่มฉ่าอยู่ในกลางจิตใจเราเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยถ้ามันมาถึงนิ่งตรงนี้นะคะน้อมนิดหนึงน้อมถึงพระพุทธเจ้าน้อมถึงอะไรที่เรามีความสุขนะคะน้อมถึงพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้แล้วมาเริ่มต้นใหม่เห็นร่างกายนี้นั่งใหม่ เห็นร่างกายนิหายใจเข้าร่างกายนีิหายใจออกพอ ม, มันนิ่งสงบเรารู้ทันความสงบนั้นจะก่อนนะคะเห็นจิตที่มันสงบละอ่าเห็นใจที่ชอบความสงบนี้นะคะแล้วน้อมใจเลยนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธรูปองไหนก็ได้จิตจะกลับมามีความเชื่นมชื่อมีความสุขใหม่แล้วเราเข้าออกแบบเนี้ยสมาธิที่เราทํานะคะไม่ใช่พอไปนิ่งปุ๊บแล้วก็อยู่กันนิ่งเลยไม่ไปไหนละรู้ทันความนิ่งนั้นรู้ทันความสงบนั้นอืม เรารู้ทันความสงบนั้นก่อนความสงบเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสงบนี้ไม่ใช่เราหรอกชอบความสงบหรือพอถ้านั่งปุ๊บเราเริ่มนั่งปุ๊บนั่งรู้ตัวเรียบแล้วอยากสงบรู้ทันใจขนาดนี้ก่อนเลยว่าอยากสงบนะคะแล้วจิตสงบหรือไม่สงบเรื่องของเขาแต่เรารู้ทันความรู้สึกของเรานะคะใครที่ปฏิบัติแบบสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนจะพูดไว้ชัดเจนมากเลยนะการปฏิบัติธรรมคือการรู้สึกตัว ตัวนี้คือประกอบด้วยกายกับใจแต่เวลาเราปฏิบัติปุ๊บเอาที่ความสงบเป็นหลักเลยเราไม่รู้ละกายมีใจมีลืมเป็นหมดแล้วในขณะที่เรานั่งสมาธินั่นอยู่นั่นคือเราขาดสติเรียบร้อยแล้วองค์ธรรมขณะนั้นไม่มีแล้วสติรู้ตัวทั่วพร้อมนี้ไม่เหลือแล้วนะคะอืมเพราะนั้นคุณลองดูสิว่าการปฏิบัติเอาสักอย่างได้ไหมอ่ะถ้าเอาอินวันมันจะไม่ค่อยร้อนเนาะแต่ถ้าคุณทําหลักได้เวลาที่เรามาภาวนาแบบเนี้เราจะสามารถที่จะ รู้กายรู้ใจตามธรรมชาติที่เขาเป็นได้เพราะเราไม่ต้องรู้ตัวตลอดนะคะความว่าไม่ต้องรู้ตัวตลอดคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันจะเผลอก็ได้มันจะเพ่งก็ได้มันจะฟุ้งซ่านก็ได้แต่เรารู้ทันค่ะเออแล้วปวดนิดนะคะถ้าสมมติว่าดิฉันลองนั่งนะคะแล้วก็คุณมลีช่วยกาได้เลยว่าดิฉันเนี่ยนั่งตรงนั่งเก้าอี้ใช่ไหมอ๋อเอามากมากหรือน้อยเหรอ นิดเดียวค่ะว่าเพ่งไม่เพ่งอะค่ะลมอยู่ไหนคะปกติใช้ที่ปลายจมูกเนาะไม่ไม่ปลายค่ะตัอด้ายค่ะอ๋อตลอดสายแต่ไปดูนะคะจริงๆอะอยู่ตรงจมูกเป็นหลักเลยค่ะโพงเนี้ยเนี่ยนั่งขนาดนี้ก็เห็นแล้วเห็นไหมคุณลงก็จริงแต่เน้นอยู่ตรงนี้จิตจะจ่ออยู่แค่ตรงนี้เลยไม่ไปไหนเห็นไหมคะที่ชัดที่สุดเดี๋ยคือตรงจมูกอันนี้มันเคลียรลมแล้วล่ะค่ะรู้สึกไหมเราหายใจทั้งวันเป็นแบบนี้ไหมไม่อ่า นั้นแสดงว่าพอเรานั่งไม่ใช่ท่าธรรมชาติของเราแล้วคือการบังคับลมนี่เป็นการบังคับลมถูกไหมคะอรานี้จุดที่บังคับที่ชัดที่สุดคือตรงจมูกนี้ทั้งหมดเลยงั้นเวล า, นานเรานั่งเราไม่ต้องหายใจหายใจค่ะไม่ใช <laughs> ไ่ไม่หายใจค่ะไม่หายใจแปลว่าไม่ต้องสูดลมไม่ใช่ค่ะปกติพี่หายใจทั้งวันพี่สูดลมไหม ร่างก า, ายมันสูดอยู่แล้วบ่บบอยครั้งที่รู้สึกตัวนะคะค่ะพอรู้สึกตัวของพี่ก็คือเพ่งขึ้นมาในแต่ละครั้งทุกครั้งอ่าถูกไหมคะเพราะทั้งวันมันก็หายใจอยู่แล้วนะมันไม่ต้องไปนั่งเธอลมข้างนี้50เหมือนเราปั๊มลมยางเนาะข้างนี้30สิบข้างหน้ายี่ิอันนี้แรงไปปล่อยลมเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเนาะคือคือท่าที่คุณ ม, มารินอ่ากํ า, ากลังแนะนําเนี่ยก็คือค่ะเมื่อไรที่ดิฉันรู้สึกตัวดิฉันก็จะมาที่เอาอย่างนี้เนาะเพ่งหรอพี่นั่งให้สบายเลย สบายหรื อ, อยังไม่สบายหรอกนี่รวบเรียบร้อยแล้ว อ, อพี่ท่าง่ายสบายเลยถ้าสบายอ้าเห็นไหมนี่คือถ้าพี่เห็นจิตไหมไม่เหมือนกันพี่เห็นไหมว่าร่างกายนี่หายใจอยู่แล้วเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันหายใจอยู่ น, าานั่นแหละค่ะ <c oughs> เบาปโป่งล่งสะอาดสบายแต่พอพี่จะให้รู้สึ ก, <า>กต้องซูทหมด<า>นี่เห็นไหมอ่ะวันหนึ่งเราทําอะไรใช่ค่ะวันนึงเราปฏิบัติทำเนี่ยเราจะทําอะไรที่ไม่ธรรมชาติอ่ะ ที่นั่งอยู่คุยกับหนูเนี่ยเห็นไหมพี่หายใจอยู่แล้วไหมเออพี่แค่ดูมันเนี่ยแแพทแค่เอานะเธอมาดูมันหน่อยนี่มันหายใจยังไงอ่ะเออเข้าใจแล้วอย่างโมธนาเพราะว่าอึดอัดมากเลยอ่ะอึดอัดแทนพี่แต่พี่ทําเองอ่ะมันมันชินไงพอมันชินแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติค่ะค่ะสวัสดีแล้วพี่เดี๋ยวพี่นั่งดูลมหายใจไปอย่างเงี้ยนั่งให้สบายเลยท่าที่พี่สบายที่สุดใช่ บางทีเนี่ยมันมีไปบางที่เนี่ยกะอี้มันมันไม่ตรงกับที่เราเคยนั่งที่บ้านอะ่ะคุณนึกออกไหมนั่งยังไงก็ไม่ไหวท้ายมลีนั่งท่านนี้เลยค่ะเพราะกะอี้มันเป็นซารีล่างงั้นโอ้สบายปุ๊บอะนั่งไปเลยสองชั่วโมงตรงนั้นอะเพราะมันมันมันมีความสุขละจิตมีความสุขอืมแต่ถ้าเราบอกหูหลวงพระพิฆาตไม่ได้บอกต้องนั่งให้ตรงเนาะเออท่านบอกแค่นั่งคูบาลังตั้งกายให้ตรงตรงกระดับไหนตามที่เราพอเหมาะอืมแต่ไม่ใช่ต้องตรงเป๊ะ ใช่ไหมคะอืมหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านเริ่มด้วยหายใจออกก่อนนะนายพระไตรปิฎกนั่งคู่บาลังตั้งกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวหายใจออกคือดูร่างกายท่านไม่ได้บอกลมหายใจออกยาวหายใจออกยาวนั่นแหละถูกต้องเลยพี่พี่เห็นไม่สบายกว่ากันต้องเยอะหนูเชื่อเลยพี่ไม่เคยเจอจิตอย่างนี้มาก่อนจิตที่มันสบายาใช่ค่ะ พี่เห็นไหมแค่ชั่วขนาดนี้ยก็มีความสุขแล้วเห็นความสุขชลอยไหมคะอใช่ค่ะแล้วเห็นไหมมันเป็นความสุขที่เราไม่รู้ว่าจะใช้อะไรบัญญัติเน้ออธิบายไม่ได้ด้วยซ้ําไปนะพี่ใส่ไมเลยค่ะที่ผ่านมาคือเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยจะต้องตั้งมั่นใช่ค่ะฉันต้องตั้งมั่นอืจิตมันก็ไปกํากับใช่แต่เราไม่เคยรู้ว่าจริงๆความตั้งมั่นเป็นอย่างไรถูกไหม เราคิดด้วยตัวเรานี่แหละหลวงปู่มั่นถึงบอกสัจธรรมปฏิรูปเพราะเราเข้าใจตั้งมั่นต้องเป็นแบบเนี้ย อ, อืมจิตไม่มีที่ตั้งเลยอจิตมันรู้ตรงไหนมันดับตรงนั้นงั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรเออฝ้าดูเท่านั้นเองไม่ค่ะคําว่าทำในที่นี้คือเราไม่ต้องบังคับอมีแต่คําว่ารู้ค่ะถ้าในพระไตรปิฎกมีแต่คําว่ารู้ค่ะพิสูจนทั้งหลาย นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาว <Okay. S 1> ภิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตเป็นทุกข์ให้รู้ว่าเป็นทุกข์มีแต่คำว่ารู้แต่พวกเราทำนึกออกไหมคะแล้วจริงๆพวกเรานักภาวนายังไงก็อดทำไม่ได้ <Okay. S 1> แต่ให้รู้ทันว่าทาให้รู้ทันว่ามันเพ่งให้รู้ทันว่ามัน อ, นอดอั ให้รู้ทันว่าให้มันนิ่งอืมให้รู้ทันว่ามันว่างๆอย่างถ้าเราติดว่างเนี่ยอาการสาร น, นันจะยะยะติดแน่และ่อในแต่ละตัวที่เราจะติดไปนะค ะ, คะอืมทั้นนั้นพี่เห็นไหมสบายกว่าเห็นปะ่ะพี่เห็นไห ม, มนี่คือจิตที่ตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วเนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะมันไม่ได้ว่าต้องตรงหรืออะไรแต่มันรู้สึกอจุดกลางหน้าอกรู้ได้ไหมคะ<ด>อ่าเห็นไหมนี่แหละค่ะแค่ชั่วขณะจิตเนี่ยเพราะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจะไม่เนิ่นช้าเลย พี่ทําเดี๋ยวนี้พี่รู้ได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้เลย mm hmm. อืพี่รู้สิ่งนี้สบายแล้ววันหนึ่งพี่นั่งเล่นเ่นสบายสบายร้อนก็หาพัดมาพัดไหน mm hmm. เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว mm hmm. ใจเราเป็นคนดูมันพัดไปไหไไปคิดรู้อะไรไปคิดอกลับมาเห็นร่างกายนี้มันเคลื่อนใหมน่นี่เดินจงกรมถ้านั่งก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเดินถ้าเราอายุมากแล้วบางทั้งเดินมากไม่ไหวนะคะ <Okay. S 1> เรานั่งเราเห็นจิตที่ปิติพี่เห็นไหมอ่ะพี่รู้ทันปิติปิติเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าใช่ไหมใช่เพราะนั้นปิติใช่เราไหม ไม่ใช่เห็นไหมปิติดับไหมไม่ดับพี่ชอบปิตินี้ดูไปเลยไม่งั้นมันจะรักษาตัวนี้ปิติเนี่ยมันยังอยู่ในกองสังขาร น, นะคะที่ปรุงแตง่งเราก็ไม่เอามันอีกอมไม่งั้นเราจะไปรักษาตัวนี้ไว้คุณมารีค ะ, คะมีนิดนึงคะ่ะมันจะมีบางขณะนะคะที่เราเนั่งภาวนาแล้วจิตมันจะนิ่งนิ่งนิ่งอยู่ในสภาวะที่ สักแต่ว่ารู้ค่ะแล้วเราจะเฝ้าดูเราจะสักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆเราต้องพิจารณาทําต่อในขณะนั้นไหมคะพี่ต้องไปรู้ว่าพี่ไปดูนิดนึงนะตอนนี้ ค, คามหมายที่ ท, ที่ที่กำลังถามมรีอยู่เนี่ยนะคะไอ้คํควาว่าสักแต่รู้ของพี่เนี่ยพี่ไปดูก่อนว่ามันรู้โดยที่มันรู้เองหรือว่ามันตั้งใจออ โ, โอโ้โหไม่ไม่ยากเลยค่ะตอนนี้มันเพ่งที่พี่บอกว่าสักแต่รู้เนี่ย ตอนนี้พี่ดูสิหน้าอกมีน้ำหนักจันทีพี่เห็นไหมว่าตรงกลางหน้าอกเนี่ยมันหนักๆแล้วตอนนี้มันเริ่มมีความร้อนแผลๆนิดนึงเห็นได้ไหมคะอออ่าันนี้แหละอาการเพ่งมันจะเริ่มหายจากตรงเนี้ยมันเหมือนฝีแตกอ่าพอเรารู้ทันเพ่งเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรกับจิตใจแล้วคือไม่ได้บังคับกายไม่ได้บังคับจิตใจแล้วอะอะไรที่พี่กดไว้ทั้งหลายแรงมันจะค่อยๆลอยขึ้นมาอาการที่มันลอยเราจะเห็นก่อนเลยร่องรอยมันคือมันจะเริ่มร้อนๆวบๆ นะคะ<ช>อันนี้สิ่งที่มีใครมาด้วยไหมคะนึ่งอ๋อโอเคครอบครัวอ๋อครอบครัสิ่งที่จะต้องเข้าใจด้วยกันคือเราจะมีความโกรธรุนแรงนิดนึงจากนี้ไปนะคะอถ้ า, ถ, าถ้าไม่ได้กลับไปบังคับมันอีกนะปล<ช>่อยให้เขาทํางานของเขาเองนะคะ<ช>เราจะฟุ้งเยอะหน่อยอันนี้ให้ให้รู้ทันเข้ามาแต่ยังไม่ไม่ล้นศีเลยนะคะเช่นโกรธเนี่อล ร, รู้ทันก่อนวิธีด่านของเราถ้าโกรธปุ๊บนะคะ เรารู้ทันแล้วโกรธแล้วมันไม่ไม่ไหวเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำล้างเลยล้างจริงๆเลยนะคะมันรู้กายแล้วกลับมารู้กายก่อนละเพราะว่าจิตมันจะไม่ไหวกลับมารู้กายถ้าเหตุยังอยู่ต้องโกรธมันจะคุยได้เหตุผลมันจะไม่บันดาลโทส ะ, ะแต่ถ้าถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราบรรดาลโทสะพอมันล้นครั้งที่หนึ่งจะมีครั้ง2ครั้ง3าตามมา อ่อันนี้เราต้องตั้งใจเลยถ้าเราเห็นมันแค่ครั้งแรกมันดับต่อไปมันจะค่อยๆกอดตัวได้น้อยลงแต่ถ้าเราปล่อยมันให้มันทยานเนี่ยต่อไปมันก็จะทยานอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆค่ะแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเรามีโทสะแต่เรากดเข้าไวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เราก็เลยนึกว่าเราไม่โกรธอ่าจากนี้ไปเดี๋ยวมันจะขึ้นมาพร้อมดอกเบี้ยออแต่เรารู้ทันมันก็จะเบาขึ้นนะคะโมทนาค่ะเชิญค่ะ ค่ะค่ ะ, ค ะ, คะรบกวนนะคะค่ะเขอความกรุณานะคะคือว่านั่งสมาธิหรืออะไรแล้วแต่นะคะเวลาปกติก็เป็นคนนั่งสมาธิชอบอยู่แล้วก็ไม่ได้เอาไปอยู่ตรงไหนเลยะคะ่ะรู้ตัวว่าเรานั่งค่ะอันนี้ไม่ขอเรียนถามว่านนมันมะจะถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่ ง, ง น, ะะนานเท่าไหร่คะแต่ละวันมันขึ้นอยู่กับเวลาะะได้ค่ะตอนนี้สภาวะที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วบอกรู้ไปนะคะอลองสังเกตนะคะตัวที่คุณกําหนดรูอ้อยู่ตรงไหนที่เห็นไหมอยู่ตรงกลางหน้าอก ลองสังเกตดิค่ะหายใจดูมันแน่นไหมตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมันก็เลยมาจุกอยู่ตรงเนี้ยไม่ค่ะไอตัวตื่นเต้นตัวหนึ่งเนาะแต่ตัวที่กดเป็นพื้นอยู่เลยค่ะอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมคะเห็นค่ะอะเนี่ยตัวเนี้ยใช่ค่ะถูกต้องเวลาเรานั่งเนี่ยเราบอกเรารู้สึกตัวเราดูเรื่อยๆข้อที่จริงไม่ใช่เราตัวเนี้ยเป็นแลนด์มาร์กอย่างเงี้ยไปดูไปกลับมาดูร่างกายม้างอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดมันอัดไว้ตรงกลางหน้าอกเนี่ยนะคะค่ะค่ะกดไว้มันไม่ใช่เขาบอกกดจิตดีกว่ากดจิตให้รู้เนี่ย โดยตัวรู้อยู่ตรงนี้พี่เห็นไหมหพอกดไปสักพักเนี่ยมันห<ด>ายแล้วปวดหัวอ๋อ oh, ค่ะขึ้นข้างบนคือมันจะเริ่มบังคับโฟกัสไว้อะค่ะอื<ม>อันนี้คือการที่เราวางใจไม่ถูกถ้าระวางใจว่าเอ้ยเราปฏิบัติเพื่อเอารู้สึกตัวเนี่ยจิตจะเดินทรงนี้เลยจิตจะเดินแบบนี้เลยแต่ถ้าระวางมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง<ม>ความเป็นจริงเราเห็นร่างกายเรานั่งไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิดเห็นกลับมาดูร่างกายเห็นเห็นเห็นร่างกายหายใจไหลไปคิดอีกแล้วเรารู้รรรรร อพี่เห็นไหมตอนเนี้ยตัวท้ายทอยตรงเนี้ยมึนๆ <c oughs> ดูได้ไหมคะอย่าก <c oughs> เกง่งใจนะคะไม่เห็น <c oughs> บอกอ่าแลแ<ต>้วตรงนี้<ม>คือขำับทั้งหมดเนี่ยกับตรงเนี้ยคือจุดโฟกัสของพี่<ม>เวลาพี่นั่งสมาธิ<ม>แล้วใช้ความรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ไม่ถูกใช่ไหมคะอ่าพี่ว่าถูกไหมพี่ดูก่อนว่าพี่ทําแล้วเนี่ยมันเบาโป่งโล่งสะอาดจริงไหมแต่เวลานั่งปกตินี่ค่ะคือจะไม่คือไม่ได้ติดอะไรเลยอะค่ะมัน มันออกไปเราก็รู้ว่ามันออกไปใช่กลับมาแล้วก็รู้ว่ามันกลับมาต่นี้วิธีของพี่เนี่ยมันกลับตอนพี่พี่ลองดูสิเมื่อกี้เนี่ยมันกลับมาเนี่ยตอนกลับมาเนี่ยพี่ดึงเข้ามานะพี่ลองดูสิคื อ, ค อ, คอมันไม่ได้ไปเอามือคว้าหรอกน ะ, ะมัน<ป>ใช้จิตอย่างเงี้ยดึงกลับมาที่ตัวแสดงว่าไม่รู้แล้วค่ะว่ามันไม่ธรรมชาติอืมใช่ไหมคะค่ะมันมันไม่ใช่ธรรมชาติพี่เข้าใจก่อนหลักของมันคือรู้ตามความเป็นจริง ความเป็นจริงเนี่ยคือมันไหลรู้ว่าไหละถ้าพี่รู้ว่าไหลมันจบตรงไหลแล้วแต่ตอนนี้ของพี่ไหลปุ๊บเนี่ยมันดึงกลั บ, บม า, มาใช่มันจะดึงกลับมาตรงเนี้ยดึงมาค่แต่ด้วยตรงนี้มั่งใช้โฟกัสตรงนี้ดึงกลับมามั่งอ่าอันนี้คือเราจะทําให้รู้สึกตัวเหนื่อยไหมใช่ค่ะอ่เพราะนั้นพอถ้าเราวางใจ ว่าเราลงมือปฏิบัติเพื่อเอารู้สึกตัวเราต้องทําทุกวิธีทางนในแล้วแต่ว่ากูโซลบายของแต่ละคนจะมีเทคนิคมากน้อยอยังไงให้รู้สึกตัวเช่นบังคับด้วยวิธีนี้บังคับด้วยการเอาพุทโธไว้ตรงนี้ะนะคะแต่ถ้าระาวาังใจให้ถูกว่าการปฏิบัติเราเนี่ยในครึ่งชั่วโมงใน15นาทีที่เราจะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ตามยกมือหลวงพ่อเทียนก็ได้เนี่ยคือเวลาที่เราจะมาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายและใจความเป็นจริงคือมันไหล เราจะไปรู้ทันว่าไหลเราไม่ได้ทำยังไงว่าเฮ้ยไม่ให้ไหลหรือไหลไปแล้วดึงกันกลับมา <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ค่ะเรารู้ว่าไหลมันจบลงตรงไหลแล้วมาเริ่มใหม่ค่ะ <c oughs> แต่นี้ของพี่เนี่ยพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ใช้ตัวไหนเลย <c oughs> ขอ้อเท็จริงมันใช้นะคะใช้ตัวเนี้ย <c oughs> เป็นตัวกากับใช้ตรงโฟกัสตรงเขารู้ปุ๊บดึงมันกลับมาด้วยตรงนี้เหมือนสวมสวมมวกกันเนาะค่ะค่ะ ทำไมถึงทําวิธีนี้ล่ะคะไปสํานักไหนมาหรือเปล่าหรือว่าทําเองอะงั้นเราแนะนําใหม่นะไม่คะคือฝึกกับลุงพ่อลุงพ่อบอกว่าฮะคเปิดขอฝึกกับลุงพ่อประโมณเหรอใช่ค่ะจะไปประจํำก็บอกว่าดูจิตก็คือจิตมันก็ต้องเดี๋ยวนะคะเอที่ว่าใช้จิตนะคะอ๋อดูจิตคือจิตไม่มีที่ตั้งนะคะก็เลยคิดว่าจิตไม่มีที่ตั้งเวลามันออกไปมันก็กลับมาเวลาไปแต่คราวนี้ของพี่ตั้งไว้ตรงนี้เลยไงคะ พี่เอาจิตอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเพราะนั้นกลับไปต้องดึงกลับมาตรงเนี้ยไปแล้วต้องดึงกลับมาตรงเนี้ยอื ม, <ะ>อมธรรมชาติของจิตมันไหลมันจบตรงตรงไหลไปแล้วอื ม, อมนะคะมันมันไม่ต้องดึงกลับมาถ้าเราดึงคือการบังคับหรือการเพ่งในที่สุดอืมคะ่ะแต่เวลาถ้านั่งปกติฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยแค่ไหนคะก็สามีเปิดนะคะก็ฟังฟั<ล>งฟั<ล>งไปด้วยกันฟังไปด้วยกันค่ะฟังวันหนึ่งนานไหมคะ ก็นานนะคะค่ะนานทั้งเท่าไหร่คะทั้งวันหรือเปล่าบางบ้านก็เปิดทั้งวันเลยนะเราตกใจมากอ๋ออ๋อไม่ค่ะค่ะแค่ช่วงประมาณสักสองชั่วโมงอะไรย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ฟังของปฏิบัติแบบที่ฟังสีดีหลวงพ่อมานานกี่ปีแล้วคะแล้วก็ก็หลายปีเหมือนกันนะคะหลายปีก่อนหน้าเจอหลวงพ่อก็ไปที่ไปหลายที่เนาะไม่ใช่ค่ะไปค่ะคุณแจ๊คนะคะไปไปกาสลจตุตถ์นะคะค่ะ ก่นหนก่อนหน้าฟังของหลวงพ่อหรือปฏิบัติตามหลวงพ่อเนี่ยมีที่อื่นไหมคะเริ่มต้นเมื่อก่อนก็ลหลวงอาโอเคไม่ได้เอ่สจ<ม>ำนักแต่เคยใช่ไหมคะเคยค่ ะ, คะอันนั้นเขาปฏิบัติแบบไหนคะสมาติเออสมาธค่ะอ่าโอเคอันนี้มันติดมาจากของเกา่าที่เราเคยมีความรู้ความเข้าใจแบบนั้นนะคะวันนั้นมันต้องใช้เวลานิดนึงนะค ะ, คะอันนี้ให้รู้ทันก่อนค่ะคราว น, นี้คืออันนี้ รูปแบบของของของคุณคือตอนนี้ไม่ใช่เป็นการทํารูปแบบใช่ไหมแต่เป็นการรู้สภาวะจิตใช่ไหมใช่อ่ะโอเคการที่เราทําความรู้สึกว่ารู้สภาวะจิตเนี่ยนะคะเรามีตัวเนี้ยเป็นตัวที่บังคับให้มันกลับมาอยู่ที่ร่างกายครานี้การวางใจของเราเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้รู้สึกตัวนะค ะ, คะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางใจว่าเราเอารู้สึกตัวสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยก็คือถูกต้องตามที่เราตั้งใจไว้แต่ถ้าหลักเนี่ยไม่ใช่หลักคือมีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือรู้ตามความเป็นจริงมันนะค ะ, คะอะไม่ได้ว่าต้องมีสติเพราะเราจะไปดูว่าอ๋อจิตขนาดนี้ไม่มีสติต่างหากทันทีที่เรารู้ลงปัจจุบันขณะว่าจิตมันไม่มีสติความไม่มีสติดับจิตตั้งมั่นมีสติเรียบร้อยแล้วมีสภาวะของสมาธิที่ประกอบด้วยความตั้งมัน่นเรียบร้อยเลยในหนึ่งขณะที่เรารู้ไปนะคะทีละขณะขณะสิ่งเหล่านี้เรามีสมาธิรองรับที่เราเรียกว่าคณิกาสมาธิ ไม่ใช่ไม่มีสมาธิรองรับนะคะมีสมาธิรองรับแต่เราเดินด้วยปัญญานำสมาธิเพราะเราไม่สามารถทำฌานได้ในยุค ข, ของพวกเรานะค ะ, คะเราเลยต้องใช้ปัญญานำสมาธิค่ะอันนี้พี่ต้องวางใจใหม่เนาะค่ะเนาะว่าจิตจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องบังคับกับมาที่ตรงนี้ค่ะดูอย่างที่เขาเป็นคราวนี้รูปแบบทำไหมค ะ, คะมีทำสมาธิหรือเดินจงกรมอย่างอื่นไหมคะเดินจากอนี้เวลาเดินนะคะก็เดินปกติค่ะแล้วก็ จิตก็อยู่ที่ตัวว่าเราเดินรู้ตัวว่าเราเดินค่ะค่ะอันนี้เป็นรูปแบบไหมคะก็เดินไปที่ไหนก็รู้ตัวว่าเดินอ๋อโอเคก็คือเดินรู้ตัวในชีวิตประจำวันใ่คแต่ในรูปแบบเนี้ยไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตมันจะไม่มีกําลังนะคะถ้าเราไม่ไม่ซ้อมในรูปแบบในทั้งวันสักวันหนึ่งวันละ15นาทีจิตมันเหมือนมือถือนะพี่มีมือถือมไหมปกติมีมีค่ะเวลาพี่เข้าบ้านเสร็จพี่ต้องทําอะไรกับมือถือมั้ยชาร์จแบบ จิตรังเหมือนกันแล้วพี่กลับมาพี่ไม่ชาร์จแบตเลยนะคะวันรื่งขึ้นก็เริ่มโทรหาใครไม่ได้คนก็โทรหาเราก็ไม่ได้เพราะจิตมันเริ่มเหลือสิบเหลือสิบเองนะเหลือสิบเซนตคุยไม่ได้นานนะพอวันลื่งขึ้นเหลือห้าแล้วนะเออพอไม่ชาร์จอีกหมดแล้วอ่ะตอนนี้คุยกับใครก็ไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องเพราะเราเริ่มไม่มีสติละเพราะกําลังเราไม่พออืสมาธิเราไม่พอตรงนั้นนะคะมันจําเป็นค่ะจําเป็นนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะ เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะจะให้ดูว่าว่าว่าโอเคโอเคไหมตายแล้วหลวงพ่อบอกห้ามถามคำถามนี้แล้วเราว่าโอเคไหมตัวเราต้องโอเคไหมก่อนตอนนี้ทำรูปแบบอะไรคะแบบลองทำสมาธิไหมคะทำแบบไหนเอ่ยบ้างบ้างบ้างโอเคเดินจงกรมค่ะเดินจงกรมเดินแบบไหนเอ่ยบางครั้งก็นั่งดูลมบางครั้งก็นั่งดูลมค่ะ หอาทิตย์ที่ผ่านมาเอาแค่หนึ่งอาทิตย์เจวันนี้ทํำไหมคะในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาทําอะไรคะเดินจงกรมเดินจงกรมเดินแบบไหนรูปเคลื่อนไหวไหมหรือว่าเดินแบบขวาซ้ายหรืออะไรยังไงก็เดินแบบนี้รูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู ค, คือถ้าเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยรูปแบบเราไม่ไม่ทําต่อเนื่องจิตจะไม่มีกําลังแบบนี้ยพอจิตไม่มีกําลังมันไม่เห็นอะไรแล้วนะ เรารู้สึกว่าเรารู้ได้ข้อที่จริงคือมันมันรู้ไม่ได้ละลองดูสิลองดูความดูจิตเข้ามาสิว่ามันเข้ามาได้ไหมที่หลวงพ่อจะใช้คําว่าจิตถึงฐานไหมจิตเข้าบ้านไหมลองดูสิคะมันเข้ามาได้ไหมลองดูจิตเข้ามาเห็นได้ไหมมันอยู่แค่ริมรัว้วได้ไหมคะเห็นไหมมันเข้าบ้านไม่ได้หรือไม่เห็นอะไรเลย <laughs> อย่ากเกรงใจไม่ไม่ไม่เข้าอ่าไม่เข้ามันอยู่แค่หน้าหน้าประตูบ้านหน้ารั้วเลยอ่ะประตูก็ยังเข้ามาไม่ได้ ประตูอันนี้แหละค่ะงั้นลองหายใจเข้ามาทำความความความรู้สึกตัวเข้ามาหายใจลึกๆแล้วพ่นออกไปสักสามครั้งค่ะหายใจไม่ค่อยสบายรู้สึกไหมเรายังหายใจไม่ค่อยสบายนั่งให้สบายกว่านี้ไหมเออใช่เห็นจิตไหมมันคลายอืมอ่าเห็นไหมจิตที่เบิกบานเป็นแบบนี้จิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นแบบนี้อืมไม่ใช่จิตที่เคร่งเครียดอันนี้เข้าไปละเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มซึมซึมเข้าไปนิ่งๆ แน่นน่นเพราะมั น, น, นจะคอยดูใช่เรารู้ก่อนว่าตรงนี้คือจิตเวลามันเปลี่ยนอะไรไปเนี่ยแล้วถ้าเราสังเกตได้เราจะได้ประโยชน์เยอะเราจะเห็นเลยอือตอนนี้มีวัตถุประสงค์ในการภาวนาเพื่ออะไรเราถามตัวเราก่อนอยากรู้แจ้งบ้างด้วยตัวเองโอ้ ย, ยงั้นต้องเป็นพราปัดเจกนะไม่ไม่เอาแค่อยากสัมผัสรู้รู้ทันความอยากไหมถ้าเราไม่รู้ทันความอยากโลภะเอาไปกินแล้ว จิตขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วเนาะกิเลสมีสามตัวแค่นั้นนะคะโมหะโลภะโทสะอืมถ้าเราพนานด้วยความอยากเราจะไม่มีวันได้เห็นเลยค่ะเพราะจิตขนาดนั้นมันอยากใช่ละเหมือนคนอยากบรรลุได้บรรลุไหมไม่มีวันบรรลุเลยเพราะคุณอยากซะก่อนแล้วอืมแม้กระทั่งจิตเนี่ยที่มันข้ามก็ไปถึงโคตรภูญานเนี่ยถ้ามันมีความอยากนิดเดียวมันก็เด้งออกมาละออืมเนาะเพราะฉนั้นถ้าเราอยากตรงนี้เรารู้ทันความอยากก่อนอืม ความอยากมันก็จะทำให้เราไม่สามารถเห็นจิตได้นะเมื่อไรถ้าเราอยากเนี่ยจิตจะไม่ทำงานถ้าเราไปดักรู้นะเวลาเราดูจิตนะคะนักภาวนาเนี่ยหลวงพ่อสรุปออกมาให้นะคะก่อนรู้อย่าตั้งใจรู้รู้แล้วอย่าถล่ารู้แล้วจิตนั้นยินดียินร้ายให้รู้ตา ม, มนะคะเพราะนั้นถ้าเราไปดักรู้อย่างเงี้ยเราไปตั้งใจรู้เราจะไม่เห็นจิตที่ทำงานเลยเรามีหลายสานักไหมเรามีฝึกหลายที่ไหม ไม่เลยฟังหลวงพ่ออย่างเดียวหรออ่านหนังสือเยอะไหมคะอ่าอันนั้นแหละคือหลายสํานักเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะได้แค่ความรู้นะถ้าในชาตินี้เราทําอย่างนี้ไปเราก็ยังได้ความรู้แล้วก็เทียบเคียงไปเรื่อยเื่อแล้วสุดท้ายความจํานี้ก็หายไปอพอหายไปเสร็จเราเราไม่รู้เราจะเดินยังไงต่อเพราะเราเราไม่รู้หลักของการภาวนาอ่านมาเยอะแล้วตอนนี้เลือกสักที่หนึ่งสิทุกที่มีดีนะคะถ้าเราทำหนึ่งถึงร้อยของเขา แล้วในที่นั้นก่อนเราเข้าไปว่าเราจะหนึ่งถึงร้อยเนี่ยเหมาะกับเราเหมาะกับเราแล้วทำหนึ่งถึงร้อยไปเลยนะคะแต่ถ้าเราบอกเอา้าอันนี้ฉันก็ว่าชอบใช่ดีถูกรวมหมดรวมมิตรเลยไปไหนไม่ได้เพราะเวลาลงมือปฏิบัติจิตเนี่ยเป็นอนัตตามากนะคะมันปุบปๆ บ, บ, บเลยอะ่ะมันเปรียบเทียบกันเรียบร้อยเลย<ม>เอออันนี้แบบนี้เหรอองค์นั้นเขาว่าอย่างนี้นะจิตก็งงๆแล้วอ่ะพอพรุ่งนี้ทา อ่ะมันเป็นอย่างนี้โอ๊ยไม่ใช่ต้องอย่างนี้สิอ่ะจิตก็งงไปอีกแล้วสุดท้ายเราได้งงกับซื่อบื้อไปเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วเราเดินต่อไม่ได้เลยนะคะอันนี้เรื่องจริงๆนะแต่ถ้าเราชอบอันนึ่งเราเอาอันหนึ่งเลยอืมเราอันหนึ่งเลยแล้วเดินเลยสองอาทิตย์ผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปเราวัดด้วยตัวเองได้เหมือนเมื่อยังเมื่อกี้เนี่ยอคุณเขาบอกเนี่ยเออเห็นแล้วเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเนี่ยถึงบอกว่าอ่านแทบตายฟังแทบตายถ้าลงมือนะสมมุติเราอ่านแล้วเข้าใจ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถึงเวลาลงปฏิบัติก็จะเอาสงบแหละก็จะเอานิ่งแหละพระเจ้าสอนแบบเนี้ยเนาะพระเจ้าสอนอย่างเนี้ยเราทําแบบเนี้ยแล้วจะรู้ตามรู้เห็นอย่างที่พระเจ้าสอนเราได้ไหมอ่ะไม่ได้นะคะมันเหมือนทางอะไรอน่ยเคยไปพัทยาไมไหมเดี๋ยวนี้เขาก็มีบายพาสเนาะอ่าเขาก็มีสายในกับมีมอเตอร์เวย์มัเหมือนเราพระเจ้าสอนมอเตอร์เวย์ไปเนาะเราก็เดินข้างในอย่างเนี้ย เราเห็นไหมเห็นพระเจ้าสอนมาเห็นแต่เจอกันไหมไม่เจอแน่นอนอืมพระเจ้าสอนให้รู้กายมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอืมให้รู้แต่เราไม่รู้เราจะทําอำเนาะพอเราทําเราก็จะไม่เห็นรู้ตามที่พระเจ้าสอนเราได้เลยค่ะถึงเวลาที่เรารู้หลักแล้วนะคะเราลงมือปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราต้องวัดคือว่าเอ้ยหลักมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในทุกๆวันที่เราทําเนี่ยมันตรงกับหลักจริงไหมถ้ามันตรงกับหลักจริงเนี่ยมันรีบบอกเลยอย่าง ที่คุณเห็นเนี่ยเห็นเดี๋ยวเนี้ยเห็นเดี๋ยวเนี้ยมันไม่ต้องไปเห็นตอนไหนเลยอ่ะเออมันแจ้งตั้งแต่วิตาทีนี้เลยอ่ะมันเบาใช่จิตที่เบาเนี่ยคือเบามันมีหลายอย่างแต่เบาแล้วรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกไหมคะไม่ใช่เบาล้ไม่กอดเลยโอ้อันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้มีบางคนเขาบอกก็มันเบาเหมือนกันคือคนที่ติดโล่งว่างเนี่ยแก้ยากกว่าคนที่ติดเพ่งนะคะอืมเพราะโล่งว่างในวันสบายอ่ะมันเบาด้วยอ่ะ แต่เราจะเห็นชี้ยังไงให้เขาเห็นว่าไอ้ที่เบาเนี่ยมันมันไม่ใช่เบาถูกต้องนะมันก็ต้องมาชี้กันอีกเบาถูกต้องค่ะพี่เห็นไหมพี่รู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกไหมอ่ามันไม่รู้อยู่ตรงไหนจิตไม่รู้พี่ดูสิที่นั่งมาเนี่ยจิตตั้งมั่นทีละขณะขนาดรู้สึกไหมเนี่ยปัญญาเดินอยู่ขันมันแยกพี่เห็นขันใช่ไหมขันแยกพี่เห็นไหมว่าตัวอะไรพ้นพยักหน้าแล้วมันเห็นจิตที่มีตัวรู้ไปเห็นตัวตัวนี้พยักหน้าเนี่ยขันแยกล้ขันแยกตรงนี้ แวบขณะนี้เลยนะคะมันขึ้นวิปั ส, สนาญาณยันแรกเลยที่เราเรียกว่านามรูปปริเฉตญาณ น, นี่เราเทียบได้เลยนะคะเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยเราเอาหลักทาาไปเลยเออนี่ไงมันต้องแยกรูปแยกนามได้อะก่อนหน้านี้เราไม่เข้าใจดูกระจกก็เป็นใ ย, ยมะลีแล้วมันจะแยกรูปยังไงแยกนามยังมันมึกไม่ออกแต่วันหนึ่งเห็นไหมพี่นั่งสบายๆเออตัวอะไรไม่รู้มันก็พยักหน้าของมั น, นนี่ก็รู้ไปจิตก็มีความสุขเห็นไหมคะมันแยกขันหมดแล้ว啊 รูปนามเวทนาสัญญาสังขารบัญญาตมันแยกของมันเห็นไหมเอออย่างเงี้ยพี่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจิตมันเดินละเดี๋ยวปัญญามันเดินเป็นรอบๆบพี่เห็นได้ไหมตอนนี้จิตมันทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะพี่เห็นปิติไหมอ่ะอืมจิตมันจะเดินแบบนี้นะคะวันหนึ่งเนี่ยที่เราใช้คําว่ารู้แจ้งนะเออมันไม่รู้จะหมายรู้ว่าอะไรมันไม่รู้ว่าจิตมันมันพูดอะไรแต่มันรู้ว่ามันทํางานบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแต่เราไม่เอาปิติครอบพี่รู้พี่วางเลยค่ะไม่เป็นไรพี่รู้ทันปิติเลย ทุกท่านปิติไม่ให้มันครอบถ้าจิตไม่ครอบเห็นไหมมันตั้งมั่นขึ้นมาเห็นไหมปิติก็ดับไปเออเห็นไหมปิติไม่ใช่เราเราจะเห็นเกิดดับอย่างเงี้ยการที่เราเห็นเกิดดับคือเราเห็นไตรลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นกลับไปดูใหม่ว่าจะเอาสายไหนก็เอาสักอันหนึ่งเนาะแล้วเราลองดูเนาะหรือว่าเพื่อนเราในกลุ่มมีหลายแบบหรือเปล่ามันก็เลยต้องเดินกันหลายๆทางนะเชิญค่ะใครอยากถามเชิญนะคะเหลืออีกสิบห้านาที เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งให้โซนนี้ก่อนเอาคนที่เขาตั้งใจมาก่อนนะคะส่วนท่านที่มาฟังแล้วอยากถามเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามีเวลาเราจะเปิดให้นะคะเอาที่ท่านที่อยากถามเชิญค่ะขอแค่เพยดียวค่ะได้เลยค่ะเพ่งหรือเปล่าคะตเพ่งหรือเปล่าน่ารำว่าเพ่งไหมสำคัญเราต้องรู้ตัวเองเราได้นะคนอื่นช่วยเราไม่ได้หรอกแล้วไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราเองเราสังเกตไหมเรามีน้ำหนักไหมตอนนี้ทํารูปแบบอะไรคะแค่รู้ตัวอ๋อไม่ได้ไม่พอต้องทํารูปแบบจริงๆเนาะ ถ้าเราคิดว่าเราจะพ้นทุกข์นะอืมอย่างน้อยสวดมนต์ได้ไหมในแต่ละวันอ่าอย่างน้อยต้องสวดมนต์บ้างนะคะแะหารูปแบบเล่นๆอนะ่ะสิบห้านาทีบางทีเราคุยโทรศัพท์อย่างมากกว่าสิบห้านาทีเลยเนาะสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยเราทําเพื่อตัวเองเนาะไม่มีใครได้กับเรานะอืมแต่ถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ช่วยตัวเองแล้วอ่ะไม่มีใครช่วยเราได้อืมนะคะหารูปแบบให้เจอว่าชอบแบบไหนเชิญค่ะแจ็คครับสวัส<อ>ดีครับ ก็รู้สึกว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยเพ่งเท่าไหร่ครับอืแต่ตอนนี้ยเพ่งอยู่อื ม, มันเพ่งนิ่งๆ ร, รู้สึกไห ม, อมพอเนิ่งๆมันจะซึมพอซึมต่อไปอะอะไรที่จะเกิดตามหรือไม่มันขี้เกียจมันจะเริ่มมีอาการขี้เกียจไม่อยากภาวนาเพราะมันไม่สดชื่นมันไม่เบิกบานธรรมชาติจิตทุกดวงนะคะไม่ได้ต้องการที่จะไปนิพพานนะธรรมชาติจิตทุกดวงเนี้ยทายังไงก็ได้ให้มันจิตมีความสุขให้ร่างกายนี้มีความสุข มันจะทําทุกอย่างที่จะเซิร์ฟสองตัวนี้เลยนะคะแต่ด้วยความรู้ความเข้าใจของเราที่เป็นชาวพุทธเรารู้ว่าเออมันมีบร ม, มสุขนะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็ น, ปนยังไงอ่าแต่เราจะรู้ตามพระเจ้าได้ยังไงเห็นตามพระเจ้าได้งไงเราต้องมาศึกษาเพราะศึกษาวันหนึ่งเราลงมือปฏิบัติเราเห็นด้วยตัวเองแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อบร ม, มสุขมันต้องมีจริงๆเพราะจิตขนาดนี้ฉันยังมีความสุขสักขนาดนี้เลยอะ่ะเออแล้วนิพพานมันจะเป็นยังไงล่ะอ่ามันจะค่อยรู้พัฒนา จิตนี้จะค่อยๆพัฒนาตามภูมิรู้ภูมิธรรมของเราไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่ไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมนะคะศีลกับธรรมจะคุ้มครองเรานะคะเมื่อเรามีสติสติมีหน้าที่คุ้มครองอารักษาจิตทุกอันมันมีหน้าที่ของมันหมดนะคะเหมือนท่านที่ดูทุกเนี่ยท่านที่เห็นความทุกหน้าที่ต่อทุกคืออะไรรู้พระเจ้าก็สอนเรานะคะแต่พวกเราเป็นไงเวลาสวดมนต์ไหว้พระไหว้เจ้าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุอันนี้มันเป็นความไร้เดียงสาของพวกเราแต่ก็ขอสักหน่อยหนึ่งไปก่อนเนาะเรายังไม่รู้เราก็ยังอยากได้ตรงนี้อยู่อืมงั้นนั้นอแจ็คกลับมาตรงนี้มันนิ่งอย่างเงี้ยผมยังอมันจะไปอืมนี่ผ่านไหมครับตอนนี้มันมันเหมือนกับว่ามันอ่ามันเป็นยังไงมันโลกมันดูดได้เหรอโลกมันดูดไปแรงหรือไงมันมันเฉยๆ่ะครับอืมอย่าอย่าตกใจนะคะเส้นนี้เนี่ยเวลาที่เราเดินนะ จิตมันยังกลับกรอกอยู่ทั้งนั้นแหละจนกว่าคุณจะเข้าใจธรรมะเบื้องต้นก่อนนะคะอันนั้นจิตจะแนบกับพระาาราตนะไตรมันจะไม่เบี่ยงเบนเลยแต่วันนี้นะทุกข์มากๆเครียดมากๆกุมใจเยอะๆฉุดมันไหว้พระก่อนว่าปฏิบัติไปก่อนช่วงนี้ก็ดีเลยครับไปเลยครับเดืนอน2อเดือนพอมันมีความสุขหน่อยแล้วไปไหนแล้วไม่รู้อ่าก็ไปคลุกกับโลกอยู่อ่าเดี๋ยวมีอะไรปุ๊บก็สมสารกลับเข้ามาใหม่พวกเราจะเป็นกันอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือไง ออนออฟใช่ไหมทํามะเราก็ได off, ออนออฟอ่ะพอปลูกส้มได้ส้มปลูกมะม่วงได้มะม่วงแน่นอนอะนะแต่ถ้าบอกเฮ้ยเราทําแค่นี้เราจะเอาแค่นั้นมันไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งนะคะคุณเข้าใจหลักลงมือปฏิบัติแล้วถูกต้องตามหลักคุณพิสูจน์ได้ตัวเองสิ่งที่คุณจะได้มาคือฉันทะชันท ะ, ช, นทะชันทะคืออะไรมันเพียรทําแต่ไม่ได้หวังผลแต่ถ้านักภาวนาทั่วไปทําแค่นี้ยเอาแค่นี้เจอไหม ไม่เจอหรอกเพราะวันหนึ่งเธอไลายกับแชทอยู่ตลอดเวลาแล้วเธอบอกว่า mm. เฮ้ยฉันมาเดินจงกรมทุกวันเหมือนกันนะ15นาทีแต่คุณไปไลน์กับแชทสองชั่วโมงเนี่ยถามว่ามันภาวนาตุ่มรั่วจะเจอไหมอ่ะไม่เจอเลยอะค่ะอืมเนะเพราะนั้นแจ็คดูตามความเป็นจริงมันนะอายุทุกคนไม่ได้บอกว่าจะตายเมื่อไหร่เนะสังขารเสื่อมถอยอยู่แล้วใครบอกว่าแกแล้วค่อยมาภาวนา โหเดินไปวัดก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ยังดีเปิดตรงไหนเราก็ยังมีธรรมะให้เราได้ฟังให้เราได้ชื่นชมครูบาอาจารย์ให้เราได้กรบบาบไหว้ได้นะแต่สังขารที่จะเอามาเดินจงกรมนั่งนานๆก็เมื่อยแล้วอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเห็นท่านทั้งหลายในนี้ยังมีละอ่อนเยอะนะคะก็เลยบอกว่าหนุ่มสาวอย่าประมาทนะคะคิดว่าแก่แล้วค่อยภาวนาสังขารมันไม่ไม่พอที่จะให้เราภาวนาได้เต็มๆนะ เออหมือนที่หลวงพ่อจะสอนเนี่ยค่ะเอาเวลาเราไปไหว้พระเราจะเอาดอกไม้ที่สวยที่สุดงามที่สุดไปดกราบพระเราปฏิบัติบูชาทุกวันเนาะเราเอาช่วงวัยที่เรายังแข็งแรงนี่แหละรีบทําถวายพระเจ้าถึงวันหนึ่งเราไม่ได้แล้ว่ได้แต่หมอบอยู่บนเตียงก็พุโทโธดูลมพุโทโธดูร่างกายไปแล้วนะคะจะคิดอย่างนี้คิดเป็นมรณานุสติอืมชาตินี้ได้อะไรไปได้ยัง ยังยังยงออแล้วเราจะประมาทได้ไหมกลับมาก็ทุกแบบนี้อีกนะเออแล้วสาหัสแล้วชาตินึงคุณรู้ไหมว่าผ่านไปแล้วเนี่ยคุณจะเจอครูบาอาจารย์อีกทีเมื่อไหรอะ่ะไม่รู้เลยนะเกิดบังกับไม่มีพระเจ้าอุบัตเราเรียกว่าศูนย์กับอืมจะทํำยังไงแล้วเราจะไปอยู่ไหนเนาะวันนี้ถ้าเรามีเส้นทางแล้วเราอ่ะต้องบอกว่าทําบุญมาเยอะทําบุญมาดีถึงได้เกิดประเทศไทย ที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยครบถ้วนทั้งปริยัตและปฏิบัติไอ้ข่าวเงินทอนทุกวันนี้ที่เราฟังก็ทอนก็ถูกหูไปเหอะเนาะมันก็คือกิเลสพอวันหนึ่งคนบวชเนี่ยคุณหอมผ้าเหลืองเลยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเนาะถูกไหมหอมผ้าเหลืองแค่อาคุณเปลี่ยนจากปุถุชนเนี่ยอาเป็นวัาเพนเพศสมณะแต่ถามว่าได้ได้ปฏิบัติอย่างที่พระธรรมวิานัยบัญญัติไปหรือเปล่าเนาะ อันนั้นเป็นเรื่องของท่านเนาะแต่เราชาวพุทธเราไม่วันไหวหรอกครั้งพุทธกาลเรื่องเหล่านี้มากมายเหมือนเดี๋ยวนี้แหละอืมนะคะเพราะฉนั้นถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆจิตไม่ตกหรอกเพราะรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ใช่พระตั้งแต่แรกแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ก็เป็นแค่คนหนึ่งเอาผ้าเหลืองมาคล้องค อ, งองแค่นั้นนะคะอุบาสกอุบาสิกาต้องแข็งแรงนะคะพระเจ้าฝากพระเศาสนาไว้ภิกษุยังมีนะคะแต่ที่พระเป็นพระจริงๆยังมีไม่ใช่ว่าไม่มีนะที่เราเห็นเนี่ย ไอ้ไม่ดีมันถึงเป็นข่าวเนาะที่ดีเราไม่เห็นนะคะแล้วที่ดียังอีกจํานวนมากมายนะคะที่เรากราบไหว้ได้นะคะพิษุนีไม่มีแล้วอุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราถ้าตราบใดนะคะเรายังไม่ทิ้งการปฏิบัตินะคะเรายังไม่ถึงการเจเริญสติโลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์พระเจ้าท่านตรัสไว้สิ่งที่พวกเราทําอยู่ทุกวันนี้นะคะลงมือปฏิบัติลงมืออะไรคือการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทุกคนสําคัญหมดนะคะ ชาพุทธน้อยเต็มทีนะในโลกใบนี้เราคือส่วนหนึ่งของชาพุทธที่จะสืบทอดพระศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาด้วยร่างกายเราเนี่ยจิตใจเอากายกับใจเราเนี่ยปฏิบัติถวายนะคะอันนั้นเราใช้ตัวเนี้เป็นตัวช่วยเรานะแจ็คเออช่วยไปแจ็คเห็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกมันโลกมันเป็นอย่างนี้นะโลกมันเป็นอย่างนี้คืออะไรจากปัญหาหนึ่งก็ไปสู่ปัญหาหนึ่ง ของพี่เองพี่ใช้ว่าจากปัญหาแล้วปัญหาเล่าในแต่ละวันมันไม่เคยหมดเลยค่ะปัญหาในโลกใบนี้เพราะเราอยู่กับสิ่งที่มันไม่เคยหมดเพราะคนมันไม่เคยพอเราก็ไม่เคยพ อ, อกิเลสมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่วันหนึง่งถ้าเราเดินเส้นนี้เรารู้มันมีวันที่จบมันวันที่หมดภาระแล้วถามว่าโดยอายุขนาดนี้ร่างกายขนาดนี้เราจะเลือกอะไรเราเป็นคนเลือกนะ เส้นทางเดินเราเป็นคนเลือกอืมไอ้กรรมเอ่ยวิบากเอ่ยอันนั้นเรื่องของมันอะ่ะเออก็ว่ากันไปอืมแต่เราอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดรู้ปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะโอเคใครมีอะไรจกถามไหมขอบคุณครับครับแล้วรูปแบบทําอะไรอะ่ะแจ็คเดี๋ยวก่อนสี่อย่าเพิ่งผ่าน<อ>รูปแบบทําอะไรอยู่เออด<ท>ินชมกลมหรือนั่งสมาธิมันนั่งส่วนมากเป็นนั่งสมาธิอ่านั่งแบบไหนสมากเป็นนอนครับ นอนไม่น่านอนมันก็จะยากนะคือเตียงเนี่ยไม่เหมาะกับการทําสมาธิเลยค่ะเพราะมันมีโมหะพลังโมหะเยอะคือคือช่วงก่อนเนี่ยผมจะฟอกไตแล้วมันใช้เวลาสี่ชั่วโมงโอโอเคผมก็เลยมันจะต้องอยู่ในท่านี้เยอะโอเคถ้าอย่างนั้นต้องต้องใช้ท่านี้ผมก็เลยคิดว่าผมควรจะฝึกท่านอนเอาไว้เพื่อให้ถูกต้องเพื่อให้อีกหน่อยมันเจอสภาวะนี้อีกมันจะต้องคุ้นเคยกับได้ ถ้างั้นสี่ชั่วโมงเราให้มันเป็นประโยชน์เนาะครับครั บ, รบเห็นร่างกายมันนอนกับอืนเวลาที่เรานอนเนาะเห็นร่างกายมันนอนสมมุติถ้ามันอึดอัดหรือมันเจ็บตรงไหนอะไรที่เราขยับแขนโดนเข็มอะไรกันเรารู้ไปอ่าเราเห็นเราเห็นจิตที่มันไหลไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยของแจ็คดูตรงไหนคะดูทั้งกายครับดูทั้งกายเอาทักที่หนึ่งตอนนี้นะคะถ้าดูทั้งกายเนี่ยจิตจะไม่มีกําลังแบบเนี่ยแม้ว่าคุณจะดูได้นะ ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะสังเกตร่างกายว่าเออ่มันจะเกิดกันที่ว่ากระดิกนิ้วเท้าอืมันจะกระดิกเองได้มันจะกระดิกของมันอืใช่อย่างนี้ก็ได้แต่อย่าเพ่งที่นิ้วเท้าตอนนี้รู้สึกไหมพอมันไหลไปมันจะไปกดไปตรงนั้นเลยเออพอมันกดไว้เลยอันนี้เราเพ่งละอืมนะคะวางใจให้ถูกเราจะเรียนรู้ร่างกายนะคะแต่ตอนนี้พอมันไปอยู่ตรงนิ้วเท้าเนี่ยเราเห็นก่อนว่ามันเพ่งนะคะจะเห็นว่ามันเพ่งก่อนอ่า เห็นว่ามันอึดอัดก็ได้ไม่เห็นเพ่งนะคะเห็นแล้วรู้สึกเราขยับนิ้วแต่ทําไมตรงกลางหน้าอกเราอึดอัดเรารู้ทันก่อนพอเรารู้ทันเสร็จปุ๊บเนี่ยความอึดอัดนั้นน่ะจะดับนะคะเราก็กลับมาเห็นร่างกายปกติได้อื ünk. คราวนี้เดี๋ยวฝึกอันหนึง่งลองดูนะคะเดี๋ยวกลับไปลองดูนั่งตรงเนี้ก็ทําได้เหมือนเมื่อกี้คุณแม่ทําเนี่ยนะคะเห็นร่างกายนี้มันนั่งอยู่แทนนอนอะ่ะสมมตินะคะเราเห็นเลยหายใจออกไปนิดนึงอ่าแล้วเราเห็นร่างกายนี้หายใจเข้า ร่างกายในหายใจออกอันนี้บังคับลมอ่ายิ้มหวานก่อนแจ๊แค่รู้สึกก่อนปกติหายใจยังไงอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมปกติเราหายใจแบบนี้อ่าเห็นยังอ่าโอเคกลับมาเริ่มใหม่เห็นตัวนี้นั่งก่อนอืมตัวนี้นั่งต้องสบายก่อนเมือนแม่เราอยู่บนเตียงนะคะรู้สึกตัวสบายก่อนเอออืมเห็นร่างกายนี้มันสบายก่อนใช่ต้องยิ้มหวานแบบเนี้ยเออเห็นใจอย่างเงี้ยนั่งสบาย พอสบายเสร็จอ่ะจ็หายใจออกไปนิดนึงอ่าแล้วเห็นร่างกายนี่หายใจเข้าร่างกายนี่หายใจออกเราเป็นคนดูถ้านี้เนี่ยจะนั่งจะนอนจะเดินอาบน้ําเห็นได้หมดเลยค่ะถ้าเราฝึกนะคะมันบังคับแจ็คเห็นไหมอ่าเห็นก่อนตอนนี้ดูก่อนยิ้มหวานก่อนแจ็ครู้สึกก่อนว่าแจ็คอยากรู้สึกตัวอ่ารู้ทันตรงนี้ก่อนอันนี้คือความอยากของเราพอเราอยากปุ๊บเราลงมือพอเราลงมือปุ๊บร่างกายมันก็จะทําอย่างที่เรารู้สึกเลยใจเป็นนายกายเป็นเบาว ใจมันบอกอยากรู้สึกตัวมันบังคับร่างกายทันทีอืมเหมือนเราเป็นไงใจอยากกินเอ็มเคมันพาตัวเดินไปร้านเอ็มเคถูกไหมอันนี้เหมือนกันเลยใจอยากรู้สึกตัวปุ๊บเราบังคับเลยเพอหายใจจะไม่ปกติละอืมเพราะฉะนั้นแจ็คแค่ทันรู้ความรู้สึกเราความรู้สึกของจิตใจแล้วว่าอ๋อเราอยากรู้สึกตัวแค่นั้นแหละอ่าแล้วกลับมาดูร่างกายใหม่เห็นไหมมันโล่งเลยเห็นปะพอเรารู้ทันความอยากเนี่ยมันโล่งไปเลยแจ็คเห็นความโล่งตรงนี้ได้ไหมคะอ่านี่แหละ เพราะความอยากเนี่ยมันเป็นกิเลสอยู่มันบังคับอยู่ตรงเนี้อืมจิตมันก็อึดอัดอยู่อืแต่ตอนนี้เรารู้ทันปุ๊บเห็นไหมเราไม่ได้เอากิเลสออกเราไม่ได้เอาความอยากออกแต่เรารู้ทันความอยากสัจจะแห่งธรรมะเนี่ยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าเรารู้ลงปัจจุบันนะมันก็ดับอ่ะแล้วก็เริ่มใหม่เห็นร่างกายนี้นั่งอยู่อืมเห็นร่างกายนี้หายใจออกอถูกต้องมันจะบังคับนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะมันคุ้นเคยจิตมันเคยกับการบังคับ แต่มันสบายขึ้นแจ็คเห็นได้ไหมคะเห็นไหมเออฝึกแบบนี้นั่งตรงไหนก็ได้นะนอนก็เหมือนกันนอนก็เราก็จะเห็นอย่างเงี้ยแต่เวลานอนเนี่ยทิ่งที่เราจะเห็นตรงเนี้ไม่ค่อยชัดเราจะเห็นท้องค่อนข้างได้ชัดตรงไหนก็ได้ที่เราเห็นได้แต่ต้องสบายพอแจ็คทําไปถึงตรงเนี้มันเริ่มนิ่งเห็นไหมคะอ่าเราไม่ติดนิ่งนะเรารู้ทันความนิ่งนี้ก่อนแหมความนิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้าเฮ้ยเราชอบความนิ่งนี้ว่ะ เห็นไหมใจมันมีความสุขเออมันชอบอะอยากอยู่นิ่งๆแบบเนี้ยเห็นไหมเออเรารู้ทันจิตใจเราเลยเออเราอยากเห็นไหมความนิ่งก็ดับไปเห็นปะมันเคลื่อนไหวต่อนี่แหละเราเรียกว่าลัคนูปนิชานจิตเคลื่อนจิตไหลเห็นไหมมันไหลไปอยู่กับความสุขมันไหลไปอยู่กับความสงบแล้วเห็นหมดเลยแต่ทุกอย่างที่มันเคลื่อนไปไหลอยู่มันดับหมดอืมแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นี่แหละเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายและใจจ็คเห็นไหม เห็นไหมการภาวนาไม่ได้ยากเนี says, says, ่ยด right ูแบบเนี้ยแต่อยู่ที่ว่าคุณอย่าอ่อนซ้อมถ้าคุณอ่อนซ้อมมันก็ลืมไปพอจะกลับเข้ามาใหม่มันต้องจูนอีกอแต่อย่างงี้เราเห็นได้ละแล้วนางนั่งทาได้ตลอดเลยอยู่ตรงไหนก็ได้อพอมานิ่งปุ๊บจําได้เนอะน้อมคิดถึงพุทธคยาอเรารู้ก่อนรู้ทันความนิ่งนี้ก่อนนะรู้ทันความนิ่งนี้ปุ๊บน้อมนึกถึงพุทธคยาก็ได้แม้ใจจะมีความสุขขึ้นมา นี่แหละพอความสุขปุ๊บกลับมาดูร่างกายใหม่หายใจออกนิดนึงแล้วก็เห็นร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกการทําสมาธิเนี่ยมันเข้าออกแบบนี้แหละมันก็จะมีทั้งความสงบแล้วประกอบด้วยความตั้งมั่นไปด้วยกันเห็นอะไรหไหมเกิดอะไรขึ้นถูกต้องเพราะกําลังสมาธิที่คุณอัดมาเยอะๆมันเบรสเป็นเบรอย่างนี้เลยรู้สึกได้ไหมมันเป็นวายเบรชันเราไม่ตามไปนะเราไม่ตามแสงเราอยู่กับกายกับใจเรา รู้ทันความรู้สึกใจเราสงสัยเรารู้ว่าสงสัยใจเราอยากไปเรารู้ว่าอยากไปแต่เราไม่ตามนะอยากตามรู้ว่าอยากตามแต่ไม่ตามกลับมารู้กายรู้ใจเราตัวนั้นนะ่มันเป็นของเล่นเราเดี๋ยวเราปรับตัวนี้ได้ตัวนั้นมันจะขึ้นมาได้เองนะคะตอนนี้เราไม่ไปของเล่นเราเอาของจริงก่อนจริงจริงแจ็ททำมาเยอะนะแต่ตอนนี้ให้มันรู้หลักก่อนพอรู้หลักตรงนี้กาลังทั้งหมดที่ทามา ของคุณเหมือนกันนะกําลังมันจะขึ้นมาเยอะเลยค่ะที่จะเดินปัญญาเป็นรอบๆขึ้นมาได้เพราะขันแยกแล้จ็คเห็นไหมพอขึ้นมาปุ๊บขันมันก็แยกได้อืมนี่แหละค่ะถ้าขันแยกแล้วการภาวนานจะไม่ยากแล้วอโอเคไหมอ่ะสบายขึ้นเยอะแล้วอ่ะอืมโมทนาเชิญบอกว่าผิดก็ทําไปก่อนนะถ้าว่ามันไม่ได้หนักหนานะคะเออแต่ถ้าเพ่งแบบรุนแรงต้องเลิกก่อนค่ะหมดแล้ว ย, ยังคะที่อยากถามอาเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณมาีค่ะคือเพิ่งไปส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อสองเดือนกว่าท่านบอกให้มาดูโทรศัตท์จิตใจไม่แท่มชื่นเบิกบานคือเป็นนักเพลงมาแล้วก็ปกถหัวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าดีขึ้นเพ่งน้อยลงแต่ก็ยังเพ่งอยู่ตลอดเวลาถ้านึกถึงการปฏิบัติก็จะมาเลยปกติใช้ตัวไหนทำห่วคะอนาปนสติค่ะลมอยู่ตรงไหนคะแถวนี้หละคะ จริงๆเรา ร, ร, รู้สึกเหมือนสติจะอยู่ที่หัวเพราะปวดหัวบ่อยมากค่ะจริงๆเนี่ยนะเวลาคุณคุณดูลมเนี่ยนะมันอัดจากลมเนี่ยเข้ามาสมองเนี่ยเปิดขึ้นไปเลยมันไม่ได้ลงมาข้างล่างทักเท่าไหร่นะคะคือร่างกายข้างล่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ร่างกายปัญหาใจอยู่แล้วมันต้องลงมาทางนี้แต่จุดที่คุณโฟกัสเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มาที่สมองเนี่ยมั น, ม, นมันอัดอย่างเงี้ยเข้าไปนึกออกไหมอัดปุ๊บมันก็จะมาที่สมองทั้งหมดอืม เพราะตอนนี้มันจะเอารู้สึกตัวเนาะเอาเยอะเลยค่ะใช่เรารู้ทันสิเอารู้สึกตัวไม่ผิดนะมันผิดตรงที่เราไม่รู้ทันมันนะคะจิตมันอยากรู้สึกตัวก็มันอยากรู้สึกตัวถูกไหมเรารู้ตรงๆเลยค่ะว่าอยากรู้สึกตัวแต่ถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราอยากรู้สึกตัวแล้วเราไม่ดูมันสภาวะนี่จะครอบอยู่อย่างนี้แหละค่ะไม่หายเรารู้ทันเลยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงจิตใจเรามีความรู้สึกยังไงเรารู้ทันมันในความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีแค่ โลภะโมหะโทสะมีอยู่สามตัวเท่านั้นแหละค่ะอืเพราะฉะนั้นเราคอยสังเกตอยู่เนืองๆมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทนให้เราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราละเลยที่จะรู้สิอันเนี้ยจะไม่เห็นเลยค่ะตอนนี้ทําวันละเท่าไหร่อยู่คะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งค่ะค่ะคราวนี้เอาไงดีล่ะเพราะตอนนี้เรารู้ว่าอาัดตรงนี้อ่าแล้วเราปวดตรงนี้อ่าเปยนที่ดูหน่อยได้ไหมล่ะแทนที่จะดูตรงนี้เนาะมาเห็นร่างกายตรงนี้ตรงๆเลย พรคุณอัดลมอะยังไงก็เพง่งหลวงพ่อบอกใช่ไหมคะอืมพออัดลมไปเรื่อยๆยังไงก็เพง่งถ้าดูตรงดูตัวลมตรงๆนะแต่ถ้าเราดูร่างกายแทนเนี่ยมันง่ายนิดนึงมันเห็นร่างกายทำไมเห็นร่างกายง่ายเพราะธรรมชาติจิตเนี่ยกายเนี่ยมันเป็นถ้าหรือครูหาให้จิตอยู่อืมเพราะฉะนั้นพอเรามาดูร่างกายมันดูจิตได้ง่ายขึ้นเพราะดูกายเพื่อมาดูจิตแต่คราวนี้พอเราไปดูลมแล้วเนี่ยมันอัดไปหมดแล้วอะมันไม่เห็นอถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลย กลับมาดูร่างกายก่อนได้ไหมคะมาดูก่อนว่าตัวนี้นั่งอยู่ค่ะให้สบายสบายไหมไม่สบาย ท, ท, ทื่อๆอยู่รู้สึกไหมอ่ะเรารู้ทันทื่อๆอืมเรารู้ทันทื่อๆไม่ได้หมายความว่าต้องทําให้สบายขึ้นมาเรารู้ทันความทื่อนั้นก่อนนิ่งๆเห็นจิตนิ่งๆไหมคะอ่ะเรารู้ทันจิตนิ่งๆเห็นชอบความนิ่งนี่ไหมอ่ะรู้ ต, งตรงๆเลยเราชอบความนิ่งเนี้ยเออเราอยากให้มันอยู่แบบนี้แหละเห็นใจไหมรู้ ต, งตรงๆค่ะหลวงพาะคำเขียนบอกรู้ซื่อๆนะ อรู้ซื่อเลยรู้ซื่ออย่างที่เขาเป็นนั่นแหละอิจฉา ย, ยังได้เลยนะแต่เราไม่ได้ลด อ, ออกไปอืมเราโกรธได้แต่เรารู้ทันจิตใจเราตอนนี้นิ่งอยู่เห็นไหมคะลงไปแล้ววืดอะรู้ทันความนิ่งนี้เลยค่ะปกติทําอาชีพอะไรอยู่คะต้องดูหน้าจออะไรเยอะไหมไม่มีค่ะแล้วแล้วทําอะไรไหมไม่ทำอะไรที่มันนิ่งๆอะไรเนี่ยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยเ อ, อ่ะแล้วจิตตรงเนี้ยเห็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ นานมากแล้วดูโซเชียลเยอะไหมประมาณหนึ่งโอเคเพราะมันเป็นกิจวัตรที่คุณทําอยู่เนืองๆจิตตรงนี้นะที่มันเคิมลงไปอย่างเงี้ยคือความความเคยชินที่เคยทําอย่างบางคนเขามีอาชีพหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาต้องดูอันนี้เราก็ต้องถามก่อนคําถามนี้จะเป็นคําถามสุดท้ายเพราะมันมันเป็นคําถามที่แย่ที่สุดติดโซเชียลไหมคะถ้านักควรวานาติดโซเชียลไม่เหลือเลยค่ะคือธรรมดาเนี่ย เราไม่ติดโซเชียลนะเราภาวนาเนี่ยจะรู้ตื่นเบิกบานยังค่อนข้างยากเลยนะแล้วเราไปเพิ่มกิจกรรมที่มันทําให้มันไม่สามารถรู้ตัวได้เป็นเพิ่มกิจกรรมที่ทําให้ขาดสติมันยิ่งแย่ลงไปอีกอืมฉังนั้นมันจะออกมารู้สึกตัวเนี่ยค่อนข้างยากอืมเหมือนตอนนี้เห็นไหมพอรู้สึกตัวแป๊บหนึ่งก็ลงเลยรู้สึกตัวปุ๊บก็จะลงแบบเนี้ยค่ะเพราะจิตมันคุ้นเคยเอาเท่าที่พอใช้งานได้ไหมอ่ะพอใช้งานคือทํามาหากิ่แค่นั้นพอ จากนั้นดูข่าวสารเล็กน้อยไม่ได้ห้ามดูไม่ได้ปฏิเสธโลกเลยนะเออแต่เราต้องรู้ว่าเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนเหรียญสองด้านนะคะมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์อยู่ที่เราใช้อย่างไงเออถ้าเราใช้ให้ขาดสติอยู่นืองเนืองจิตเราจะเป็นแบบนี้นะคะและสุดท้ายเราจะบอกภาวนาตามหลวงพ่อไม่เห็นดีเลยไม่ได้ว่ามันไม่ได้ทําอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยอย่างเงี้ยมันก็ยากนิดนึงนะคะค่ะดีค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะไปส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้ายเดือนมีนาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามีโมหะเรามีรู้แล้วนอกจากนั้นก็เพ่งแล้วก็แน่นนะคะเอาจิตขนาดนี้เลยเป็นยังไงคะก็กลับกลับมาก็ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็แต่จะมีอาการหนึ่งก็คือว่าเป็นคนปวดหัวง่าย ก็เลยลองเปลี่ยนเป็นไปใช้พุทโธมาประมาณสักสองเดือนนะคะพุทโธหมายความว่าในสมาธิเหรอคะแล้วว่าในวิหารธรรมประจาวันประจาวันประจาวันใช้พุทโธค่ะมันมันรู้สึกว่ากลับมารู้สึกตัวง่ายแล้วก็เห็นทีคนี้โอเคมันเคลื่อนเรารู้นะคะตอนนี้ต้องดูก่อนตอนที่เคลื่อนแล้วมันรู้เนี่ยเราดึงกลับมาไหมเท่าที่ฟัง พี่คนก่อนที่ส่งกันมาไม่ต้องฟังเอาของเราก่อนสิคะเห็นไหมเราจะดึงกลับมาเนึองเนืองใช้ตัวนี้เป็นตัวดึงเสียงอะไรอตัวใจเห็นไหมคะเวลาเรารู้เนี่ยแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเนี่ยคือเราดึงกลับมานะอืมด้วยพุทโธนี่แหละค่ะอืมเห็นได้ไหมคะถ้าไม่ได้บอกนะคะยังไม่เห็นลองดูทีค่ะตรงเนี้ยว่ามันตึงตึงไหมใช่มันมันจะตึงตรงนี้ก็ตรงตรงไข่ถอยเพราะพอเรารู้ปุ๊บเราดึงกลับมา คำว่าวิหารธรรมนะคะถ้าเราบอกว่าเราจะใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่เนี่ยนะคะเครื่องอยู่ในนี้หมายความว่ามันไหลไปสมมุตินะคะเราใช้พุทโธพุทโธพุทโธปุ๊บมันไหลไปเรารู้ว่าไหลปุ๊บเราจบตรงนั้นละมาเริ่มพุทโธใหม่แต่ไม่ดึงตัวนั้นอะไม่ดึงจิตกลับมาที่พุทโธเราเริ่มพุทโธใหม่เราเริ่มบริกรรมใหม่อะไหลไปอีกรู้พุทโธใหม่ไม่ใช่ดึงตัวนั้นกลับมาที่พุทโธถ้าคุณทําแบบนี้ต่อไปพุทโธไม่ใช่บ้าน มันกลายเป็นคุกนึกออกปะคือแกอันนี้ไปแน่แกต้องกลับมาที่เนี้ยดึงแสดงว่าต้องเว้นระยะไม่ไม่เว้นค่ะเว้นเริ่มใหม่อ่ยังเอาคุณลองดูพุทโธสิเห็นไหมดึงกลับมาเลยเห็นได้ปะคะคือวันนี้มันไม่ได้เอาอุปกรณ์มายังไม่เห็นค่ะปกติจะมีอุปกรณ์นิดหน่อยอ่าลองดูสิคะเนี่ยดึงแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมปวดหัวแล้วตรงเนี้ยใช่ปวดหัวแล้วใช่ค่ะ พอรู้ปุ๊บดึงพอตุ๊ดึง mm hmm. คือเราต้องเข้าใจหลักมันก่อนนะว่าการที่เรามีวิหารธรรมอ่ะจริงๆมันพูดชัดเจนวิหารเป็ว่าบ้านนะธรรมะคือกายกับใจเราอ่ะเมื่อไหร่เราลืมกายเราลืมใจเนี่ยเรากลับมาบ้านได้แต่เราไม่ใช่กลับมาคุกอันเนี้ยกลับมาบ้านคือหมายความว่าอ๋อมันเผลอปุ๊บมันก็ไหลไปอีกได้ได้เสร็จแล้วมันกลับมาตรงนี้เรารู้อีกแต่นี่คือเราจะให้มันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเราวางใจว่าคําว่าพุโทโธเนี่ยคือเป็นตัวกํากับไม่ให้มันไหลอเป็นตัวกํากับให้รู้สึกตัว เขาจะจริง <ot ess ch ing> ไม่ใช่เรามีตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ทันใจว่าอ๋อ<จ>ใจมันไหลไปใจมันเผลอไปใจมันฟุ้งซ่านไปเรามีตัวนี้เพื่อให้เห็นตัวนั้นต่างหากเออพุโทโธพุโทโธอยู่อ่ะมันไหลไปละไหลรู้จบแล้วพุโทโธใหม่พุทโธพุทโธพุดโธ ร, โรอ่ะไหลไปอีกรู้อืมเริ่มพุโทโธใหม่คุณเห็นไหมตอนนี้จิตมันทำดามที่พี่พูดอยู่เห็นปะมันสบายขึ้นรู <S <S <S <S ้สึกไหมใช่ค่ะมันสบายขึ้นช่ค่ะเวลาเราคุยกันเราคุยเอาจิตกับจิตมาคุยกัน เนะเพราะนั้นจิตมันเดินตามอยู่มันก็จะเห็นว่ามันสบายขึ้นเห็นไหมคะเห็นโล่งไหมโอเคอย่างนั้นใช้ได้ระวังใจให้ถูกก่อนว่าอันนี้ทําเพื่ออะไรเพื่อเห็นว่าอ๋อพุทโธพุทโธอใจไหลอ๋อมีพุทโธตัวนี้เพื่อเห็นว่าใจมันไหลไปอืมแต่ไม่ใช่พุทโธพุทโธไหลดึงกลับมาเนี่ยตอนนี้ทําแบบเก่าเห็นไหมคะใช่โอเคเห็นสองอย่างแล้วเนาะอ่เดี๋ยวจิตมันก็จะเข้าใจเองแล้วว่าอ๋อทำแบบนี้ไม่สบายจิตจะไม่เอาละเดี๋ยวจิตมันเห็นตัวนี้สบายเขาเลือกเอง ธรรมชาติจิตเนี่ย<ม>เขาประมวลเสร็จเขาเลือกเองฉันเอาตัวนี้ฉันสบายะ<ห>อแต่แต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่เหมาะกับพุทโธใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ระวังใจไม่ถูกอื่าเราเข้าใจว่ามีตัวนี้เพื่อให้จิตมันอยู่กับตัวนี้ไม่ให้เผลอ<ห>เรามีตัวนี้เพื่อให้จิตไม่เผลอ<ห>ข้อเท็จริงไม่ใช่เรามีตัวนี้เพื่อไปเห็นว่าอ๋อจิตมันเผล อ, อ<ห>แต่เผลอเผลอแทนที่จะให้มันเผลอไปเรื่อยๆให้มันเผลอคาว่าพุทโธให้มันมาเผลอแค่คําว่าพุทโธนี่แหละอ่าแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลไปอีก อเรารู้บุษเอดดับอ่เริ่มคําว่าพุโทโธใหม่ค่ะค่ะหรือใช้คําว่าเมตตาคู่นงอรหังเมตตาก็ได้ออันนี้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนของแจ๊กแจ๊กต้องมีวิหารธรรมด้วยเนาะชอบแบบไหนเอาสักตัวหนึ่งเอากายก็ได้เอาจิตก็ได้ค่ะค่ะแล้วโมหะดีขึ้นไหมคะโมหะอ่าเราต้องมาดูก่อนรูปแบบเราทําอะไรอยู่ไหมคะสมาธิหรือเดินจงกรมจงกรมค่ะวันละเท่าไหร่คะเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงจากทุโมทนา คราวนี้เดินแบบไหนคะรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไหมหรือว่าเดินแบบขวาซ้ายเดินแบบไหนเออรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูค่ะพอดีเมืเอว่าคอร์สที่ไปเข้าเนี่ยเจอคุณหมอณัฐคุณหมอณัฐเลยปรับหน่ะก็แต่แต่แต่มันฟงแล้วก็พยายามเอาพุทโธเข้าไปใช้ด้วยซึ่งมันใช้ได้ไหมคะระหว่างก็วางใจให้เป็นก่อนะคเราเดินจงกรมนกัน เพิ่มเองใช่ไหมใช่นี่แหละทาไมเราถึงเพิ่มธรรมชาตจิตเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมันอยู่ดีมันไม่เพิ่มเองหรอกมันรู้สึกว่ามันไม่สบายแล้วมันหนักก็เลยไปเพิ่มมันเองเดี๋ยวนะที่เดินไม่สบายมันหนักคือคือเริ่มต้นเนี่ยจากการภาวนาครั้งแรกเนี่ยเพราะว่ามันปวดหัวแล้วมันมันเหมือนพุทโธจนกระทั้งจิตมันรวมอะพอหลวงพ่อบอกวันนั้นว่าแน่นก็เลยคิดเอางว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นพุทโธเหมือนสมัยก่อน แต่พุโทโธแล้วแล้วเราเห็นจิตเคลื่อนแทนแต่สมัยก่อนตอนที่พุโทโธนั่นคือมันเป็นสมถะแล้วมันเกาะพุโทโธตลอดะ ค, ะค่ะแต่ตอนนี้พอมาเดินจงกรมนะค ะ, คะเอาตอนนี้ก่อนเนา ะ, ะเอาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราเดินจงกรมอยู่ค่ะเดินโดยรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใช่ไหมใช่ค่ ะ, ะแล้วมีคําไหนคะมีปริกรรมด้ไหมตอนเริ่มต้นเนี่ย จะเริ่มต้นด้วยบริกรรมเราพุทโธใช่แล้วเขาก็จะหายไปหายไปอ่โอเคเราเดินไปด้วยเราพุทโธไปด้วยค่ะต้องพุทโธนี่เราเพิ่มเองถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเราเดินเไปเขาก็จะหลุดหายไปเราจะหลุดหายไปเข้าใจว่าอาจจะดึงกลับมาคือตอนที่เราเดินครั้งแรกไม่มีคําว่าพุทโธถูกไหมพุทโธคือคําที่เราเติมไปทีหลังอันนี้เราต้องมีเหตุผลสิทำไมอยู่ดีเราไปเพิ่มพุทโธ คิดเองว่าเวลามันฟุ้งไปแล้วเรามีพุทโทมันจะได้ไม่ฟุ้งใช่เห็นไหมเป้าหมายในการเดินจมของเราเพื่อไม่ฟุ้งจะไปเอาใช่เราไม่ได้เรียนรู้ตามความเป็นจริงค่ะหลักคือตรงนี้เลยเราทาบลงไปเลยเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ไหมที่หลวงพ่อสอนไม่ได้เราไม่เอาความเป็นจริงเราเอาอะไรเราเอารู้สึกตัวเราต้องทำทุกอย่างเลยมาทาทุกอย่างก็คือการที่เราแทกแทงกายกับใจ บ, บังค<ะ>ับกายกับใจอย่างที่เราอยากให้มันเป็นคอื<ะ>ืออันนี้คุคณตอบด้ตัวเองได้เนา ะ, ะแล้วเอาไงดีเดี๋ยวตอนเดินจงกรมก็จะไม่ใช้พุทธโธและคือไม่ใช้ไม่ใช่การแก้นะอันนี้คือแก้อาการถ้าคุณ<ะ>บอกกลับไปฉันทิ้งพุทธโธละใจเรายังวางว่าเอารู้สึกตัวอยู่เลยอะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้หลักก่อนอหลักคืออ๋อฉันอยากรู้สึกตัวอืหลักคื อ, อเดี๋ยวฉันไม่เอาพุทธโธแล้ เพราะฉันรู้สึกอึดอัดเห็นใจก่อนก่อนที่จะแก้อะไรก่อนที่จะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่รู้ทันความรู้สึกตัวเองก่อนอพอเรารู้ทันความรู้สึกตัวเองแล้วค่อยภาวนาอย่างที่จิตขณะนั้นมันเป็นอย่างไรอตอนนี้เราไม่เอาพุทโธแล้วเราไม่ชอบมันแล้วอ่ะไม่เอาอีกแล้วเห็นไหมจิตเกลียดไหมกระเด็นไปเลยดีกว่าแกกระเด็นไปเลยอะพอแกกระเด็นไปเสร็จเราเห็นทันใจปุ๊บจากนั้นเราก็ทําของเราปกติที่จิตมันเป็นแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงจะเป็นอะไรก็ได้นะคะอืม จิตมันอยากเรารู้ว่าอยากอาจิตมันอยากรู้สึกตัวเยอะๆเรารู้สึกว่าเราอยากซื้อตัวเยอะๆอืะกําลังที่ทํามามันไม่ได้หายไปไหนนะค ะ, ะแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเดินปัญญาไม่ได้มันไปนติดความอยากตัวเนี้ยนะคะเพราะความอยากมันเป็นอกุศลไปเรียบร้อยแล้วอจิตที่เป็นกุศลมันก็จะไม่เกิดอ่นะคะแต่กําลังที่เราทำสมาธิทั้งหมดอยู่หมดเดี๋ยวรอมันขึ้นมาใช้งาน ตอนที่เราค่อยๆปรับจกนกระทั่งเรารู้ตามความเป็นจริงของการกับใจได้นะคะค่ะคได้คิดไหมโอเคขอบคุณค่ะค่ะเชิญค่ะอีกท่านหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะสองท่านนะคะค่ะคืออยากจะถามเรื่องจิตตั้งมั่นนะค ะ, ค, ะคืออยากจะจิตตั้งมัน่นก็เลยใช้บริกรรมตลอดว่าเมตตาคุณนางอะคะ่ะแต่ช่วงหลังเนี้ยรู้สึกว่ามันอึดอัดรู้สึกว่ามันเพ่งมากมันอึดอัดอยู่ในอกเลยอ ะ, ค, ะค่ะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่า ตอนนี้มันควรจะไปต่ อ, อยังไงคะหลักหลวงพ่อว่าไงอาเอาหลักทาบเลยเราผิดตรงไหน ก, กรนน็รู้สึกผิดตรงไหนรู้สึกเหมือนก็มีความตั้งใจอยากจะให้มันเกิดขึ้นมากมเรารู้ตามความเป็นจริงได้ไหมว่าเราอยากตั้งใจเรารู้ทันไปเลยค่ะคือพอเริ่มเริ่มปุ๊บเนี่ยพอเริ่มปุ๊บคืออยากให้จิตทั้งมันพอรู้สึกว่ามันจะฟุ้งบ่อยคือคือตอนนี้อยากให้ตัวเองมีสมาธิก่อนที่จะไปเริ่มตัวอื่นใช่หมคะพอเราภาวนาเนี่ย แล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยมันไหลเรากลับไหลกลับไหลกลับแต่เมื่อกี้ฟังรู้สึกเหมือนตัวเองจะไปดึงกลับมาใช่ไหมคะมันเป็นการดึงแล้วแต่ตั้งตั้งหลักก่อนเนาะ <c oughs> มีบอกว่าการภาวนาเนี่ย <c oughs> คุณจําหลักให้ได้ก่อน <c oughs> ถ้าคุณไม่จําหลักเลยมันเหมือนคุณเดินเข้าไปสเปสะสปะเลยเหมือนตอนนี้ฉันจะเอาสมาธิก่อนละฉันไม่รู้เลยว่าหลักหลวงพ่อสอนอะไรสิ่งที่เราได้เนี่ยยากนานอ <c oughs> แต่ถ้าเราเข้าใจหลักสิ่งที่เราได้คือเนิ่นช้าหรือเปล่าไม่เนิ่นชาเพราะเรารู้หลักจริงๆละ ตอนนี้ที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยหลักของหลวงพ่อมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราได้ทําหลักอันนี้ขึ้นมาหรือยังมีสติหรือยังอันดับแรกก่อนถามตัวเองก่อนอส ม, <า S 1> มมติเรามีลแล้ะสมมติเรามีเรียบร้อยล้วนะคะเราเห็นล้สติเกิดบั่งไม่เกิดบั่งอันนี้เรื่องปกติเราได้รู้ตามความเป็นจริงของกายกับใจไหมเห็นไหมจิตไม่ตั้งมั่นถูกป่ะแทนที่เราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าจิตขณะ น, นั้นคือมันไม่ตั้งมั่นแต่เราทํายังไงจะให้จิตมันตั้งมั่นเราผิดตั้งแต่ตรงนี้ละอืม งงหรือว่างงไปก่อนองงค่ะงงรู้ไปก่อนรู้จิตก่อนว่ามันงงเพราะความเป็นจริงคือจิตมันงงอืมคือค่ะมันเหมือนกับมันยั้งย้งอยู่ว่าคือวิเคราะห์ศึกว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไปตัวอื่นต่อไม่ได้อันนี้โดยโดยความเข้าใจของเราแต่ถ้าคุณบอกว่าเออไม่มีสมาธิมันจะต่อไม่ได้เราจะทําสมาธิขึ้นมาใช่ไหมถูกไหมเรากำลังจะทําสมาธิขึ้นมาเพื่อให้จิตตั้งมัน่นถูกไหมคะอ่าเราต้องรู้หลักก่อนว่าจิตตั้งมั่นเนี่ย มันทำยังไงถูกไหมคะค uh. ่ะหลักของจิตตั้งมั่นทำไงคะสมาธิที่ประกอบด้วยความตั้งมัน่นก็รู้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงว่าถ้ามันไหลไปเราก็รู้ว่ามันหลุดออกไปอ่ามันไหลไปเสร็จนะแล้วรู้เรารู้ได้อย่างนั้นจริงไหมรู้ได้เป็นบางครั้งอ่ารู้ได้เป็นบางครั้งแล้วตอนไหนที่มันไม่เป็นบางครั้งมั่งตอนที่ตั้งใจเนี่ยแหละอ่าโอเคคุณเพิ่งกลับมาดูเลยว่าคุณตั้งใจ uh. ถ้าคุณบอกว่าให้รู้ตามความเป็นจริงจิตขนาดนั้นคือตั้งใจอ่ะก็จบแล้วคือตั้งใจ มันจะเป็นอะไรต่อไม่รู้แล้วเราอยากตั้งมัน่นเรารู้ว่าเราอยากตั้งมัน่นเรารู้ทันไปนทีละขนาดแบบนี้คือตอนนี้นะคะมันอยากให้คุณเนี่ยจำหลักให้ได้ก่อนนะคะการที่จำหลักได้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าจิตจะเข้าใจหลักเลยนะคะจิตต้องการเรียนรู้จิตมันต้องใช้เวลาจริงๆนะคะในการเรียนรู้ไม่งั้นทุกคนนิพพานกันไปหมดแล้วละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยเราต้องเรียนรู้อย่างที่ว่าเฮ้ยหลักมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราบอกเรามุ่งทําสมาธิเลยอืม โดยที่เราไม่เข้าใจโอเคเราอาจจะเข้าใจว่าเออทำสมาธิเราเห็นจิตไหลจิตเคลื่อนนะคะเพื่อรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงในขณะนี้คือเราอยากตั้งมั่นเรารู้ทันว่าเราอยากตั้งมั่นจบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยตั้งมั่นมันตั้งมั่นแล้วมันก็หายไปจิตตั้งมั่นเองถูกไหมคะอะไรนะคะจิตมันจะตั้งมั่นเองถูกไหมเราบังคับให้ตั้งมั่นไม่ได้หรอกอืแต่ตอนนี้จิตเราจะทําให้มันตั้งมั่นเห็นไหมคะเราอยากทําให้จิตตั้งมั่นมีความอยากว่าอยากจะได้คนนี้ทำให้จิตตั้งมั่นถูกไหม ซึ่งมันทําไม่ได้อืมแต่เราทําเหตุของจิตตั้งมั่นได้รู้แล้วดับจิตตั้งมั่นไหลไปรู้จิตตั้งมั่นเพราะสภาวะนั้นดับถูกไหมคะเราจะเห็นเลยว่าความตั้งมั่นไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้ทําจิตตั้งมั่นด้วยแต่เราไปรู้ทันว่าอ๋อจิตมันไหลไปแล้วจิตตั้งมั่นเองอะตรงนี้เสร็จเนี่ยคุณดูเลยดูตรงๆไปได้คุณเดินปัญญาต่อได้ด้วยอะไรอ๋อจิตตั้งมั่นตั้งมั่นเองอ่ะเราทําไม่ได้เราย้อนมาดูเลยถึงฉันอยาก ฉันก็ทําไม่ได้ถึงฉันอยากจะทําก็ทําไม่ได้แต่เรามีหน้าที่ทําเหตุเหตุของการที่ทางตั้งมั่นทํำยังไงทําสมาธิไหลรู้แต่ไม่ใช่ทําตัวตั้งมั่นขึ้นมาอืมคืออย่างอย่างเงี้ตอนนี้ทุกวันนี้ที่แบบว่าพอมีพอรู้ตัวขึ้นมาก็จะท่องอยู่ในใจอย่างเงี้ยแล้วพอมันไหลไปเราก็รู้ว่ามันไหลอย่างเงี้ยอย่างงี้คือเราก็ไม่ควรจะไปท่องต่อในใจไม่ใช่ค่ ะ, คะต้องดูก่อนค่ะ การท่องในใจก็คือวิหานธรรมนั่นแหละแต่ที้วิหารธรรมเราต้องรู้ก่อนองคุณเห็นไหมเวลาคุณท่องขึ้นมาปุ๊บคุณก็แน่นตั้งแต่ตอนท่องแล้วอะอเอาง่ายๆนะโมโหตั้งแต่ตอนท่องแล้วอะใช่ค่ะช่วงหลังรู้สึกมันไหลไปไหลไปไห ล, ไหลอีกแล้ว <c oughs> แล้วแทนที่เราจะรู้ว่าเออมันไหลอะอเราบังคับไม่ได้คุณดูมอมอ น, นัตตาได้เลยพวกโทสะรุนแรงอย่างเงี้ยนะเออดูตรงๆเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้อะมันไหลเองนี่ว่าเราจะมาเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ เราไม่ได้มาดูว่าทํายังไงให้บังคับมันได้อืมเราเห็นเลยตั้งแต่เราบริกรรมปุ๊บโทรศัพท์ก็เกิดละไหลอีกละไหลอีกละอืมอันนั้นทําไมเร า, ราเราถึงโมโหเราถึงโมโหเพราะเราไม่เข้าใจหลักของการภาวนาถ้าเราเข้าใจหลักของการภาวนาอ๋อมีสติรู้กายรู้ ใ, ใจตามความเป็นจริงเออความเป็นจริง อ, อ๋อมันไหลอ่เออเราไม่ได้ทําว่าต้องไม่ไหลนี่แต่เราโกรธอะ่ะเพราะว่ามันไหลเราโกรธเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นอืมเราเห็นไหมอ่ะ คือไม่ได้ใจคือคือไม่ตอนที่รู้ว่ามันไหลเนี่ยไม่ได้โกรธรู้สึกเอ้ยมันไหลแต่รู้ว่าดึงกลับอ่าเนี่แหละจริงๆมันขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วอ่ะแล้วก็ไปทำการดึงกลับมาเออมันก็จะแน่นแน่อยู่เรื่อยรู้สึกได้ไหมคะค่ะอ่าตรงนั้นแหละคะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าการบริกรรมภายในเป็นวิหารคำเนี่ยแล้วคำบริกรรมเนี่ยเราเปลี่ยนได้ไหคะ ได้ค่ะเปลี่ยนได้เรื่อยเรื่อยเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าคำนี้เราไม่โอเคเราเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนน่ะเรารู้ก่อนว่ามันไม่โอเคยังไงก่อนอ่าเช่นบางคนใช้บริกรรมอะไรอิติปิโส<ฆ>โอ้โห<ฆ>มันยาวเลยเคือนะ<ฆ>กว่า<ฆ>จะจบบทนะ่ะไหลไปไม่รู้กี่ชอ็อตแล้วนึกออกไหมทุดท้ายดึงตลอดเวลาที่อิติปิโสอันนี้ก็ต้องเลิอกอ่าแต่ถ้าบางท่านที่เป็นโทสะจริตอย่างเงี้ยโ<ฆ>มโหง่ายใช้เมตตาคู่นางเออมันง่ายดีแล้วมันรู้สึกสบายนะเราก็ได้ตัวเมตตาขึ้นมาด้วย ได้สมถะก า, กายไปด้วยนักดูจิตทั้งหลายนะคะถ้าเราดูเป็นเนี่ยหลวงปู่ดูลบอกเลยเราทําสมถะมากกว่าวิปัสนาในแต่ละวันนะคะที่เรานั่งดูกายใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยมากกว่าจะวิปัสนาเลยนะคะเพราะมันจะรู้รู้รู้อย่างเงี้ยเป็นขณิกะสมาธิที่มันรองรับอยู่แล้วนะคะเพราะนั่นตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยคุณเปลี่ยนได้แต่ก่อนเปลี่ยนให้เรารู้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมอันนี้มันไม่หมาะ คือเราได้รู้ตามความเป็นจริงก่อนว่าอ๋อเราภาวนาคํำนี้จิตเราเป็นยังไงอันนี้คือเรารู้ตามความเป็นจริงละอืมถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วมันเป็นยังไงอเมตตาคุณังเป็นยังไงหรือบางท่านใช้ระโชหระนังระชังหรติแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยใช้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้รู้สึกตัวอันนี้ก็ไม่ได้อีกนึกออกไหมมันก็จะอึดอัดไปหมดเลยอะค่ะอืมอันนี้ตอนนี้ใช้พุทโธใช่ไหมอ่ะใช้เมตตาคุณังค่ะใช้เป็นตาคุณังค่ะแต่ช่วงหลังมันเหมือนหงุดหงิดใช่แล้วมัน มันไม่ได้ดังใจเนาะบางทีก็เปลี่ยนมานับหนึ่งสสี่ห้าแล้วพอแต่เคยเปลี่ยนมานับเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันสบายใจมันสบายมันสบายจิตเพราะมันไหลไปเรื่อยๆเลยไม่จะนับไม่จะนับไปถึงร้อยแล้วก็จะนับกลับมาเหมือนกับว่ามันมีตัวหยุดแต่พอบางทีเป็นเมตตาคุณนังเนี่ยก็ท่องๆสักพักหนึ่งไอ้มันหลุดไปแล้วอะมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนสบายมันไหลเอาไปหมดแล้วอะค่ะใช่คือคุณไม่ได้บังคับจิตไงเออแต่พอเป็นคําเนี้ยมันจะบังคับทั้งหมด ทั้งนั้นนะคะของคุณตอนนี้ที่ติดอยู่คือติดการวางใจให้ถูกก่อนระวังใจก่อนนะคะว่าเราภาวนามาเรียนรู้ตามความเป็นจริงของกายและใจอืระวังใจให้ถูกก่อนอันนี้ถ้าระวังใจไม่ถูกตอนเนี้ยเราจะเอารู้สึกตัวรู้สึกไหมเราจะเอาจิตตั้งมั่นเราจะเอาสติคือทั้งหมดเนี่ยของคนที่ภาวนาส่วนใหญ่เนาะอ่ของเราเราตอนนี้เราเน้นจิตตั้งมั่นจะทําจิตตั้งมั่นมันทําไม่ได้ไงอืมันทําไม่ได้แต่เราทําเหตุของจิตตั้งมั่น การที่เราทําเหตุเราต้องรู้หลักก่อนอืมว่าหลักเราไม่ได้ทําให้จิตตั้งมั่นหรอกแต่เราทําเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงของกายกับใจว่าจิตอ๋อจิตขนาะนี้มันไม่ตั้งมั่นทันทีที่รู้ลงปัจจุบันว่าจิตไม่ตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นนั้นดับจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาประกอบด้วยความตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วแต่มันไวมากเลยมต้องมันไวมากค่ะอันนี้อะไรเอ่ยยาด ม, มาคุณเห็นปุ๊บแล้วคุณบอกยาดมจิตทํางานไปสิบเจ็ดขณะ ทุกขณะมีชื่อหมดเลยอืมเพราะฉะนั้นจิตมันถึงไวมากถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยพวกเราจะถึงจะทําอะไรแปลกๆในโลกใบนี้ที่ไม่ดีนะคะแต่ถ้าเรารู้ทันจิตอย่างเนี้ค่ะเราคอยรู้ทันแต่การที่เราจะรู้ทันจิตเนี่ยคุณจําหลักให้ได้ก่อนนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงจะเป็นอะไรก็ได้จิตไม่ตั้งมั่นเรารู้ว่ไม่ตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นดับความตั้งมั่นเกิดความตั้งมั่นเกิดปุ๊บมันก็ดับอีกเดี๋ยวมันก็ไหลอีกสุดท้ายเราไม่รู้จะเอาไปทําไมอ่ะอพเกกิดแล้วมััน็บอีก ถูกไหมคะการบังคับมันจะรู้บังคับไม่ได้แล้วมันก็ไม่บังคับเองจิตจะไม่บังคับเองตอนนี้จิตยังไม่รู้เรื่องจิตมันก็จะบังคับอยู่เนืองเนืองจนกว่าเราพามันดูบ่อยๆดูบ่อยๆสอนมันมันดูไปเรื่อยๆมันจะเออกูไม่เอาละเพราะอะไรจิตตั้งมั่นมันก็บังคับไม่ได้อ่ะมันก็หายไปเหมือนกันเน่ะแล้วเราโมวแต่มาทั้งทําจิตตั้งมั่นสุดท้ายต้องอะไรคะรักษาจิตตั้งมั่นตัวนี้ไว้การที่รักษาคืออะไรเพ่งไว้ นั่นเราเข้าใจว่าตัวนั้นตั้งมัน่นเขาจะจริงไม่ใช่ตั้งมั่นนะ บ, บังคับบางคนเนี่ยจิตเนี่ยเหมือนเสาเข็มตอก24เมตรเลยอะคุณ<ะ>ตึงไว้อย่างนี้เลยอ่ะอืมไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้อขอถามอีกท่า น, นค่ ะ, คะปีที่แล้วเนี่ยคุณมันดีแนะนําว่าให้ไปเดินจงกลมพอกลับไปเดินเนี่ย<ะ>รู้สึกว่ามันฟุ้งตั้งแต่ยืนพอยืนปุ๊บคือจิตมันส่งออกคือตายเห็นอะไรมันคิดคิดคิดกลับมาดูกายอรู้สึ ก, <ะ>กขา<ะ>พอเริ่มเดินไม่รู้จะจับตรงไหนของร่างกาย ก็เลยทําไปสักเดือนหนึ่งไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนไปสวดมนต์พอสวดมนต์ก็จะรู้สึกว่ามันไปติดนิ่งหรือเปล่ามันเหมือนกันว่าหันไปดูลูกเสร็จกลับมาสวดได้แบบสงบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือมีส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อต้นเมื่อปลายเดือนแล้วก็หยุดสวดไปก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองควรจะทํากรรมฐานแบบไหนคะสําหรับ15นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงถ้าคุณเข้าใจหลักะพอหัวจงกรมคุณฟุ้งซ่านธรรมชาติจิตมีหน้าที่ฟุ้งซ่าน เราจะมาเดินจงกรมเราจะมานั่งสมาธิเพื่อเหตุว่าจิตมันฟุง้งซ่านเราไม่ได้มาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเพื่อให้จิตไม่ฟุง้งซ่านใช่ว่าว่ามันต้องเห็นแต่มันเห็นแล้วมั น, นแบบมันเหนื่อยถ้ามันเห็นไปหมดเลยเห็แล้ว เ, ล เ, เราไม่<แ>ชอบเรารู้ว่าไม่ชอบ อ, อืมเราเห็นอะไรแล้วเรารู้ทันความรู้สึกเข้ามาค ห, หลักของการภาวนาคือรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเช่นเราเดินแล้วเราไม่ชอบเรารู้ว่าไม่ชอบเดินแล้วมันฟุ้งๆแล้วไม่ชอบรู้ไม่ชอบเดินแล้วสงบอย่างเงี้ยคุณสวดบนแล้วเออมันสงบเห็นจิตที่นิ่งชอบจิตที่นิ่ง ท Franc ันทีที่คุณรู้ว่าจิตนิ่งปุ๊บนะจิตจะไม่นิ่งทันทีเลยแต่ถ้านจิตคุณยังนิ่งอยู่ได้เรื่อยๆแสดงว่าคุณยังไม่เห็นว่าจิตมันนิ่งคุณแค่เอนิ่งแต่ยังไม่ได้รู้ตรงๆว่าอาจิตมันนิ่งชอบจิตที่นิ่งนี้อืมคือคุณจับหลักถ้าคุณจับหลักได้นะหัวจงกรมันฟุ้งเรารู้ว่ามันฟุ้งแล้วกลัวทําไมที่มันจะฟุ้งอ๋อฟุ้งมันก็ไม่เที่ยงอ่ะฟุ้งมันเกิดแล้วมันก็ดับเหมือนกันเออสงบสงบก็เหมือนกันอ่ะสงบเกิดแล้วมันก็ดับ แต่ถ้าคุณบอกให้ i, สงบมันมันไม่ดับนะคะนิ่งมันก็ไม่ดับนะคะมันอยู่อย่างนี้ได้เลยอันนี้ให้รู้เลยว่าเราต้องทําอะไรกับมันซะอยา่างมันขัดกับกฎไตรลักษณ์ใช่ไหมคะอืมมันดูจะเหนื่อยอย่างตอนเข้ามานั่งฟังเนี่ยรู้สึกว่าฟุ้งตลอดรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเห็นธรรมชาติของจิตมีหน้าที่ฟุง้งวางใจให้ถูกก่อนคะ่ะธรรมชาติจิตมีหน้าที่ฟุง้งธรรมชาติจิตเนี่ยมีหน้าที่ส่งออกนะคะหลวงปู่ดูลบอกแต่คุณกําลังจะบอกทํายังไงให้มันไม่ฟุง้ง คือจริงๆไม่ได้จะทําไงให้มันไม่ฟุ้งแต่มีความรู้สึกว่าพอเราไปเห็นว่ามันฟุ้งตลอดแล้วเราเหนื่อยก็เราไม่ชอบไงแล้วถึงเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะจะทำยังไงให้มันไม่ฟุ้งแล้วมันทําไม่ได้ออืืก็ถึงบอกว่าวางใจให้ถูกนะคะถ้าเราวางใจไม่ถูกเนี่ยเส้นนี้คุณก็เดินอีกอย่างหนึ่งเลยจะไปจังหวัดช่อช้างไม่รู้แล้วฟังไม่รู้เรื่องไปก่อนเลยเฮ้ยทิศตะวันออกนะคุณไปเชียงรายเชียงใหม่แล้วอะแต่จริงๆเราจะไปชนบรุรีอ่าถ้าคุณเข้าใจหลักนะมันจะง่ายอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ยอม เรารู้ทันใจที่เราไม่ยอมนะเออ <aside. S 1> เราไม่ใช่ว่าทํายังไงให้จิตมันยอมไม่ใช่ทํายังไงให้จิตมันเข้าใจก็จิตมันไม่เข้าใจอ่ะเราไม่ได้ทําว่าต้องจิตเข้าใจรู้ทันว่าจิตไม่เข้าใจความไม่เข้าใจดับความเข้าใจก็รู้เรื่องขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ทีละขณะขณะขณะไปถึงบอกว่านักภาวานาส่วนใหญ่เป็นแบบคุณนะค่ะทํายังไงให้จิตไม่ฟุง้ทงทําังไงให้จิตสงบอ่าให้รู้ฝึกตัวให้ตั้งมัน่นให้มีสติต้องทําทั้งหมดเพราะเขาะิะสติตั้งมั่น รู้ตัวเกิดระดับหมดแต่เราจะเอาให้มันอยู่ตลอดรู้สึกไหมอะ่ะมันก็เลยเหนื่อยไงคะถ้าเมื่อไหร่นะคะเหนื่อยให้รู้เลยว่าเราต้องทําอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วล่ะซึ่งไม่ปกติการภาวนาจะไม่เหนื่อยอย่างนั้นอืมฉันก็คิดว่าคงต้องผิดอะไรสัยอย่างคัวางใจใจระวังผิดอือใจเราจะทํำยังไงนะมันฟุ้งอย่างนี้จะทํำยังไงให้มันไม่ฟุง้งอืมนะคะทํำไมมันถึงฟุ้งบ่อยนักหนาะอืมถ้าไม่ฟุ้งนี่ผิดปกติ เพราะมันไปเพ่งไว้อเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยที่มันจะยกตัวอย่างทุกครั้งเลยภาวนานกับหลวงพ่อมานานนะคะวันนึ่งมาเจอกันเนี่ยบอกว่าพี่ไปดูนะพี่เพ่งนะกลับไม่ได้เลยอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้สองเดือนผ่านมากลับมาเวลาเขาฉีดยาคนไข้อะ่ะสลิงที่เขากดเนี่ยเขารู้ทุกช็อตเลยเขาก็เลยไม่รู้สึกเลยว่าเขาผิดชั้นรู้ตัวได้หมดเลยอะ่ะทําไมถึงผิดล่ะเออเพราะไอ้สิ่งที่เรารู้ตัวนั่นอะ่ะเราบังคับให้รู้จนมันชิน แล้ววันหนึ่งเนี่ยค่อยๆแกะค่อยๆแก ะ, แกะมันก็จะค่อยๆหลุดออกมานะคะวางใจให้ถูกก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวคืออยากจะกลับไปเดินจงกรมอีกทีหนึ่งคืออยากก่อนค่ะอทีนี้มันมีคําถามหนึ่งตอนที่เดินตอนนั้นนะมันเคยแบบว่าพอเราอยู่นิ่งๆแต่เรารู้สึกว่าจิตข้างในมันอยากจะกระโดดรูดเต้นออกมามเหมือนไม่เหมือนเราไปฝืนเอาไว้อะเอกๆอย่างนั้นนะคะค่ะมันมันคือ มันคือคนจะทํอยางนี้คือสมมติเรากำลังยืนสํารวมจะรงกลมเนี่ยแต่รู้สึกเลยว่าจิตเราเนี่ยมันอยากจะกระโดดอยากจะแบบอยากจะทําท่าทางให้กระโดดให้แบบเราเราเดินได้เราทําอย่างนั้นได้นะบางคนเนี่ยมาบอกเดินไปเลยอยากเป็นนางแบบเขาเดินนางแบบเลยค่ะแล้วเขารู้ตัวเพราะเขามีความสุขอะ่ะเขาเดินเหมือนแคดวอล์กเลยแต่เป็นเดินจงกลมทําได้ค่ะถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นคุณอยากกระโดดคุณรู้เลยคุณอยากกระโดด แล้วเดี๋ยวคุณจะเมื่อยเองแหละแหะโหเหนื่อยแทบตายกระโดดทาไมวะเดินธรรมดาก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าจิตมันอยากทําเราก็ปล่อยให้มันทําใช่ไหมเราไม่ต้องไีฝืนเราไม่เสียแ้งเลยนะคะเรานักภาวนาต้องถอดถอดตัวจริงเราออกมาให้ได้นะเออยมุรีเนี่ยเป็นคนคีดโกรธโกรธทั้งวันโกรธได้ทุกเรื่องเออนะคะเราดูไปเลยเราไม่ใช่ว่าโอ้ต้องเรียบร้อยอะโอ้ถ้าเรียบร้อยดีเราไม่ต้องภาวนาแล้วเนาะอืก็พ่อมันยังไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรอ่ะ ไม่ดีในกิเลสเราเราก็ดูของเราไปตัวจริงเราเป็นไงเราเอาตัวจริงเราออกมามเราไม่เสียแซงเลยมไม่ต้องรักษาฟอร์มนักภาวนานักภาวนาจะมีฟอร์มน่ออกมาทั้งในหัวจงกมอ่นี้ยืนต้องท่านี้ต้องรวบอะไรอย่างเงี้ย เ, ออเราเดินอย่างนี้บางคนเนี่ยเดินแคทวอล์กเลยเขาก็เดินไปแต่เขารู้ตัวได้ก็โอเคพอเดินไปสักพักเขาจะเห็นโอ้โหเขาสร้างตัวเองขึ้นมาทั้งหมดเลยถ้าเดินเขา เขาก็เลิกของเขาไปเองเขาก็จะดูของเขาได้ว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงอ่ะก็ค่อยๆปอกตัวเองของมาอย่างนี้แหละค่ะอืมนะไม่ฝืนนะเออเมื่อไหร่ไม่โอเคปุ๊บนั่งนิ่งๆนึกถึงนั่งนิ่งๆคือนั่งนิ่งๆในที่นี้คือหมายความรู้กายรู้ใจละนึกถึงพระเจ้านึกถึงหลวงพ่อหยิบซีดีก่อนหนึ่งแผ่นแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวมีคําตอบหมดเนาะแล้วเราจะรู้เราไม่ไกลครูบาอาจารย์หรอกค่ะอ่ะหมดแล้วเนาะค่ะอ่ะอีกท่านหนึ่งนะคะ ก็จริงงอ่า นั่งสมาธิแล้วห่วงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองรวบตัวเองเพ่งก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีใช้ทําโยคะไปแต่ว่าก็จะรู้เหมือนกับแบบบอดี้สแกนว่าตัวเองกําลังขยับอะไรอยู่ค่ะแล้วก็จะเหมือนกับพี่เขาทั้งนั้นก็คือจิตท่งออกไปครับปุ๊บแล้วก็กระชากมันกลับมาแต่ตะกียบได้หลักการจากคุณนาลีแล้วแต่กําลังรู้สึกว่าเอ๊ะทุกท่านก็จะมีแบบเดินจงกลมอย่างงี้อย่างงี้จริงๆแล้วโยคะเนี่ยมันมันถือว่าเป็นการทําในรูปแบบตามที่ ถ้าถ้ากรณีโยคะเนี่ยมันมีบางที่เขาก็จะผูกลมหายใจไปด้วยอ่าบางที่เขาจะผูกลมกับท่าโยคะไปด้วยอันนี้ถามว่าถ้าผูกลมไปด้วยเนี่ยถ้าเราไม่เพ่งอะ่ะไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเพ่งแน่นอนเพราะคุณเริ่มตั้งแต่อัดลมแล้วต้องบังคับมาถึงตรงนี้หายใจเข้ามาถึงตรงนี้ต้องหายใจออกอันนี้ไม่ปกติละอ่าอันนี้ถ้าผูกลมพวกไม่ผูกลมอ่าบริหารไปจริงๆนะคะ บ ร, บริหารเป็นจริงคุณเห็นมันรูปเคลื่อนไหวได้ไหมถ้าได้โอเคนะคะเหมือนพวกจีก้กงเหมือนพวกทำลาไท้เก๊กแต่ส่วนใหญ่ลาไท้เก๊กไม่เหลือเลยมันก็บังคับไปที่แขนบังคับไปที่ขาบังคับไปที่มืออันนี้ก็บังคับไปแล้วนะคะโยคะก็เหมือนกันมันก็ไม่แตกต่างนะคะเพียงแต่โยคะอาจจะบังคับน้อยหน่อยเพราะมันจะมีท่าของมันอะไรนะแต่ครั้นี้ต้องดูว่าจิตคุณอะไหลเข้าไปในโยคะไหม ไหลเข้าไปในร่างกายไหมถ้ามันไหลก็ไม่ต่างกับการเพ่งพวกครูโยคะทั้งหลายมาเรียนมาคุยกับบิ้งก็เพ่งทั้งนั้นแหละเพราะอาชีพเขาเราก็สอนเทคนิคเขาว่าทํายังไงให้มันให้มันไม่เพ่งนะคะมันได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าจิตมันวางได้จริงไหมเพราะบางคนเนี่ยมันแนบกับร่างกายไปแล้วเนี่ยเพราะมันใจมันวางเอารู้สึกตัวมันก็ต้องเอารู้สึกตัวอย่างของคุณคุณเพ่งเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะตึงๆอย่างเนี้ย อูเรื่อยเพราะว่าใช้ท่าบังคับแล้วต้องรู้ตัวไปด้วยคือมันเคลื่อนไหวเราต้องรู้ตัวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพอเคลื่อนไห ว, วรู้ตัวมันดูไม่ทันนึกออกไหมก็ต้องโฟกัสไว้เป็นทุกรูปแบบอืมและอย่างนี้ควรจะแก้ยังไงหรือว่าไม่ควรคือถ้าโ<ว>ยคะคุณทําโยคะไปเลยค่ะแต่รูปแบบคุณก็มาทํารูปแบบไปปกติอ่าแต่ถ้าคุณทํารูปแบบแล้วถูกต้องนะเดี๋ยวตอนเป็นทําโยคะนะมันจะปกติเองโดยที่เราไม่รู้สึกว่าต้องเข้าไปเพ่งมันเลยนะคะถ้าไม่ได้ผูกกระลมนะคะแต่ถ้าโยคะที่ผูกกระลมเนี่ยยาก ใช่ค่ะก็คือแนะนําว่าให้ไปหารูปแบบอันนี้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่เราทํารูปแบบเราทําเพื่ออะไรมัมีเกิดตั้งแต่หัวข้อเลยนะคือการทําสมาธิที่ประกอบด้วยหนึ่งทำให้จิตมีกําลังนะคะจิตเนี่ยมันมีกําลังปังปุ๊บเดี๋ยวจิตมันจะขึ้นมาทํางานได้นะคะสมาธิกตัวหนึ่งที่หลังจากมีกําลังขึ้นมาแล้วมันประกอบด้วยความตั้งมัน่นคราวนี้เวลาคุณคําโยคะหรือนะักท่านท่านทั้งหลายที่จะเปลี่ยนก็ตามเนี่ย คุณลองสังเกตตัวเองดูว่าไอรกรรมฐานที่คุณทํารูปแบบที่คุณจะไหว้น้ําก็เดียอะไรเอาตัวนี้ทาบลงไปมันได้ไหมเออถ้าเราได้กําลังอ่ะจิตต้องสงบเพราะจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยจิตจะไม่มีแรงเออกมาจิตมันเหนื่อยแต่ถ้าเรารู้อารมณ์หนึ่งจิตหนึ่งอารมณ์หนึ่งมันอยู่กับที่เนี่ยมันได้พักอ่ะอันนี้เราได้ไหมอันนี้ที่เราเรียกว่าสมถะหรืออารามนูปนิชานอ่ะจากนั้นเรามาฝึกตรงนี้อ่ะ เรามีกรรมฐานอันหนึ่งและแารที่จะให้มันสงบอยู่เฉยจากที่สงบเราเห็นแล้วอ๋อความสงบเป็นสิ่งที่ไปรู้เข้าเห็นจิตที่มันไหลเข้าไปที่ความสงบอ่าจิตที่มันไหลไปฟุ้งซ่านออกไปจิตเคลื่อนจิตไหลปุ๊บเราเห็นละอันนี้คือการซ้อมซ้อมให้จิตไหลจิตเคลื่อนสิ่งที่เราได้อะไรเราจะได้สมาธิที่ประกอบด้วยความตั้งมั่นของจิตคือจิตอยู่บนฐานจิตไม่ได้ไหลตามไปจิตรู้ว่านี้มันไหลจิตรู้ว่านี้มันเคลื่อนไปแต่จิตอยู่บนฐาน อันนี้เราได้ความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นคุณลองดูว่าเอ๊ะโยคะคุณทําแล้วมันได้สองตัวนี้ไหมถ้ามันไม่ได้ก็ตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยถ้างั้นไม่ใช่แล้วละเออแล้วก็ออกกําลังกายไปปกติละกันเห็นรูปเคลื่อนไหวได้บางครั้งอันนี้เราก็ได้เปรียบแล้วเหมือนกันแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เลยทั้งหมดนะคะถ้าระาวาังใจให้ถูกรู้ตามความเป็นจริงของมันการที่รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่หมายความว่ารู้ตลอดเวลารู้เท่าที่เรารู้ได้ ในแต่ละวันแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราซ้อมบ่อยๆปุ๊บมันจะรู้ได้บ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งสติมันเร็วขึ้นเร็วจนกระทั่งต่อไปเรามีความตั้งมั่นของจิตด้วยการฝึกสมาธิที่ประกอบด้วยจิตหลายจิตเคลื่อนมันจะกลายเป็นสติอัตโนมัติสมาธิความตั้งมั่นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่เนือ ง, น, งนะคะก็ต้องอนุโมทนากับผู้จัดในทุกๆรอบนะคะบุญใดที่มูลีได้ทําแล้วในสังสารวัฏนะคะขอทุกท่านพร้อมครอบครัวได้มีส่วนในบุญของมูลีทั้งหมด เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ทุกท่านได้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสาธุ